บทที่แปสิเกพื้นที่อันเป็นแถบยาวขนานไปกับปากลำห้วยส่วนกว้างประมาณสิบเมตรแต่จะเป็นแนวยาวไปซักเท่าใดไม่อาจกำหนดได้นกะบัตนี้เลื่อนออกจากที่จากด้านตะวันตกไปทางด้านตะวันออกพุ่มไม้พงเถาวันอันเป็นวัชพืชเล็กๆที่อาศัยงอกขึ้นบนผิวดินตลอดแนว เป็นเครื่องหมาย้สังเกตเห็นชัดที่สุดในการเคลื่อนขยับของพื้นที่บริเวณนี้เพราะมันไหวลู่ระเนนและพลอยเคลื่อนติดไปด้วยแผ่นดินส่วนใหญ่ของฝั่งห้วยสันสะเทือนดังคลืนครันวันไหวประหนึ่งว่ากองพันรถถังทั้งขบวนแล่นตามกันชนิดต่อท้ายเรียงสองไม้ใหญ่ขนาดหลายคนโอบที่ขึ้นเรียงรายกันอยู่โยกไหวโอนเอ็งอยู่ไปมา เหมือนถูกอะไรหนุนเบียด ร, ระเป็นแนวไปจนสุดที่จะประมาณได้ว่ามันไกลออกไปซักเท่าใดยูยางตะเคียนตะเคราะและไม้เบญจพรรณหลายต่อหลายต้นที่มีขนาดย่อมย่อมทานอํานาจเบียดดันไม่ไหวหักสะบั้นถอนรากถอนโคนป่าทั้งป่าเกิดกรลียุคอือึงหักพินาศเหมือนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นฉะนั้น อากาศที่ยังพอเห็นว่ามีแสงสว่างอยู่บ้างณนะบัดนี้ดูมืดมนอันธาการไปหมดมนุษย์กระจ้อยร่อยสองคนผู้ซึ่งไม่มีอะไรจะติดมือมาได้ทั้งสิ้นนอกจากสิ่งที่พอจะติดตัวอยู่เท่านั้นบัดนี้ตะเกียกตะกายทรงตัวขึ้นมาจากอาการที่ล้มกลิ้งกระจัดกระจายอยู่แนวเนินปลูกหรืออีกนายหนึ่งมองผาดผ่าดในขณะ น, นี้ว่ามันเป็นมูลสันดิน ที่ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้เล็กซึ่งห่างจากเบื้องหลังออกไปเพียงวาเดียวกำลังเคลื่อนที่ลั่นคือคือคือคอผ่านไปราวกับมีใครมาแกล้งชักฉากจูงมือกันวิ่งสมสารไปเบื้องหน้ายางไม่คิดชีวิตเขาทั้งสองในขณะนี้หมดสติสิ้นแล้วทั้งมวลและไม่รู้ด้วยว่าตนเองกำลังทำอะไรหรือรเผชิญกับอะไรอยู่ประสาทสั่งการอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือออกวิ่งไปเบื้องหน้า ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะสามารถเหมือนวิ่งหนีธรณีสุขหรือมิฉะนั้นก็หนีแผ่นฟ้าที่มันกําลังจะคว่าถล่มลงมาทับหัวแล้วก็มาสะดุดก้อนหินล้มคว่ำขมําหน้านอนจวนตัวเกาะกันย่องปรกากฏการประหลาดดุดปลาอานนท์พลิกตัวนั้นด้วยดวงตาอันเหลือกลานอยู่ริมก้อนหินใหญ่ใต้ต้นรังหมดชินกําลังวังชาที่จะขยับขยื้อนเคลื่อนหนี ออีกต่ไปเสียงดงหักถล่มอือๆเสียงแผ่นดินลั่นและอำนาจสันสะเทือนที่ไหวมาถึงบริเวณที่นอนหมอบตัวสั่นกันอยู่มันคงปรากฏเป็นภาพฝันร้ายอยู่เช่นนั้นดินหินและกองใบไม้แห้งตลอดจนพันไม้เล็กในละแวกข้างเคียงบัดนี้ราวกับมีใครมาโกยขุดทะลักล้นกองสูงไหวยวบยาบขึ้นมาเหมือนคลื่น ใจต่อมาของความรู้สึกที่มอดดับตายสนิทไปชั่วขณะนั้นเองทั้งสองที่นอนกอดกันแน่นอยู่ในขณะ น, นี้ก็แงนขึ้นไปและเห็น ขนานกับต้นเสลียงยักษ์ที่ชูลำต้นชะลูดเยี่ยมเมฆอยู่บนเนินเขาลำต้นนั้นดำสนิทของอะไรอีกชนิดหนึ่งโผล่แซกขึ้นมาเพียงแต่ว่ามันปราศจากกิ่งใบมีแต่ลำต้นเฉยๆซึ่งค่อยๆชูงอกพ้นยอดไม้อื่นๆแทกขึ้นมาทีละน้อยครั้งแรกก็โผล่พ้นแนวยอดนิว ต่อมาก็ยืดยาวสูงขยับขึ้นไปอีกมันสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งอยู่ในแนวเดียวกับกลางลำต้นของเสลียงแสงแดดอ่อนของตะวันที่กำลังจะลับขอบเขาสาด จ, จับแลทํามืนมาเมื่อมมันระยับแฉกสีแดงราวกับสายฟ้าแลงพุ่งอยู่แป ล, ปลาบออกมาจากส่วนยอดอันเป็นลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม แล้วก็เห็นดวงตาที่ฝังอยู่ในขอบสูงสองด้านของรูปสามเหลี่ยมปลายยอดนั้ น, นพระช่วยมันหาใช่ต้นไม้ซะแล้วไหมมันเริ่มโอนเองนแวงไก ว, กวไปมาแล้วก็หมุนไปรอบๆพรอ้รอมกับลิ้นที่แลกตวัดปลายปล า, ปลาเป็นจังหวะทีเร็วอยู่เช่นนั้นทรงกลมมืหคือมาบริเวณคอ แบบนี้ก็แผ่แบนกว้างออกไปกว้างออกไปเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนม่านดำผืนใหญ่ที่เอามายืดขยายขวางกั้นตะวันไว้ส่วนด้านล่างเล่าแผ่นดินก็ยังสั่นสะเทือนเพราะการลากเลยขมมดตัวท่อนปลายอยู่เช่นนั้นงูมาเรียร้องออกมาได้คำเดียวก็ช็อกหมดสติพับแน่นิ่งไปในวงแขนของชา ย, ยัน ด้วยความตกใจกลัวสุดขีดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนชัยยันเหงื่อการแตกพลักประดิกกระเดียกกายไม่ได้ ย่องคางจังหนังมันจะเป็นเวลานานสักเท่าใดเขาก็ไม่อาจบอกได้ถูกเช่นกันหัวใจเหมือนจะหยุดสูบฉีดโลหิตโ ด, ดยสิ้นเชิงไอ้ยักษ์สองตัวที่เคยพิชิตกันมาแล้วที่ลมช้างถ้าจะเปรียบเทียบกับเจ้าสองเจ้าตัวนี้สองตัวรวมกันแล้วยังไม่ได้เซี่ยวส่วนเดียวลักษณะรูปร่างก็ผิดแผกกันออกไปเท่าที่เห็นทรงเป็นจงอ่างเราดีนี่เอง จะขยายส่วนขึ้นไปเป็นอัตราสักเท่าใดนะ่ะคำนวณไม่ได้ส่วนหัวชู ร, รังงานแพรพังพานอยู่เทียมต้นเสลียงยักษ์อยู่โน่นแล้วส่วนหางอยู่ที่ไหนไม่ทราบเหมือนกันแต่ป่ากำลังลั่นทลายเพราะอาการเลื้อยว่าตัวครั้นแล้วศีสะอันสายโอนเอ็นอยู่ไปมาเหมือนจะสอดมองค้นหาต้นเหตุที่เข้ามารบกวนความสงบนั้นก็หยุดนิ่ มาทางมนุษย์ทั้งสองซึ่งซุกตัวอยู่ใต้ก้อนหินอันแลไม่ผิดอะไรกระมดหลวงประดุดว่าได้เห็นเป้าหมายเข้าแล้วหากจะเห็นหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรมาบอกได้แต่ในความรู้สึกของชายยันยามนี้คล้ายๆกับว่าต่างฝ่ายต่างจ้องตากันอาจเป็นเพราะอํานาจพระพุทธคุณที่เขาระลึกถึงและสวดมนต์ภาวานาอยู่ในขณะนี้ก็ได้ ที่ทำให้สติ ก, กลับคืนมาสู่ตัวและคล้ายจะมีอะไรเข้ามาดนใจในด้านดีงามซึ่งตนเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนชัยยันอนันตรายหมดสิ้นความวันไหวต่อชีวิตไม่ว่ามันจะดับสิ้นสูญไปภายในเมื่อไรไม่คิดสู้และไม่คิดหนีอีกต่อไปเขาพนมมือขึ้นจบเหนือสีสับเอาชะตาชีวิตบาปบุญ และกุศลของตนแต่หันหลังขึ้นมาเสียงสัตว์อธิษฐานถ้าจะถึงที่ชะตาดับลงในครั้งนี้เขาก็พร้อมแล้วขณะเดียวกันก็แผ่เมตตาจิตสมาทษหากจะมีสิ่งที่ล่วงล้ำก้ำเกินซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ได้มีเจตนาโลกรอบด้านยามนั้นเหมือนจะถูกตรึงให้สนิทนิง่งอยู่กับที่ ด้วยมรณานุสติที่ชัยยันยึดมั่นอยู่ในยานนี้ครั้นแล้วราวกับปาติหารศีษะอันแผ่แม่เบีย้ยสูงระงานเทียมยอดไม้ใหญ่นั้นก็ค่อยๆลดต่ำลงมันต่ำลงทีละน้อยอย่างสงบเยือกเย็นในที่สุดก็กลืนหายไปในเงาบทบางของยอดปาทึบเชิงขุนเขา จากนั้นก็มีเสียงเลือยเคลื่อนตัวอย่างแช่มช้าราวกับพายุอู้ไปทางด้านตะวันออกแผ่นดินไม้ไล่ลั่นคึกคๆกห่างออกไปเป็นลำดับกระทั่งในที่สุดก็เงียบสนิทหายไปทุกสิ่งทุกอย่างคืนสู่ดุษณีภาพเหมือนเดิมราวกับเป็นผ้าพิพานเข้ามาในความฝันเท่านั้น เหลือหลักฐานร่องรอยให้เห็นไว้แต่รอยป่าแตกลู่เป็นทางไปราวกับมีแทรกเตอร์มาไถคราบไว้อดีตนายทหารหนุ่มรู้สึกขนลุกซ่าขึ้นด้วยความสรบทาปีติใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ยัยงคงพนมมือจบขึ้นบูชาอยู่เหนือศีรษะเช่นนั้นแล้วกราบลงกับแผ่นดินเลือดในกายอันเย็นเฉียบแทบจะจับเป็นก้อนแข็ง บัดนี้อบอุ่นซาบซาไปหมดด้วยพลังใจและความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลเขาไม่เคยศรัทธาเชื่อถือมา ก, ก่อนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้จะมีจริงแต่บัดนี้ไม่มีอะไรเคลือบแคลงอีกแล้วพุทธานุภาพประกอบกับกุศลแต่ผลหลังของตนเองแท้ๆที่ช่วยเขากามาเรียให้รอดปลอดภัยในครั้งนี้ เป็นการรอดอย่างปาฏิหาริย์ที่สุดนึกขอบคุณและตกเป็นหนี้เจ้าป่าเจ้าเขาตลอดจนเทพพญายดาอารักษ์ที่เชื่อมั่นว่าคงมีส่วนช่วยเหลือปกป้องพยันตรายอันใหญ่หลวงในครั้งนี้วันและอยากจะเชื่ออีกด้วยว่าพยางูใหญ่ที่ประจันหน้ากันเมื่อยกยกนี้น่าจะเป็นอิทธิฤทธิ์ของเทพเจ้าผู้เป็นเจ้าของป่า จะมากกว่าที่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทเลื้อยคลานแท้จิงเจ้าป่าผู้สำแดงตนให้เห็นในรูปของอสรพิษมหายักษ์เพื่อเตือนให้ทราบถึงการล่วงล้ำเข้าเข็บอันห่วงห้างแล้วก็ยินดีที่จะรับการสมาลาโทษพร้อมท้งเปิดทางห้างมันน่าจะเป็นสุพนณิมิตรอันดีเยี่ยมทีเดียวลูกเห็นแล้วเห็นชัดกับตา เขาครางออกมาขนยังลุกเกลียวไปละลอกกราบซ้ำกราบซ้ำลงไปอีกบนผืนแผ่นดินลูกจะไม่ขอลบหลู่ดูแคนอีกเลยขอเจ้าพ่อจงเมตตาเปิดป่าอันเร้นลับอาถรรนี้ให้ด้วยเถิดวันใดที่รอดชีวิตกลับคืนไปได้อะขอตั้งโต๊ะบวงสวงสังเวยด้วยบายสีบัตรฟรีและเครื่องสักการะทั้งปวง มีเสียงคล้ายๆฟ้าร้องกระหึมแวววมาเบาๆจากขอบเขาไกลแสนไกลป่าที่กำลังมืดสลัวปกคลุมไปด้วยพยยบหมอกพลันค่อยๆกลับสว่างเรืองรองขึ้นอีกครั้งด้วยแสยงสุดท้ายแห่งสายันหกการได้ยินเสียงนกนาน า, นาชนิดและจักรจันทร์เรไรเริ่มเพียเสียงสำเนียงกริ่งขับกรอมไพรเป็นปกติตามเดิม ชยันหันมาทางมิดในยามยากหล่อนยังคงนอนแน่นิ่งกายอ่อนปวกเบียกอยู่กลางดินข้างข้างตายเขาเขารีบแก้ไขเ ข, ขยา่าปลูกอย่างรีบร้อนเป็นคู่ใหญ่มาเรียฮอบมั่นจึงฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเหมือนคนที่เพิ่งจะตื่นจากฝันร้ายหน้าของแม่มสาวซีดเหล่ากระสบทันทีที่รู้สึกตัวลืมตาขึ้นหล่อนก็พะว้าสะดุ้ง มีอาการจะลุกขึ้นออกแล่นทลาต่อไปอย่างคนที่ขวัญเสียสุดขีดชัยยันตะครุบกายไว้มั่นเขย่าเรียกชื่อทีๆอยู่เป็นเวลานานทุลักทุเล ก, กันอีกพักใหญ่กว่าจะเอาหล่อนไว้อยู่โดยไม่ให้หล่อนวิ่งปาแตกไปอย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้นี่เรายังไม่ตายหรอกเลยชัยยันมาเรียสำลัก์ออกมาเหมือนคนกำลังจะขาดใจ เบือตาโพรงกวาดมองลนลานไปรอบกายช ย, ยันยังหลับจับไหล่ทั้งสองไว้กดนิ่งให้อยู่กับที่ยังทำใจดีๆไว้เมเรายังไม่ตายแล้วก็ปลอดภัยเรียบร้อยดีทุกอย่างทำใจดีๆไว้งูใหญ่ตัวนั้นล่ะช ย, ยันเขาไปแล้วเมไปอย่างสงบที่สุดเป็นความผิดของเราเองที่ไม่ดูให้ถี่ขวนซะก่อน ดันขึ้นไปก่อไฟย่างปลาอยู่บนหลังของเขาแมมสาวมีอาการเหมือนจะเป็นลมกลับลงไปอีกตายสั่นเป็นเจ้าขเขาฉันฉันเห็นมันชูคอขึ้นสูงเท่า ต, ต้นไม้ใหญ่บนเนินเขานั่นทำท่าเหมือนจะฟาตัวฉกลงมาที่เราแล้ว น, นี่เรารอดตายได้ยังไงคุณยิงไล่มันเหรอเสียงพูดของหลอนระรัวละล่ำละลักอยู่เช่นนั้น ช้ยันกลืนน้ำลายอันแห้งผกดลงคอเป็นการยากหรือเกิดที่เขาจะอธิบายให้มาเรียเข้าใจได้ในปรากฏการณ์ที่ผ่านมาเมคุณคิดเว่าปืนของเราไม่ว่ากระบอกใดจะสังหารหรือไล่งูใหญ่ตัวนั้นได้ถ้าเราคนใดคนหนึ่งยิงออกไปเมื่อครู่นี้เราก็คงไม่รอดชีวิตแน่นอนแต่นี้เราไม่ได้ทำอะไรเขา และเขาก็ไม่ทำอะไรเราต่างคนต่างไปคุณทำยังไงมันถึงไปโดยไม่ทำอะไรเราก็มันยกหัวขึ้นแล้วโอ้พระเจ้าผมไม่ทําทำอะไรเลยนะเมยนอกจากจะนั่งดูอยู่เฉยๆแล้วก็ภาวนานึกบนบานสารกล่าวบอกเขาอยู่ในใจว่าเราไม่ได้มีเจตนาจะก้าวร้าวล่วงเกิน หรือคิดร้ายใดๆต่อเขาเลยเขาชูคอจ้องเราอยู่อีกใจก็ลดหัวลงแล้วก็เลื้อยไปช้าๆอย่างสงบที่สุดไม่น่าเชื่อเลยนะไม่น่าเชื่อเราควรจะต้องตายกันแล้วตายอย่างไม่มีโอกาสจะรอดได้แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวในสิ่งที่เราเผชิญพบเมื่อครู่นี้ปาฏิหาริย์อาจเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะเมย์ ถ้าเรายังไม่ถึงที่ตายถ้าคุณยังพอจะเชื่ออยู่บ้างว่าบาปบุญและสิ่งศักดิก์สิทธิ์ในโลกนี้มีจริงแล้วก็ขอบคุณต่อสิ่งเหล่านั้นเถอะที่ช่วยให้เรารอดตายมาได้จากเหตุการณ์เมื่อครู่นักผจญภัยสาวเลือดยุโรปยกมือขึ้นทำอาเมนหลับตาลงพร้อมกับถอนใจยาวเยื่อพิมพ์คำคำสวทออกมาเป็นภาษาละตินอยู่ในลาคอ ไม่เคยมีครั้งใดที่ชั ย, ยันจะเห็นเพื่อนสาวผู้กล้ า, ลาอยู่ในอาการหวาดกลัวขวัญหนีดีฝ่อเท่าครั้งนี้แ้วก็ยังดีอยู่ในข้อที่ว่าพอรู้ตัวขึ้นก็ยังพอจะควบคุมสติไว้ได้ไม่ถึงกับเพอ้อบ้าเสียจริตไปเพราะอำนาจการชกฉันฉันพูดอะไรไม่ถูกละมันหมายความว่ายังไงกันนี่อยู่ๆแผ่นดินที่เรานั่งกันอยู่ ก็เกิดเคลื่อนไหวถล่มทลายลงมาราวกับแผ่นดินไหวแล้วเราก็เห็นเจ้าตัวมหายักษ์นั่นชูคอขึ้นมาเกือบครึ่งลูกเขาเขาคงจะนอนจำศีนิ่งอยู่กระที่มา น, นานและละเมอมันคงจะนานกระทั่งใบไม้และเศษดินขึ้นไปทับถมอยู่นานจนกระทั่งกอไม้เล็กๆอาศัยงอกขึ้นได้จากผิวดินที่สุมอยู่บนลำตัวป่ามันทึบ สภาพทั่วทั่วไปก็กลมกลืนไปหมดเราเลยไม่รู้ก็เลยขึ้นไปก่อไฟอยู่บนหลังทีนี้พอไฟร้อนกินใบไม้ลงไปถึงผีเขาก็คงรู้สึกจ๊ ก, กจี้หรึกคันขึ้นมาก็เลยพลิกตัวตื่นแล้วก็ออกเรื้อยโอ้กอดอ้ยมันใหญ่สักขนาดไหนนะชยันเท่ากับตัวที่พวกคุณปราบด้วยระเบิดไนโตรที่ลมช้างอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไหม ใหญ่กว่ามากเมใหญ่ซะจนประมาณไม่ได้ไอ้เจ้ารถด่วนสองกระมวนที่เราปราบได้ที่ลมช้างอ่ะแล้วได้มาเห็นคราบของมันลอกทิ้งไว้ภายหลังซึ่งคุณก็ได้เห็นคราบนะ่ะเทียบแล้วมันอยู่ชั้นลูกหลานของเจ้าตัวนี้อ่ะผมคิดว่ามันเป็นอิทธิฤทธิ์ของเจ้าป่าที่สําแดงตนให้เราเห็นจะมากกว่า อ, อย่ามัวคิดอะไรอยู่เลยเขาไปแล้วไปอย่างดี และเราก็รอดปลอดภัยก็ควรจะพอใจแล้วสองคนรวบรวมสติกําลังอยู่พักหนึงพอสงบอารมณ์ตื่นเต้นเกียนบ้านั้นลงได้ก็ชวนกันค่อยๆ ย, ย่องกลับมายังโคนต้นจิกแห่งเดิมชายันคนลุกขึ้นอีกครั้งเมื่อพอบว่าไรเฟิลทั้งสองระบอกของเขาและมาเรียรวมทั้งสัมภาระเครื่องหลังที่ถอดออกกองไว้ตกอยู่ในบริเวณนั้น อย่างมองเห็นชัดโดยไม่จำเป็นจะต้องค้ น, คนหาให้เสียเวลาและก็ไม่มีอะไรชำรุดเสียหายเลยมันคงอยู่ให้เห็นแม้กระทั่งปลาลำทานที่มาเรียดเสียไม้เพียงแต่คลุกเปื่อนดินไปบ้างเท่านั้นแต่กองไฟที่ก่อไว้กระจัดกระจายหายไปหมดตำแหน่งที่มองครั้งแรกว่าเป็นพื้นดินโลกและขึ้นมาหยุดพักก่อไฟนั้นบัดนี้มันกลายเป็นคู หรือลำห้วยไปซะละลึกจากระดับขอบพื้นดินดิ่งลงไปถึงห้าเมตรเศษแล้วก็กว้างราวกลำคลองเป็นแนวยาวเหยียดสุดลูกตารวดดินทลายร่วนและพลิกขึ้นเหมือนมีอะไรมาไถคราบไว้ทั้งสองต้องใช้วิธีค่อยๆย่อนกายไต่ลงไปเก็บข้าวของสัมภาระที่หล่นอยู่เบื้องล่างแล้วไต่กลับขึ้นมาอีกครั้งคันแล้ว ขณะที่ตะ ก, กายปีนฝั่งกันขึ้นไปนั่นเองมารียผู้เนียวกายล่วงหน้าขึ้นไปก่อนก็ถลายลื่นเพราะความร่วนซุยของดินแดงปนกรวดขยุ่มมือคว้าพื้นเหนือศีรษะไว้คงจะเนียวติดกับแง่ดินหรือหินที่มีความมั่นคงยึดร่างให้ลอยโหนค้างอยู่เช่นนั้นเชยันตามขึ้นมาติดติดช่วยยันตะโพกหล่อนไว้แมม่สาวเอาเท้ากระแทกดินผนังตลิ่งเพื่อหาที่เหยียบยันตัว ให้มั่นคงขึ้นแล้วค่อยๆรั้งตัวขึ้นไปดินลงบริเวณที่หลอนเอามือเหนียวร่วงรูเหลือไว้แต่งแง่หินที่โผล่ออกมาพอหลอนโหนตัวขึ้นไปนั่งได้ถนัดก็เอามือตะกุยปัดดินร่วนๆที่ปกคลุมอยู่ออกด้วยอาการชงหนเล็กน้อยอใจเดียวก็ร้องแหลมออกมาว่าชยยันเร็วมาดูอะไรนี่ชายหนุ่มโหนกายตามตดขึ้นมาโดยเร็ว จนถึงที่ที่หลอนกําลังก้มพิจารณาหินก้อนนั้นอยู่ขณะนั้นมารีชักมีดโบวี้ออกคุยดินอย่างรีบร้อนจนกระทั่งหินก้อนนั้นสามารถมองเห็นถนัดขึ้นทั้งก้อนแล้วเอามือลูบคลำก้มกลงพิจาราด้วยตาอันเบิกกว้างพอดีช ย, ยันตามเข้ามาถึงอะไรเขาถามพร้อมกับจ้องตื่นตื่นดูให้ดีสิช ย, ยนันแปลกหรือเกิน ด้วยว่าฉันมองเห็นไปเองหล่อนพูดเร็วหรือภายหลังจากกอามือลูคบคลำขมวดคิ้วจ้องอยู่อึดใจชยันก็เงยขึ้นมองหน้าเพื่อนสาวต่างผิวเอลักษณะมันเหมือนศิลาแรลงสกัดเป็นก้อนได้ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรับพอดีเหมือนหินที่มนุษย์เอามาก่อสร้างอะไรไว้ในสมัยโบราณนั่นแหละกล่าวจบเขาก็ชักมีดของตนเองจากเอวออกมาบ้างอย่างรีบร้อน ขุดคุ้ยแหวกดินตรงบริเวณใกล้เคียงกับที่พบหินก้อนนั้นโผล่ขึ้นมามาเรียก็ขุดอีกด้านหนึ่งถัดไปช่วไม่ถึงอึดใจเท่านั้นต่างก็อุทานออกมาด้วยความแปลกใจเหลือที่จะกล่าวศิลาแรงสกัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแผ่นหนาประมาณหนึ่งฟุตกว้างยาวด้านเท่าสองฟุตถูกคนพบหมกฝังอยู่ในดินเป็นแนวติดต่อกันไปอีกสองสามก้อน เรียงประสานกับก้อนแรกที่มาเรียคนพบในลักษณะการก่อฝาผนังหรือมิฉะนั้นก็กำแพงกำแพงเมืองชายันร้องออกมาอย่างลืมตัวเมืองอะไรเมืองที่ไหนมาเรียพร่งขึ้นเหมือนจะร้องถามความเงียบสงับเปล่าเปลี่ยวของป่าดึกจําบันที่แวดล้อมอยู่แล้วก็เงียบงนันมองตากันเองนิ่งไปชั่วขณะ พยันปีนขึ้นถึงขอบฝั่งส่งมือมาฉุดมาเรียให้ขึ้นไปด้วยกันและนั่งพิจารณาดูก้อนศิลาแรงที่พบกันนั้นอย่างใคร่ควรวญอัศจรรย์ใจไปหมดลืมนึกถึงความหิวโหยในขณะนี้ลงชั่วคราวเรามาพบเข้ากับกำแพงเมืองโบราณอะไรเข้าซักเมืองหนึ่งแล้วหรอเมย์ในที่สุดเขาก็ทำลายภาวะอันเงียบงันตื่นตะลึงขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบากว่าตามองไปรอบด้าน ด้วยอาการพิเคราะห์ต้องเป็นกำแพงแน่ๆแล้วร่องลึกที่งูใหญ่มานอนฝังตัวนี่ก็จะต้องเป็นร่องคูเมืองเดิมนั่นเองมันถูกดินกรบอยู่จนสังเกตไม่เห็นบังเอิญ ง, งูนั้นเลื้อยเคลื่อนตัวพลิกดินขึ้นส่วนหนึ่งของกำแพงจริงโผล่ขึ้นมาให้เห็นผมจำนิฐานว่าที่เราพบนี่คงจะเป็นบริเวณส่วนบนของขอบกำแพงด้านล่าง จะต้องจมลึกลงไปในดินกล่าวพลางเขาก็ชี้มือไปตามแนวร่องที่เห็นเป็นคูกว้างใหญ่อันเกิดจากการเคลื่อนย้ายตัวของมนิงเจ้าบอกต่อไปว่ากําแพงจะต้องอยู่เหนือแนวคูนี่แหละนี่ถ้าเรามีเครื่องมือขุดลงไปก็คงจะเห็นตัวกําแพงโดยตลอดทีเดียวว่ามันกั้นไปทางด้านไหนบ้างมืออะไรตั้งแต่สมัยไหนกันนี่ ทำไมมันถึงมาจมอยู่กลางดวงอันนึกล้าอย่างนี้มาเรียพูดเกือบจะไม่มีเสียงเบิกตาโพรงจ้องหน้าชัยยันอยู่เช่นนั้นคันแล้วบัตรนั้นบางสิ่งบางอย่างก็ก่อแวบขึ้นในความคิดมันจับแขนเขาไว้บีบแน่นด้วยมือที่สั่นเทาชัยยันมันจะเป็นไปได้ไหมวันนี้คือขอบกําแพงของนครแห่งความหลับ รานครของนางพญาพันธุมวดีแล้วก็เจ้าปุโรหิตพ่อมดร้มันไรนั่นชัยยันลกมือลูบเส้นขนบนลำแขนที่ตั้งชันขึ้นด้วยความรู้สึกสะบัด ร, ร้อนสะบัดหนาวอันบอกไม่ถูกสิ่งที่เราคิดกันว่าเป็นเรื่องลื่ไหลลมลมแรงแรงมันเป็นความจริงขึ้นมาเสและละเมอ นี่เราน่าจะเข้ามาอยู่ในขอบเมืองนครแห่งความหลับตามที่แง่แงสายเคยบอกไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันประสานสอดคล้องกันได้หมดทําไมเราถึงมองไม่เห็นสิ่งที่ควรจะเหลือเป็นซากของตัวเมืองเลยละ่ะมันจะต้องถล่มจมลงไปใต้แผ่นดินและมีป่าใหญ่ขึ้นมาบดบังไว้จนหมดสิ้นแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็เห็นซากของกําแพงแล้ว เพียงแต่ไม่สามารถคันเนได้ว่ามันอายุอยู่ตั้งแต่สมัยไหนการล่มร้างจมดินไปอาจเกิดขึ้นเพราะแผ่นดินไหวหรือมิฉะนั้นก็ภูเขาไฟระเบิดหลายกลับหลายกันมาแล้วต้องเป็นคนครเก่าแก่ที่สุดและเคยมีความรุ่งเรืองมาก่อนบางทีอาจจะเป็นเมืองอย่างที่เทพนิยายเคยกล่าวไว้ก็ได้หลงว่าพบคูเมืองขอบแนวกำแพงแล้วเช่นนี้ ผมว่าตัวเมืองคงจะอยู่ในละแวกไม่เกินสิบกิโลเมตรนี่แหละมาเรียนนั่งลืมตาค้างจ้องไปในราวป่าอย่างปราศจากจุดหมายแล้วพูดออกมาเหมือนรำพึงเพ้อว่าฉันรู้สึกเหมือนกับว่าได้ยินเสียงฝีเทามาเสียงรถสึกและเสียงโหรงเสียงอาวุธกระทบกันเสียงลมพัดกิ่งไม้ไหวเหล่านั้น ก็ฟังเหมือนเสียงสนทนาปราัยพูดจาของชาวเมืองด้วยนะแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่มาเรีย ว, ว่าถ้ามกลางความเงียบสงัดของดงทึบนั้นส่วนประสาทของชายยันที่ลั่นอยู่กริง่งกริง่งอุปทานเหมือนจะแววส้ำสำเนียงของผู้คนมากมายสัญจรพูดจากันอยู่แท่แท้เหมือนตลาดนัดกลางเมือต่อมาก็เป็นเสียงคล้ายๆฉากสงคราม เสียงโหร้องบงการเสียงอาวุธที่กระทบกันอยู่ฉะฉานเสียงครวรครางแล้วอีกขณะจิตหนึง่งก็เป็นเสียงเพลงรักอันอ่อนหวานผสมผสานไปกับพินและเครื่องดนตรีดีดสิงเสียงสวดมนต์บำบวงเทพเจ้าสำเนียงประหลาดต่างๆเหล่านั้นแววมาสู่จิตสำนึกเหมือนแววมาจากเครื่องบันทึกเสียง ปราศจากจังหวะจกักคมันดังปนเปทรับสนไปหมดชยันสะบัดหน้าแรงๆพยายามจะปลุกประสาทเรียกสติของตนเองกลับคืนมานึกอาราธนาพระให้คุุมตัว แล้วก็บังเกิดความอบอุ่นขึ้นจิตใจแน่วแน่ปราศจากการวอกแวกหันไปเขย่าแขนเพื่อนสาวต่างผิวผู้นั่งพวังอยู่ให้รู้สึกสติขึ้นมาเมย์อย่ามัวแต่นั่งคิดฝันอะไรอยู่เลยมืดลงเต็มทีแล้วจัดการบรรจุกระเพาะแล้วหาที่นอนซะก่อนเถอะพรุ่งนี้คอยออกสำรวจจากข่าวเงื่อนที่พบนี่ถึงยังไงตอนนี้เราก็ทาอะไรไม่ได้แล้วละ่ะมาเรียนเหลียวไปรอบตัว แล้วมือทั้งสองเท้าคางอย่างหมดศรัทธาต่อชีวิตชยันฉันจนปัญญามึน ง, งงไปหมดแล้วนึกไม่ออกนะว่าเราจะขยับขยายไปที่ไหนให้มันปลอดภัยที่สุดอโทก็เลือกเอาแถวนี้แหละไม่ต้องไปไหนไกลอีกแล้วละ่ะก็ถ้าไอตัวมาคือมานั่นเลื้อยกลับมาอีกล่ะชยันยิ้มให้อย่างปลอบใจจับมืออันเย็นเฉียบของหล่อนบีบเบาๆไม่หรอกเมเขาจะไม่กลับไหมเราเห็นอีกแล้วละ่ะ ไม่ต้องวิตกกังวลถึงอะไรอีกทั้งสิน้นสำหรับคืนนี้ผมก็เชื่อว่าเราจะหลับกันได้อย่างสบายที่สุดทำไมเหรอทำไมคุณถึงดูเชื่อมั่นอย่างนั้นละ่ะชยันก็ผมมีสังหรนที่ดีไงรู้สึกว่าป่านี้จะเปิดให้สำหรับเราแล้วละ่ะตั้งแต่เราพบงูใหญ่ตัวนั้นมาเอ่อะทำใจเข้มแข็งหน่อยคุณไม่เคยอ่อนแอเหมือนครั้งนี้นี่นะพร้อมกับพูดกขประคองเพื่อนสาวร่วมตายให้ลุกขึ้นยืน และต่อจากนั้นไม่นานนักช ย, ยันก็เป็นคนเลือกได้โคนไม้ใหญ่ห่างจากบริเวณกำแพงเมืองประหลาดออกมาเล็กน้อยเป็นชยภูมิยึดนอนสำหรับคืนนี้จัดการหาฟืนขนมะกองสำรองไว้รายล้อมเพื่อจะหยิบให้ได้ตลอดทั้งคืนแล้วก่อไฟจัดการย่างปลาต่ออาการของมาเรียเสื่องซึมอ่อนระโหยผิดปกติกว่าทุกครั้ง ความมืดอันน่าสะพึงปลวกก็ย่างเข้ามาปกคลุมสนิทมีแต่แสงไฟที่ก่อไว้เป็นกองใหญ่ท่ามกลางความเย็นเยียบที่ปกคลุมไปทุกกิ่งไม้ใบพลึกหลังจากประทังชีพกันด้วยอาหารเท่าที่จะหาได้ต่างก็เอนหลังลงกับพื้นริมกองไฟพูดกันคำสองคาแม่มสาวก็นิ่งเงียบไปชายยันยังนอนลืมตาข้างมองดูใบไม้ที่เปรียบเหมือนหลังคาทึบ ปกคลุมดำมืดอยู่เบื้องบนปล่อยความคิดให้เลื่อนลอยไปตามลำพังเข้าใจว่าผู้นอนเคียงข้างอยู่ในขณะ น, นี้คงจะหลับไปแล้วด้วยความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียแต่แล้วก็รู้สึกผิดสังเกตยังไงชอบกนเสียงมารีถอนหายใจหนักๆอยู่เป็นระยะพริกตัวกระสับกระส่ายตลอดเวลาแล้วก็ปรากฏเสียงคลางลอดออกมาเบาๆก็ผุดลุกขึ้นโดยเร็วอย่างตกใจเขย่าตัวเรียก ก็เห็นหญิงสาวนอนคู่ตะแคงตัวงอกัดริมฝีปากแน่นเมเป็นไรไปอ่ะหล่อนไม่ตอบบิดตัวเบาๆมือทั้งสองกุมอยู่ที่หน้าท้องชัยันยิ่งตกใจเหลือที่จะกล่าวอดอประคองไว้แน่นเขย่าเรียกอยู่เช่นนั้นเอามือลูบคลำตามตัวและหน้าผากเข้าใจว่าหล่อนอาจจะจับไข้ขึ้นมาอย่างกระทันหันแต่ก็ไม่เห็นว่าอุณหภูมิในร่างกายจะเปลี่ยนแปลงผิดปกติมากนัก บางทีอาจเป็นเพราะอาหารเกิดเป็นพิษอันตรายขึ้นเกี่ยวกับปลาลำทานและเห็ดโคนเหล่านั้นแต่ทําไมเขาก็กินอย่างหล่อนจึงไม่รู้สึกมีพิษอะไรขึ้นมาเลยชัยันละล่ำละลักสอบถามอาการอยู่เช่นนั้นด้วยความว้าวุ่นตื่นตระหนกอย่างบอกไม่ถูกครู่หนึ่งต่อมาหล่อนจึงพยุงกายขึ้นนั่งมือทั้งสองอยังกลมอยู่ที่หน้าท้องอยู่เช่นนั้นหน้าซีดขาวชัยันประคองไว้มั่น ชัยันเสียงของหล่อนดังไม่เกินกระสิบกัดริมฝีปากกายสั่นเทิมฉันฉันเห็นจะทำความเดือดร้อนให้คุณจะแล้วละ่ะเป็นไรเมบอกเร็วสิชัยันสำลักออกมาเร็วปึงแทบจะลืมเรื่องอื่นใดหมดสิน่ในยามนี้ก็ก็โรคเก่าโรคประจำตัวดิสเมนอรีย นายทหารหนุ่มสะดุ้งโหยงตาเหลือกร้องอุทานลั่นอะไรออกมาคำานึง่งไฝ่โงทํายังไงดีอ่ะนี่ผมไม่ใช่หมอซะด้วยสิเขาเต็ ม, มไปด้วยอาการภาวะผวังทำหน้าเหมือนอยากจะร้องไห้ออกมาเวียนกรรมทัแล้วที่แม่จะประคุณทุนกระหม่อมเอ้ยประจําเดือนดันมาทละลักเอายามฉุกเฉินหน้าสิวหน้าขวานเห็นหน้ากันตามลาพังเพียงแค่สองคนน่ะ แล้วอาการของยอดหญิงก็เหมือนกับผู้หญิงสามัญธรรมดาคนอื่นเขาเท็่เมื่อไหร่เล่ารอบเดือนมาทีไรเป็นต้องปวดทุรนทุรายดิ้นพลาดหมดสติแทบล้มแทบตายอันเป็นโรคประจำตัวเคยเห็นรีบกันมาแล้วครั้งนั้นนะ่ะหมอดาลินร่วมอยู่ด้วยก็รับภา ร, ระไปโดยที่คนอื่นไม่ต้องกังวลแล้วนี่อาตมาเพียงคนเดียวจะทากันอีท่าไหนน้คิดและชยานอยากกลั้นใจตายซะรูแล้วรรอดแล้วก็นึกสาปแช่งตัวเอง บางทีอาจเป็นต้นเหตุเพราะเขาก็ได้ที่มีส่วนกระตุน้นเตือนให้ภาวะทางธรรมชาติร่างกายของมาเรียมาก่อนกำหนดใบหน้าอันงามนั้นนิ้วลงอย่างพยายามอดกลั้นต่อสู้กับความเจ็บปวดแล้วก็กัดฟันแนบฝืนยิ้มอย่างสีดเซียวเขารู้ดีว่าคนอย่างหล่อนไม่ใช่คนใจสาะ อ, อ่อนแอเลยความเจ็บปวดอันเป็นอาการโดยเฉพาะคงจะทรมานหล่อนอย่างขีดสุด เห็นสีหน้าและแววตาของเพื่อนสาวแล้วชัยยันพลอยรู้สึกเจ็บแทนไปด้วยไม่ไม่เป็นไรดอกชยันคุณไม่ต้องช่วยอะไรฉันหรอกหลนกัดฟันพูดออกมาอย่างยากเย็นก้มหน้าตัวงอลงและสะบัดผมเงยหน้าขึ้นสลับกันอยู่เช่นนั้นเออเพียงแต่รับรู้ไว้ล่วงหน้าเท่านั้นนะไม่ว่าฉันจะร้อง ดิ้นทุรนทุรายยังไงคุณไม่ต้องห่วงนะมันมันเป็นอย่างนี้เองฉันไม่ถึงกับตายหรอกพรุ่ง น, นี้ฉันจะเป็นปกติเอง ม, มันมันจะปวด น, นี้เป็นประจำทุกครั้งของการมาวันแี้คืนนี้ฉันจะช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยนะไม่ว่า เกิดอะไรขึ้นข้อนั้นไม่สำคัญดอกเมผมจะดูแลคุณเองเอว่าแต่บอกหน่อยสิน้อยนะ่ะเคยช่วยคุณยังไงมั่งเขาให้ยาประจำตัวฉันไว้แล้วละ่ะยันอยู่ในยามหลังนะ่ะแล้วก็มีแพทสองอันชุกขนยามหยิบไปชั้นเทีอยยาอยู่ในหลอดอลูมิเนียมสีขาว ชยันทลันพูดเข้าไปที่ย่ามหลังของหลอนหรือค้นโดยเร็วและหยิบสิ่งที่ต้องการทั้งสองชนิดขึ้นมาภายหลังจากเททุกสิ่งทุกอย่างออกมากองอย่างรนลานรีบร่งอาการของเขาองันงกไปหมดยื่นส่งยาให้พร้อมกับกระติกน้ำมาเรรับไปกินอย่างลำบากแล้วถอนใจเฮือกหลอนปวดจนน้ำตาคลอชายันมองดูด้วยความเวทนาโธทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้น ะ, ะนี่แพทย พอจะมีแรงเปลี่ยนเองได้ไหมหลอนพยักหน้าเอื้อมมืออันสั่นเทาไปรับผ้านามัยมาชั ย, ยันก็โผร่ออกมาว่านี่ถ้ายัางไงผมจัดการให้ก็ได้นะเมไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องหรอกขอบคุณมากสบไม้ฉันเดอะชา ย, ยันรู้สึกว่ามันจะออกมาเกินมากกว่าทุกครั้ง ชยันแยกเขี้ยวหดคอลงส่งของจำเป็นให้หลอนเสร็จก็หันหลังให้แล้วก็นึกอะไรขึ้นมาได้พยายามหาทางช่วยเหลือหล่อนตามมีตามเกิดโดดไปเลือกหาก้อนหินได้ลูกเคิงเคืองสันฐานกลมลักษณะเหมือนลูกเศร้าเขี่ยมาผิงย่างไฟพอได้ความร้อนพอประมาณก็เอาห่อกับผ้าเขามาประจำตัวทำเป็นลูกประครบเดินกลับมาที่หลอนขณะนั้นมาเรียจัดการกับตนเองเรียบร้อย กำลังนอนตะแคงตัวงอเป็นกุ้งอยู่เข้าก้อนหินประครบวางไว้ให้ที่ทอ้องอะนี่หนึ่งไว้มันอาจจะช่วยให้ทุเราปวดลงนะและถ้ามันคลายความร้อนก็บอกเดี๋ยวผมจะย่างให้ใหม่มาเรียกอดก้อนเร้าไว้แนบตัวเปิดเปลือกตาอันรีโรยขึ้นมองดูเขาใชัยยันืึคุณคุณดีกับฉันเหลือเกิน โธ่พูดบ้าๆก็เห็นหน้ากันอยู่สองคนนั้นน่ะไม่ดีกับคุณแล้วจะไปดีกับลิงกับข้างที่ไหนเล่าเออว่าแต่เป็นไงมางอะตอนนี้ดีขึ้นแล้วะใจช่วยอะไรอีกไหมค s s มีตาต่อตาประสานกันนิ่งแวาตาสีเขียวผักตบคู่นั้นบัดนี้มันอ่อนซึมเหมือนตาของลูกแมว ชัยันรูปด้วยมืออันแผว ล, ละมุนลงที่ศีรษะอันยุ่งเหยิงละเอียดนิ่มราวกะไหมสีทองบนศีรษะนั้นแล้วจูบเบาๆที่พวงแก้มนอนจะเมเขากระซิบถ้าหลับมันจะหายปวดเองเปลือกตาคู่นั้นยังเปิดลืมแป๊วดูเข้าอยู่เช่นนั้นชัยันยิ้มให้เอานิ้วเขี่ยขนตางอนยาวเล่นเบาๆ มันดูเหมือนจะเป็นความเอ็นดูครั้งแรกที่มีให้แก่แม่สาวผมทองผู้กล้ากระด้างราวกับผู้ชายคนนี้มาเรียจับมือเขาไว้เอาไปแนบไว้กระแก้มฉันจะพยายามบวดให้น้อยที่สุดเพื่อให้คุณสบายใจปพรฉันไวตามลำพังจะยัน ค, คุณก็เหมือนกันนอนพักแต่แต่หัวไวหน่อยนะไม่ไม่ใช่เพื่อฉันหรอกแต่เพื่อชีวิตของตัวคุณเองเป็นอันดับแรกแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงฉันนะช่วยตัวเองก่อนนะแม่คุณแล้วก็ สั่งเสียผมอยาก็เป็นแม่ผมงานแหละถ้าฉันมีลูกชายสักคนอย่างคุณฉันจะภูมิใจที่สุดแล้วหล่อนก็หลับตาลง พ, พึมพำอะไรออกมาเป็นภาษาเยอรมันสองสามคำจากนั้นก็สงบนิ่งไปชยันนั่งกอดเขา่า เฝ้ามองหลอนเงียบเงียบอยู่เช่นนั้นพักใหญ่ก็เอยนตัวลงนอนข้างๆ้างเป็นครั้งแรกในชีวิตที่นักผจญภัยเลือดข้นผู้ท้าทายมรตยูอยู่ตลอดเวลาเช่นเขานึกอาราธนาคุณพระให้คุ้มครองป้องภยัยและบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอความพิทักรักษาชีวิตของตนเองและเพื่อนผู้ร่วมสถานการณ์จากพยันตรายทั้งปวงไว้อยู่รอด จนกว่าตะวันจะขึ้นพรุ่งนี้มิชามินานเขาก็หลับไปอย่างสงบดารินวราริตสะดุ้งลืมตาขึ้นผู้ที่เขย่าปลุกเบาๆอยู่ในขณะนี้คือพรานใหญ่ระพินขณะนั้นแดดสีเหลืองกล้าสาจับสว่างสวัยอยู่บนยอดไม้สูงดงทึบทมินที่แลเห็นเป็นเพียงเงาคลุมเครือน่ากลัวอยู่เมื่อราตรีที่ผ่านมาก็าพอจะแลเห็นได้ชัดเจน ในระยะที่ไม่ห่างออกไปนะเวลามันสายถึงส1บอดนาฬิกาแล้วจำได้ว่าราตรีวิกฤตที่ผ่านมาระพินไพรวันศพหลับไปก่อนหล่อนซะด้วยซ้ำแต่บัดนี้เขากลับเป็นฝ่ายปลุกหล่อนขึ้นมาพบกับความประหลาดใจในข้อที่ว่าตนเองได้เผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อใดไม่ทราบได้และก็ต้องหลับไปนานถึงห้าหกชั่วโมงทีเดียวทั้งทั้งที่กอดปืนคอยระวังตัวแจ มันจับแขนเขาพงกกายขึ้นนั่งโดยเร็วขยี้ตาแล้วเหลียวอย่างรวดเร็วไปรอบๆทุกสิ่งทุกอย่างแวดล้อมรอบกายเป็นภูมิประเทศแหล่งเดิมบนลานหินผาเหนือแหล่งน้ำกระโจนที่ยังคำรามอยู่คลื่นโครบกองไฟที่ก่อไว้เมื่อคืนตรงหน้ามอดสนิทเหลือแต่ขี้เถ้าขาวโพลนและเศษดุ้นฟืนสั้นๆที่ไฟกินไว ลอนไม่ได้ฝันหรือว่าไปสู่พบอื่นใดทั้งสิ้นแงนดูลำแสงตะวันบนยอดไม้เหนือเชิงเขาแล้วหันกลับมาจ้องหน้าดำเกรียมที่กำลังมองอยู่ก่อนแล้วนี่เรายังไม่ตายหรอรพินเสียงที่หลุดออกมาประโยคแรกแหบแห้งก็เห็นใบหน้าที่รกไปด้วยคราวแกร่งกล้า น, นั้นยิน้มยังครับคุณหญิง นี่ฉันไม่รู้ตัวเลยนะว่าเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วนี่คุณตื่นนานแล้วเหรอเราครึ่งชั่วโมงครับดารินสะบัดหน้าแรงๆไล่ความมึนงงแล้วยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูนี่แปลว่าเราสองคนหลับกันเป็นตายจนกระทั่งสายถึงป่านนี้ทีเดียวเหรอครับเป็นการหลับอย่างชนิดที่ไม่น่าจะตื่นขึ้นมาพบตัวเองได้อีกแล้วล่ะเทวดาประจาตัวของเรายังแข็งดีอยู่ที่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลย ในระหว่างที่เราเผลอหลับอย่างสลบทื่ือยไปไม่น้อยกว่าสี่ห้าชั่วโมงถ้าคุณตื่นก่อนหน้าฉันตั้งนานน่ะทํำไมถึงเพิ่งมาปลูกเอาเดี๋ยวนี้ล่ะหล่อนถามพร้อมกันยนกายขึ้นยืนอย่างว่องไวปราดเปรียวพยายามเรียกร้องกําลังให้กลับคืนมาการได้พักผ่อนอย่างพอสมควรทําให้สดชื่นกระปรีก้กระเป่าขึ้นก็ผมเห็นว่าคุณหญิงกรากรามอ่อนเพลียมากน่ะเลยยังไม่อยากปลูก แล้วเมื่อคืนนี้ผมก็ได้เปรียบคือหลักไปก่อนหน้าคุณหญิงแล้วอย่างนึงเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องรีบร้อนนี่ครับคุณสำรวจป่าบริเวณนี้หรือยังล่ะหญิงสาวถามโดยเร็วความทรงจําของเหตุร้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาผุดกระจางชัดไม่มีตอนไหนเลอะเลือนไปเลยตรวจแล้หลับแต่ยังไม่ละเอียดนะักเพราะไม่กล้าทิ้งคุณหญิงไปไกลในระหว่างนอนหลับอยู่ เขาบอกแล้วบุยปากไปยังป่ารกหลังโขดหินด้านซ้ายที่เราคาดกันไว้เมื่อคือนนะ่ะไม่ผิดไปเลยละครับไอเสือโครงดำตัวนั้นนะ่ะมันคาบซากของมันได้พานหนีไปภายหลังจากที่มันลุกขึ้นเดินหนีลับตาเราเพียงเล็กน้อยโดยมีป่านั่นมันบังไว้มันใช้ร่างของเสือเป็นพานะนำร่างคนของมันหนีเพราะไปได้สะดวกแล้วก็เร็วกว่าครับ กลางวันที่มีแสงอบอุ่นของดวงอาทิตย์สว่างจ้าสามารถมองเห็นอะไรรอบด้านได้อย่างกระจ่างตาเช่นนี้ความสยองกลัวพ่านรึงทั้งมวลที่คุกคามบีบประสาทยอยู่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็แทบจะสลายไปหมดสิน้นประกอบกับที่ได้พักผ่อนนอนหลับเต็มอิ่มช่วยร่างกายสดชื่นแข็งแรงขึ้นดารินวราริศก็มีความรู้สึกบอกตอนเองว่าหลนพร้อมอีกครั้ง ที่จะต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างโชคดีเหลือเกินนะริพินที่มันไม่หวนกลับมาอีกขณะที่เรานอนสลบสลไหลกันอยู่ร่อนพูดขึ้นเบาๆเหยียดแขนขาสะบัดออกไปโดยแรงอย่างเมื่อยขบและเป็นการปลุกประสาทอุ่นเครื่องพลางเดินไปเก็บข้าวของสัมภาระบรรจุลงในย่ามหลังอย่างรวดเร็วสิ่งของที่แปกเปียกหน้าเมื่อคืนบัดนี้แห้งสนิทดีแล้ว ตอนที่เราหลับมันเป็นเวลาใกล้สว่างเต็มทีแล้วมันก็เลยไม่กล้าย้อนมาอีกตอนนี้รู้สึกเป็นไงบ้างนะครับคุณหญิงดารินสะบัดผมสูดลมหายใจลึกตาเป็นประกายใสยขึ้นฉันแข็งแรงดีแล้วละ่ะนะคุณอะแทนคำตอบใดๆเขาคว้าย่ามหลังของตนเองขึ้นเวียงว้บนไหล่และโยนท็อปของหล่อนไปให้ดารินจัดการสวมอย่างรวดเร็ว ไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นทั้งสองก็ไต่ก้อนหินลงมายังริมธารฝั่งน้ําตกหญิงสาววางปืนและเป้ประจำตัวลงอีกครั้งสุดตัวลงวักน้ำล้างหน้าและดื่มดอกนิ้วสีแดงสดที่ร่วงหล่นจากต้นลอยผ่านไปตามสายธารอันเยือกเย็นใสสะอาดเบื้องหน้าและพินเอื้อมมือไปคว้าขึ้นมาดอกหนึ่งพอสบตากันก็ยื่นส่งให้ ของกำนันในยามยากที่ให้กันด้วยหัวใจชนิดนั้นเรียกรอยยิ้มสดชื่นขึ้นบนใบหน้าของราชสกุลสาวหล่อนไม่เอื้อมมือไปรับและไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่หันตะแคงใบหน้าซีกหนึ่งให้รละพิลังเลอยู่อึดใจก็บรรจงทัดดอกนิ้วดอกนั้นให้ที่เรือนผมเหนือซอกหูดาริงชะโงกลงไปดูเงาของตนเองในแอ่งเล็กๆตรงหน้า และชำเลืองผ่านใบหน้าเขาแวบหนึ่งจากนั้นก็เบนไปทางอื่นขอบใจนะไพรวันเป็นหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิน่ะดีแล้วครับอย่าเป็นมาเรียฮอบมันเลยคุณหญิงไม่เคยเรียกผมอย่างนี้นี่ก็ะจะเรียกมั่งไม่ได้เหรอแล้วรอยยิ้มอันแจ่มใสนั้นก็ค่อยๆจางลงเสียงต่อมากลายเป็นกระซิบ ฉันกำลังคิดถึงเมย์แล้วก็คิดถึงทุกคนว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นงมเข็มในมหาสมุทรหรืรอห า, มาเมล็ดงาเล็กๆในป่าใหญ่ต่อไปแต่สำหรับเดี๋ยวนี้จอมพรานเว้นระยะพูดเพียงแค่นั้นพยักหน้าเป็นความหมายกะล่อนและออกเดินนำเลาะลัดก้อนหินริมทานน้ำลงไปทางด้านใต้พอถึงแก่งหินอีกก้อนหนึ่งไม่ห่างออกไปเท่าใดนัก ดารินก็อุทานออกมาคำหนึ่งอย่างงงงงรักคนยินดีแก่งหนุ่มเขางามตัวหนึ่งนอนตะแคงคาอยู่บนแก่งหินก้อนนั้นเมื่อเข้าไปสารวจก็พบว่าตัวมันยังอุ่นๆอยู่ที่หน้าผากระหว่างดวงตาทั้งสองมีรอยลูกปืนรูเล็กนิดเดียวเจาะทะลุกออกลำคอด้านล่างนี่คุณยิงไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ระพินหล่อนเงยขึ้นถามตื่นตื่น ก็ก่อนหน้าไปปลุกคุณหญิงสักอึดใจนึงอะ่ะผมนั่งอยู่บนก้อนหินสูงลูกโน้นอ่ะมันเดินลงมากินน้ำพอดีความจริงมันก็เห็นผมนะแต่ไม่ยักตื่นหนีปรับยืนแหนมองเหมือนจะเห็นผมเป็นลิงข้างหรือสัตว์ป่าประเภทเดียวกับมันป้านี้จะต้องไม่มีมนุษย์เหยียบย่างเข้ามาก่อนเลยสัตว์ไม่รู้จักปืนเป็นตาเวอร์จินจริงๆผมเกือบจะยิงมันไม่ลงเชถ้าไม่คิดสักอย่างเดียวว่า ชีวิตของเราสำคัญกว่าที่จะมัวคำนึงถึงอะไรอยู่แล้วทำไมฉันไม่ได้ยินเสียงปืนเลยล่ะแล้วคุณเอาปืนอะไรยิงแผลถึงเล็กนิดเดียวแบบเนี้ยกพินหัวเราะเบาๆไม่ตอบเช่นไรแต่เอื้อมมือไปทางเข็มขัดด้านหลังของตนเองดึงปืนสั้นจุดสองสองแมกนัมซึ่งแท้จริงก็เป็นปืนของหล่อนเองออกมาชูให้ดูปืนกระบอกนี้ตามปกติแล้ว มันจะติดประจําอยู่ในย่ามหลังส่วนตัวของหล่อนตลอดเวลาพอมองเห็นข้าวหญิงสาวก็ลืมตาโพลงอย่างเพื่อง น, นึกได้ร้องออกมาว่าแหมดีจริงในที่สุดมันก็เป็นปืนประทังชีพช่วยหาอาหารให้เราจนได้ไม่เสียแรงเลยนะที่ฉันหอบหิว้วติดตัวมาด้วยยังสงสัยอยู่เลยนะว่าถ้าคุณยิงด้วยไรฟ้นของฉันหรือของคุณหรือต่อให้ปืนสั้นจุดสามห้าเจ็ด หรือสี่เจ็ดแมกนัมแผลมันคงไม่เล็กอย่างนี้แล้วก็หัวเราะออกมาก้มลงพิจารณาดูบาดแผลพลางเหลียวขึ้นไปดูโขดหินสูงที่เขาชี้บอกอันเป็นระยะยิงอีกครั้งบอกต่อมาว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะ น, นายพรานคุณไม่เคยพลาดเลยในด้านยิงสัตว์แล้วก็ยิงอย่างรบพินไพยวันตามเคย หมาความว่าไงครับยิงอย่างระพินไพรวันที่ว่านี่เอา้าวก็เป้าตายเชียบขาดซึ่งเล็กนิดเดียวนะ่ะสิกลางแสกหน้ามีพรานสักกี่คนที่จะยิงได้อย่างเงี้ยหลนกล่าวออกมาจากใจจริงสายตาที่ทอดจับมายังเขาเป็นประกายชื่นชมและเชื่อมั่นวางใจเต็มเปี่ยมแต่อีกฝ่ายหนึง่งกลับสั่นศีสะชะชะชะับช้าๆบอกมาหน้าตาเฉยว่ะผมก็ เลงซอกขาหน้าแล้วความจริงก็คือกระสุนนัดนี้น่ะผิดไปแล้วร้อยเปอร์เซนตเต็มมันก็โชคของผมแหละที่จะได้อาหารทหารทําให้มันหมุนตัวแหวงกลับในทันทีที่ผมลั่นไกกระสุนมันก็เลยไปถูกหน้าผาเข้าอย่างมาหาฟลุกที่สุดเลงกลางตัวดันไพล่ไปถูกหัวได้ยังไงก็ไม่รู้เจ้าป่าประธานล่าให้เราเสีอมากกว่าแล้วนี่ คนฟังรู้ตัวดีว่าถูกยาวเล่นแล้วก็ไม่ได้ติดใจจะต่อ้อต่อเถียงอะไรอีกนอกจากพยักหน้าเป็นเชิงรับทราบและอีกชั่วไม่นานทั้งสองคนก็ได้อาหารบรรจุกระเพาะและมีสเสบียงอีกส่วนหนึ่งเท่าที่จะนำติดตัวไปได้สำหรับมือข้างหน้านี่จะเริ่มต้นกันยังไงดารินเอ่ยถามขึ้นเมื่อพร้อมจากเคลื่อนที่ ท่านใหญ่สังเกตท้องฟ้าเพื่อหาทิศเหมือนจะใจแน่ใจอีกครั้งแล้วก็พินิษเข้าฌานกราดมองไปยังป่าใหญ่ตลอดจนขุนเขาทํามุนของดงดึกดำบรนที่แวดล้อมอยู่ก่อนพลัดกับพวกเราครั้งสุดท้ายระมู่ตะวันออกเฉียงเหนือมาตลอดเขาพูดต่ำๆเบาๆริมฝีปากเม้มสนิทแล้วเราก็พลัดตกลงต่า ในสภาพเหมือนหล่นลงไปบนลูกคางที่หมุนวนจนกำหนดทิศอะไรไม่ได้เลยว่าเราออกนอกเส้นทางใดมาแล้วเท่าไหร่นี่เห็นจะต้องเดากันอย่างเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมใช่แล้วลสิเดินสวนกลับด้านตรงข้ามตะวันตกเฉีงยงใต้เอาไว้ดารินควักเอาเข็มทิศระจำตัวขึ้นมาเปิดดูอย่างมืดมนการรู้ทิศในขณะ น, นี้มันไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้เลย ในเมื่อไม่มีเครื่องหมายอะไรเป็นที่สังเกตเปรียบเทียบได้กับภูมิประเทศเดิมก่อนการพัดพรากกับพวกพ้องเรากระถูกเวียงไปสุดขอบฟ้าถ้าเดินสวนก็จะแปลว่าเราห่างจุดเกิดเหตุออกไปเป็นตรงข้ามยกเว้นแต่เราจะแน่ใจว่าเราได้ล้ำหน้าไปในทิศทางเดิมในขณะที่พลัดปล่องหิวลงมา แต่ผมคิดว่าขณะที่เราตกปล่องและกระแสน้ำพัดมันเป็นการพัดอย่างหมุนวนรัศมีไม่ควรเกินห้าสิบกิโลจากจุดเริ่มต้นระมุ่งตะวันออกเฉียงเหนือตามเดิมดีกว่าครับมันน่าจะช่วยเราถึงที่เกิดเหตุได้มากกว่ามุ่งไปทิศอื่นนะอะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณคนเดียวจอมพรานคำเรียกที่แปลกหูเพิ่งจะได้ยินเป็นครั้งแรกทาให้รพินไพรวันเลิกคิ้วหันไปจ้องหน้า ก็เห็นรอยยิ้มน้อยๆปรากฏอยู่บนริมฝีปากคู่นั้นเขาก็กรบศรีษะให้อย่างงดงามตอบว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติยิ่งครับที่พระพินไพรวันได้รับสัญญานี้ก็ต่อเมื่อได้นำคณะทั้งหมดมาพบกับความวิบัติพลัดพรากไปคนละทางสองทางเช่นนี้และก็คงได้รับสัญญาที่หรูรายิ่งใหญ่กว่านี้อีกเมื่อตัวเองหลงป่าตาย คนอย่างคุณนะไม่มีวันตายเพราะหลงป่าหรือเขี้ยวเล็บงาสัตว์หรอกเสียงของหล่อนหยุดชงงะงักไปอย่างกระทันหันเบิกตากว้างจ้องขะเขม็งไปทางเบื้องหลังของเขาพร้อมกับขยับไรเฟิลปลดเซฟพ่านใหญ่หันขวับตามการมองของหล่อนไปในทันทีนั้นทิศทางที่ดาริงจ้องเป็นลำห้วยแห้งตลิงลึกชันซึ่งทอดเข้าไปในป่ารกเบื้องบนทั้งสองฝั่ง ระยะห่างจากที่ทั้งสองยืนอยู่ลงไปประมาณสามสิบเก้าขามองไม่เห็นอะไรนอกจากเงาตะคุ่มคลุมเครือของกิ่งใบไม้และเถาวันมีแสงตะวันสองลอดใบไม้เบื้องบนลงมาเป็นจุดเรืองรองอยู่ทั่วไปอะไรครับคล้ายๆคนหนลบแวบเข้าไปที่รากไม้ในห้วยน่ะระพินเพ่งตามไม่กระพริบแล้วก็สังเกตเห็นรากไม้กิ่งหนึง่ง ที่โผล่ล้ำออกปากแกงไหวอยู่เบาๆเหมือนมีอะไรมากระทบไว้เขาสุดกายลงนั่งในทันทีนั้นดาริญย่อกายลงด้วยแต่ประทับปืนขึ้นไหลจ่องหมายไปที่บริเวณรากไม้กลุมใหญ่ที่ชอนดินฝั่งลำห้วยออกมาจอมพรานกดปากระบอกปืนของหล่อนไว้จะจิงนะครับจนกว่าจะรู้แน่ว่าเป้าหมายคืออะไรเขากระสิบ ใจใหญ่ของการสงบนิ่งเป็นดุษณีโดยไม่มีสิ่งใดกระโตกกระตากขึ้นทั้งสิน้นจอมพรานลุกขึ้นเดินย่องเข้าไปยังเต้าไมา้ซึ่งเห็นรากไม้ไหวอยู่เมื่อครู่นี้อย่างระมัดระวังหญิงสาวติดหลังมาทุกระยะพอถึงตำแหน่งรากไม้ก้นห้วยนั้นระพินก็ลืมตากว้างเหลียวไปรอบๆ อ, อย่างรีบร้อนรวดเร็วที่สุดและสุดตัวลงนั่งกับพื้น อันเป็นใบไม้เน่าหมักหมมที่ทับถมอยู่หนาพื้นสวกและชื้นแฉะมีกลิ่นอับรอยตีนคู่หนึ่งปรากฏย่ำเกลื่อนอยู่ที่นั่นและมันเป็นรอยตีนมนุษย์ระหว่างที่ดารินตามเข้ามาถึง และก้มลงพิจารณาอย่างตื่นตะลึงจอมพรานก็แหนมองขึ้นไปยังฝั่งตะลิงซึ่งมีรอยปีนไปขึ้นไปทางฝั่งขวามือรอรอยจากการเหยียบใบไม้และถลายครูดไว้กับฝั่งตะลิงแม้จะชัดเจนบอกให้ทราบถึงการเพิ่งพระไปของสัตว์โลกสองเท้าตนหนึ่งก็จริงแต่มันก็ไม่เป็นรอยพิมพ์ที่แน่ชัดพอที่จะสังเกตห ร, รือ ก, กําหนดสิ่งใดได้ได โดยไม่พูดคำใดทั้งสิ้นพรานใหญ่โหนรากไม้ตามรอยนั้นขึ้นไปโดยเร็วและดารินก็ตะ ก, กายขึ้นไปอีกทางหนึ่งเพียงชั่วไม่กี่อึดใจทั้งสองก็ตายขึ้นมาถึงฝั่งอันเป็นบริเวณโคกสูงเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ปกคลุมพื้นมืดสลัวแสงตะวันแทบจะสองลอดลงมาไม่ถึงแซ่แซดไปด้วยเสียงจักรจันทร์เรไร ก่อนที่ต่างจะทรงกายแหวกกิ่งเถาวันขึ้นมายืนได้ถนัดนั่นเองก็แลเห็นร่างหนึ่งเดินดุมดุมหันหลังให้ไปตามทางด่านเล็กๆที่ทอดต่ำลงไปสู่มาบลูกหนึ่งห่างเพียงไม่เกินห้าสิบเมตรแงะายนั่นคือแงะายนี่ดารินร้องตะโกนกล้องไปทั้งพรายทึบอย่างตื่นเต้นระคนยินดีขีดสุดแล้วขยับจะออกแล่นกวดตามไป นรพินคว้าแขนกระชากไว้จ้องด้านหลังของร่างที่เดินอย่างเบากริบราวกะเงาของผู้ผีปีศาจโดยไม่แสดงท่าว่าจะหันกลับมาสนใจหรือได้ยินเสียงตะโกนนั้นตาไม่กระพริบไม่ต้องรีบร้อนครับถึงจะปลัวตามมันยังไงก็ไม่มีวันทันได้ยกเว้นแต่จะจับไว้ด้วยลูกปืนเท่านั้นแหละครับอย่านรพินอย่ายิงไปนันขดัดร้อร้องเร็วปรือและล่ําละลักแล้วแผ่เสียงตะโกนเรียกนามแง้ายกึกกล้องออกไปอีก สะบัดมือเขาเต็มแรงพยายามจะวิ่งตามไปให้ได้แรงใหญ่รั้งตัวไว้อีกครั้งคราวนี้บีบแน่นยึดให้ยืนนิ่งอยู่กับที่ใจเย็นๆวะครับคุณหญิงคุณหญิงรีบตามในขณะนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิน้นมันจะไม่ยอมให้เราเข้าถึงตัวได้เลยละ่ะคุณหญิงไม่เข้าใจเหรอครับนั่นน่ะเป็นลักษณะที่มันเจตนาจะล่อให้เราตามและเราก็จะตามมันไปทุกระยะแต่ไม่จาเป็นที่จะต้องปวดให้ถึงตัวหรอกครับ นักผจนภัยสาวเลือดราชสกุลเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ตามคำพูดของเขาหล่อนจ้องด้านหลังของร่างนั้นขมิงด้วยประกายตาอันลุกวาวพึมพำออกมาเงาายยังอยู่เขาปรากฏตัวให้เราเห็นอีกอมันหมายความว่ายังไงกันนี่มันก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีท่ามกลางความมืดมนรอบด้านที่แวดล้อมเราอยู่ขณะนี้แะครับผมไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้พบเห็นเงาายอีก โผลมาในลักษณะเดิมคือล่อให้ตามแล้วคุณคิดยังไงไม่มีทางเลือกอย่างอื่นครับนอกจากตามไปถึงที่สุดกล่าวจบเขาก็พยักหน้าร่างแขนหล่อนให้ออกสาวรอยตามไปเบื้องหลังร่างที่เห็นเดินดุมดุมนำอยู่เบื้องหน้านั้นไปด้วยอัตราฝีเท้าปกติไม่เร่งร้อนอะไรนักกระชับไรเฟินไว้ในมืออย่างเตรียมพร้อมทุกขณะจิตโดยบุกตัดปารกเข้าหาทางด่าน แล้วส่ ง, งหญิงสาวให้เดินอยู่เบื้องหน้าตนเองร่างท้ายคอยระแวดระวังด้านหลังไว้พลังเจ้าคนใช้ชาวดงอันเป็นตัวการต้นเหตุและมือพฤติาการที่ลึกลับที่สุดคงเดินนำเป็นมักคุเทศประหลาดอยู่เช่นนั้นโดยไม่ได้เหลียวกลับมามองหรือหยุดยัง้งแสดงอาการใดๆทั้งสิ้นมันเดินเดินแล้วก็เดินเรากะจะมุ่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ใดซักแห่งหนึง่ง บางขาะก็รับหายไปในหมู่ไม้ทึบหรือโค้งเนินบางตาและในระหว่างทางที่แกะรอยสะกดหลังไปทุกระยะก็จะเห็นมันโผล่ขึ้นมาปรากฏกับสายตาอีกสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือไม่ว่าทั้งรพินและดารินจะเร่งฝีเทา้าหรือผ่อนทวงให้ชาลงอย่างไรระยะที่ทอดห่างกันก็คง ร, ระดับอยู่เช่นเดิมคือห่างประมาณ50เมตร จากลักษณะที่สังเกตเห็นดูมันยังคล่องแคล่วกำยำแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมเรากับจะเป็นภาพมายาของพูดผีปีศาจหรือมิฉนั้นก็ตุกตาหยต์หลายต่อหลายครั้งดารินร้องตะโกนเรียกจนเสียงแหบเสียงแห้งแต่อดีตองครักษ์ประจําตัวของหล่อนจะแสดงว่าได้ยินก็หาไม่หรือมิฉะนั้นก็ไม่สนใจลักษณะเช่นนี้ระพิน์ไพรวันเคยเห็นและเคยติดตามมาก่อนแล้ว มันเดินล่อนำอยู่เบื้องหน้าเห็นไม่ห่างออกไปนักนี่เองแต่เขาก็ไม่เคยตามเข้าไปถึงตัวได้เลยสักครั้งและมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อกระชั้นชิดจวนตัวเข้าจริงๆมันก็ดักทำร้ายสกัดกั้นเขาไว้ซะไม่ให้ตามใกล้ชิดอีกต่อไปประดิ๋วขึ้นมอประดิ๋วลงมากประดิ๋วก็แทรกหายเข้าไปในเส้นทางเล็กกอันเป็นทางอพยพของสัตว์และปะเดิ๋วก็ออกสู่ด่านใหญ่ การเดินนําจากฝ่ายหนึ่งและการติดตามมาทางเบื้องหลังของอีกฝ่ายหนึ่งคงดําเนินอยู่เช่นนั้นแล้วเวลาก็ผ่านเลยไปเป็นลําดับจากนาทีเริ่มกลายเป็นชั่วโมงนี่คุณไม่คิดจะไล่เขาให้ทันหรอกเหรอมันน่าจะโกรธกันทันนะเว้นระยะห่างมองเห็นหลังกันอยู่แค่นี้ดารินถามขึ้นหอบหอบเหงื่อโชกเต็มใบหน้าผมเคยลองดูแล้วไม่ได้ผลหรอก เราเดินช้ามันก็ช้าเราเร็วมันก็เร็วและถ้าเราวิ่งมันก็วิ่งและนั่นไม่ใช่พลัง ก, กาลังของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาอย่างเรานะครับแต่เป็นพลังงานของสิ่งลึกลับชนิดหนึ่งที่สิงสู่อยู่ในตัวมันอีกอย่างหนึง่งลําพังผมคนเดียวนะผมก็คิดว่าพอจะไล่กวดมันทันหรอกแต่คุณหญิงตามไม่ทันแน่เราเดินตามมันไปเรื่อยๆดีกว่าครับดูสิว่ามันจะนําเราไปไหน ครั้งนี้มันโผล่มันนาเราโดยเปิดเผยทีเดียวเฉลีคุณคิดประแผนที่ของเราจะติดอยู่ในตัวเขาขนาดนี้ไหมทันทีนั้นหล่อนก็ถามขึ้นผมก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันครับจนกว่าเราจะถึงตัวมันและคนดูแต่อยากจะเชื่อนะครับว่าเมื่อมันขโมยเรามามันก็น่าจะติดอยู่กับตัวนั่นแหละยิ่งขูให้หยุดดีไหมหล่อนหยุดพิงก้อนหิน ขยับไรเฟิ่นขึ้นแต่ละพินสั่นศีสระไม่มีประโยชน์ครับคุณหญิงเสียลูกปืนเปล่าคุณหญิงก็เคยเห็นแล้วนี่ว่าตอนที่เราตามมันในครั้งแรกผมเคยใช้ลูกปืนยิงสกัดดักหน้าไว้แต่มันก็ยังเดินเฉยเป็นทองไม่รู้ร้อนยกเว้นแต่ว่าเราจะตัดสินใจฆ่าหรือทำให้มันพิการลงอลองดูไหมครับยิงขามันในคว่ำลงแล้วเราจะจับตัวมันไว้ได้ ดารินแ ม, ม่ริมฝีปากแน่นประทับบินขึ้นไหลแตะศูนย์จับอยู่ที่ศีรษะอันตั้งตรงเดินโยกกายไปเบื้องหน้าเป็นปกตินั้นต่อมาก็ลดลงมาที่กลางแผ่นหลังแล้วก็เล็งต่ำมาที่บริเวณขามือของหล่อนจับอึดใจต่อมานั้นเองหล่อนก็ลดปืนลงเป็นตายได้ดียังไงฉันก็ฆ่าหรือทาให้เขาพิการไม่ได้หรอกระพินนั่นน่ะมันคนชัดช แล้วก็เป็นคนชั้นดีของชั้นซะด้วยเขาเคยเป็นคนใช้ที่ดีที่สุดนะมันคนเดียวแท้ๆใช่นะครับคุณหญิงที่ทำให้คณะของเรานะวอดวายหายยนะกันลงไปหมดมันคือตัวต้นเหตุทำให้เราต้องลำบากกันอยู่ในขณะนี้ถึงอย่างนั้นก็เธอมันยังไม่มีเหตุผลพอที่จะลงความเห็นได้นะว่ามันเกิดขึ้นด้วยเจตนาทุจริตของเขาฉันจะฆ่าเขา รื่อยอมทนเห็นใครฆ่าเขาก็ไม่ได้หรอกไหนๆเราก็ตามเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นก็ต้องตามไปจนถึงวาระสุดท้ายล่ะฉันยังระลึกอยู่เสมอนะว่าถึงแม้เขาจะกลายเป็นอะไรไปแล้วก็ตามเขาก็ยังช่วยให้พวกเรารอดตายไว้ได้หลายครั้งถึงเดี๋ยวนี้ฉันก็ยินดีที่มองเห็นเขาอีกครั้งเห็นว่าเขายังมีร่างกายเดินอยู่ได้ท่ามกลางที่ค้นหาของพวกเราคนใดไม่พบเลยเรายังพบเขา มันก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีอย่างคุณว่านั่นแหละเอาถ้างั้นก็ตามมันต่อไปไม่มีหนทางใดที่จะเลือกได้ดีกว่านั้นตามทางด่านอันเลี้ยวลดแคบแค บ, แบซึ่งซอกซอนไปในป่าทึบอุดมไปได้วยหุบล้วยสองฝั่งทางนั้นเจ้ามักุเทศลึกลับนำขึ้นเขามาแล้วสองลูกทิศ ท, ทางเท่าที่ดารินทดสอบกับเข็มทิศไม่แน่นอนลงไป ว่ามันจะมุ่งไปทางใดโดยเฉพาะครั้งแรกก็บ่ายตะวันตกเฉียงใต้ต่อมาก็อ้อมย้อนขึ้นเหนือแล้วก็เบนเป็นตะวันออกเฉียงเหนือในที่สุดก็บรรจบกระดานช้างขนาดใหญ่ซึ่งทอดไปในระหว่างไหลเขาหุนทางโปร่งโลง่งไละเห็นอะไรต่ออะไรได้ถนัดตาขึ้นแต่ก็ระเกะระกะไปด้วยมูโคทินที่งอกอยู่เป็นโดง ร่างของแงไซรายุบๆลโผล่ลลลลอยู่ในระหว่างดงหินเบื้องหน้านั้นมันเดินรุดหน้าไปเหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยผิดกับคนทั้งสองที่พยายามติดตามมาเบื้องหลังทุกระยะซึ่งแบบนี้แทบจะหมดสิ้นกำลังเพราะไม่ได้พักกันเลยตลอดระยะเวลาสองชั่วโมงเต็มที่เดินไต่เขามาตลอดอากาศก็ทวีความร้อนระอุอ้าวขึ้นทุกขณะดงใหญ่ทั้งดงสงบเงียบแม้แต่ใบไม้เล็ก ก็ไม่กระดิกคงได้ยินแต่เสียงฝีเท้าของจอมพเนจรงเงสายที่เดินยำ่ำกรวดดินและใบไม้แห้งแสกๆไปเบื้องหน้าในจังหวะที่สม่ำเสมอและเสียงลากขาสลับไปกับอาการสะดุ ด, ดดวนเรของฝ่ายติดตามทั้งสองเวลายิ่งผ่านไปนานเท่าใดพรานใหญ่ก็ยิ่งกระสับกระส่ายร้อนใจเพิ่มขึ้นเท่านั้นเขาไม่สามารถจะทาเวลาไดมากกว่านี้ เพราะเป็นห่วงดารินซึ่งเดินตามไม่ทันต้องคอยทวงเวลารอคอยหล่อนอยู่ทุกระยะกำลังของหล่อนเริ่ม อ, อ่อนล้าลดถอยลงเป็นลำดับพักกันสักครู่ก่อนดีไหมครับคุณหญิงข้อกระซิบถามขณะที่คว้าแขนหล่อนประคองไว้เมื่อหญิงสาวเหยียบก้อนหินพลาดสวนเซทำท่าจะล้มลกดารินหอบจนตัวโยนหน้าซีดเงื้อโชกกายเหมือนหน้าซีดเงื้อโชกกายเหมือนอาบน้ํา แต่สันสีสะยังเด็ดเดียวตาอันแสดงความตั้งใจเฉียบขาดมั่นคงจับจ้องอยู่ยังร่างที่เดินนำดุมดุมอยู่เบื้องหน้าซึ่งขณะนี้ขึ้นเนินอีกครั้งถ้าหยุดเราก็จะตามเขาไม่ทันเงษ า, ายจะต้องรับตาเราไปไม่ต้องห่วงในข้อนั้นหรอกครับคุณหญิงผมรับรองว่าถึงยังไงเงษ า, ายก็จะไม่มีวันรับตาเราไปยางเด็ดขาดกลาบใดก็ตาม ที่มันประสงค์จะล่อให้เราตามอีกอย่างหนึง่งลงได้เห็นเป็นแบบนี้แล้วต่อให้มันเตลิดหนีไปผมก็เชื่อว่าพอจะแกะรอยได้ครับดารินคงสันหน้าตามเดิมสบัดเหงือออกจากใบหน้าอย่าหยุดดีกว่าระพินฉันยังพอมีแรงเดินน่ะมันเหมือนกับมีสังข์อนมาบอกให้ฉันรู้ว่าถ้าเราชักชาเสียเวลาไปแม้แต่นิดเดียวเราอาจพลาดหรือสายต่อเหตุการณ์บางอย่าง บางทีมันอาจหมายถึงชีวิตของเราด้วยก็ได้นะยิ้มให้กำลังใจพยักหน้าไปยังจับต้นแขนไว้เช่นนั้นตกลงครับแต่ไม่ต้องรีบก็ได้ครับเดินไปตามสบายของเราแล้วกันยิ่งเร่งฝีเท้ามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเหนื่อยเท่านั้นจริงๆนะเนี่ยฉันน่ะเป็นตัวทวงคุณซะจริงๆก็ดีไปอย่างครับที่ช่วยทวงหรือฉุดผมไว ไม่งั้นปตอนนี้ลนะ่ะผมยิงเจ้าแง่สายขาหักไปแล้วแล้วมันก็คงไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอกฉันจะไม่มีวันให้อภัยคุณเลยนะถ้าคุณทําอันตรายแง่สายก็แล้วทํามันทําผมล่ะคุณหญิงฉันยังไม่เคยเห็นแง่สายทําอะไรคุณโดยเจตนาร้ายเลยสักครั้งเดียวนะนอกจากครั้งหนึ่งที่คุณจะเข้าไปจับตัวเขาแล้วเขาก็ต่อสู้ฟ้องกันตัวเล่นเอาคุณสลบมื่อไปก็เท่านั้นน่ะ ทำไมคุณไม่คิดถึงตอนที่เรากำลังจะอดน้ำตายและเขาหาน้ำมาไว้ให้เรากำลังจะอดอาหารเขาก็หาอาหารไว้ให้ขณะนี้ฉันก็เชื่อว่าเขาจะนำเราไปสู่ขนทางที่ดีขึ้นนะหาไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะมาปรากฏตัวให้เราเห็นและนำทางเราทำไมก็มันนำเราจนวอดวายกันไปทั้งหมดแล้วนั่นไงนี่เราอย่าต้องมาทะเลาะ ก, กันในเรื่องนี้เลยนายพรานถึงยังไงเกี่ยวกับเรื่องแงซายนี่ คุณกับฉันเป็นต้องขัดแย้งปีนเกลียวกันเสมอใช่ตลอดเวลามา ฉ, ฉันเชื่อฟังคุณตลอดแต่สาหรับเรื่องาทรายนี่ขอสักเรื่องได้ไหมคุณจะลองเชื่อฉันดูบ้างไม่ได้ชเชฉยๆผานใหญ่หัวรอคื อ, อไม่ตอบคำใดอีกและบัตรนั่นเองทั้งสองก็เลยเห็นความผิดปกติของเป้าหมายที่กำลังติดตามอยู่เบื้องหน้าบนทางด่านลาดประมาณสามสิบองศา ขึ้นไปสู่เนินตอนหนึง่งซึ่งเต็มไปด้วยพุ่มไม้กระจัดกระจายอยู่โดยรอบร่างที่กำลังเดินเลี้ยวลัดไตเนินขึ้นไปของแง่ทรายหยุดชะงักกึกลงอย่างกระทันหันและมาถึงแนวเมื่อมาถึงแนวขนาบของหินใหญ่สองลูกเปรียบเสมือนปากทาวารผ่านทางแล้วชั่วพริบตาเดียวก็ลบแวบหายเข้าไปทางซอกขินซ้ายมือด้วยอาการรวดเร็วราวกริย์ปาและพินไพยวันชะงักกึก บาดแขนกั้นอกดารินไว้ครั้นแล้วก่อนการเคลื่อนไหวอื่นใดอีกทั้งสิน้นความเงียบเชียบสงัดวังเวงของป่าใหญ่ก็สะเทือนก้องขึ้นด้วยเสียงโกนจนาน่าแปลแปลนของขโขลงช้างป่ามันดังแซ่ประสานกันขึ้นอย่างดุร้ายกระหายเลือดอื้ออึงไปหมดทั้งราวป่าพร้อมกับเงาเมฆมาของภูเขาเคลื่อนที่ได้ก็โผล่ทะมึนพ้นสันเนินขึ้นมาจากอีกฝากหนึง่ง วิ่งยาวๆวสวนทางลงมาอย่างรวดเร็วเจ้าจาโหลงตัวนำหน้ามีงาสีเหลืองจัดทางคู่ยาวแหลมลงมาจนเกือบระดินขนาดของมันดารินเห็นแล้วแทบลมจับบอกกับตนเองว่าพบเข้าแล้วไอ้เจ้าตัวเจ้าของรอยตีนประเภทที่ลงไปนั่งขัดสมาธได้ซึ่งแต่ก่อนเคยเห็นแต่รอยมาก่อนเท่านั้นบัดนี้ตัวจริงของมันปะหน้ากันเข้าให้แล้ว มันช่งใหญ่โตมโหรานอะไรเช่นนี้ขนาดไอ้แหวงว่าใหญ่โตเกินขนาดช้างปลาทั่วไปที่เคยเห็นกันแล้วก็จริงแต่เจ้าตัวงาลากดินที่เดินดุมดุมน้ำโลงสวนทางลงมานี้มันน้องน้องแมมมอสช้างโบราณที่มีอายุอยู่เมื่อล้านปีก่อนเนี่ยไยคงจะเดินประจันหน้ากับโขลงของมันเข้าอย่างกระทันหันตรงโค้งเนินนั่นโดยต่างฝ่ายต่างไม่ทันรู้ตัว ในเจ้าคนดงผู้มีวิญญาณของผู้ป่าเข้าสิงก็ลบฉากไปได้อย่างว่องไวตามคุณลักษณะของมันคงเหลือแต่เพียงสองคนฝ่ายติดตามเท่านั้นที่ยืนตะลึงคาอยู่กลางทางด่านและอยู่ในเส้นทางของภูเขาที่กำลังตึงลงมาเหล่านั้นซ้ายมือเป็นโตรกเหลืกดขวามือเล่าก็เป็นหน้าผาสูงชันใ้ส่วนจะหันหลังวิ่งหนีกลับทางเดิม อันหมายถึงต้องวิ่งขึ้นเนินมันก็คงไม่ทันใช่แล้วในระยะนีนจวนตัวกระชั้นชิดเพียงแค่นี้จำนวนของช้างโบราณโขลงนั้นจะมีอยู่สักเท่าใดก็ยังคำนวณไม่ถูกครั้งแรกก็เห็นเจ้าตัวจา่าฝูงโผล่นำหน้าพ้นแนวก้อนหินคู่พ้นแนวก้อนหินคู่เป็นปากทางลงมาก่อนแล้วก็ดุมตามติดลงมาเป็นลาดับด้วยขนาดที่ไล่เลี่ย ก, กันตัวแล้วตัว มันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ขวางทิศทางเข้าให้แล้วและไม่ได้สนใจกงางแพรยที่หลบแวบหายไปอีกแต่พากันแพดเสียงร้องชูงวงวิ่งรุนก็ามายังคนทั้งสองภาพทิดารินวราริศไม่เคยเห็นและไม่คิดว่าจะเห็นก็พลันปรากฏขึ้นกับพร้องจากสุกอันตื่นตะลึงของหลอนในวินาทีคับขันขีดสุดนั้นหลอนเห็นทัพพินวิ่งปราดออกไปเบื้องหน้าห้า้า กระทือเท้าลงกับแผ่นดินแล้วแผรเสียงตวาดกล้องในความรู้สึกของหล่อนเสียงของเขามันคงดังกว่าคำมลไล่ควายหลายเท่านักเจ้าจากโขลงหยุดชะงักอยู่กับพี่ในทันใดนั้นพลอยพายให้ลูกโขลงหยุดตามกันไปหมดทุกตัวกลางหูผึ่งชู ง, งวงสูงร่อนร่าอยู่เช่นนั้นโดยเฉพาะเจ้าตัวยักษ์ใหญ่หัวหน้าขลงใส่หัวอยู่ไปมา หันรีหันขวางส่งเสียงร้องอย่างดูร้ายเช่นเดิมยืนโยกกายเอาเท้าหน้าซ้ายขวาอันใหญ่โตไปดินตรงหน้าแตกกระจายเป็นฝุ่นฟุง้งตหลกไปหมดจอแพรนยืนนิ่งจ้องตามันไม่กระพริบไหล่เฟินกระชับแน่นอยู่ในมือท่าเฉียงแต่ก็ยังไม่ได้ประทับขึ้นไหลสะกดปรา น, นิ่งดารินยืนตัวแข็งอยู่เบื้องหน้ามือเท้าอ่อนไปหมด หลอนประทับปืนขึ้นหลอนประทับปืนขึ้นไหลเตรียมพร้อมแต่ก็สติดีพอที่จะไม่ลั่นไกลออกไปก่อนเวลาอันควรต่อมาหล่อนได้ยินเขาตะโกนขึ้นอีกเป็นภาษากะเหรี่ยงสำเน็ทสำเนียงนั้นห้าวกลางวานเป็นจังหวัมีแความเยือกเย็นและฉีบขาบราวกับปาฏิหาริย์เจ้าจ่าโขงที่โยกกายเตะดินเข้าใส่อยู่นั้น ว่าใบหูอันใหญ่โตราวกับใบตาลที่กลางพึงอยูร่รีรีไปเบื้องหลังยืนหมุนวนหันรีหันขวางอยู่อีกครู่นึงก็เดินถอยหลังไปสองสามเก้าจากนั้นก็หมุนตัวกลับตอนลูกโรงของมันให้เดินย้อนกลับไปทางเดิมอย่างสงบจนกระทั่งลับตาไปหมดสิน้นดารินตื่นจากตะลึงวิ่งเข้ามาเกาะแขนเขาแน่น ร้องออกมาอย่างตื่นเต้นสุดขีดรับพินโอ้นี่คุณเป็นผู้วิเศษหรือยังไงเนี่ยช้างป่าทั้งโคงลงนะคุณไล่มันถอยกลับไปได้อย่างสงบไม่ได้เสียลูกปืนเลยแมย้แต่หนึ่งนัดคุณทุาทำได้ยังไงจอมพรานถอนใจลึกผมไม่ใช่ผู้วิเศษหรอกครับคุณหญิงทุกสิ่งทุกอย่างนะมันอยู่ที่สติและกาลังใจเป็นเหตุผมไม่คิดหรอกว่าลูกปืนจะไล่มันได้อย่างนี้ สำหรับช้างป่าโขลงนั้นและในที่คับขันของเราเช่นนี้ถ้ายิงเมื่อไหร่เราแหลกเมื่อนั้นครับแล้วคุณพูดอะไรกับมันคุณพูดภาษาช้างเป็นเหรอ <S <S ผมเป็นคนนะครับคุณหญิงพูดภาษาช้างไม่ได้หรอกแต่พูดภาษาของชนเผ่าที่คุ้นเคยและก็ต่ยชิดกระช้างมากที่สุดได้ครับตามปกติแล้วในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลาย ช้างเป็นสัตว์ที่แสนรู้ที่สุดและเป็นสัตว์ที่ผมตั้งสัตติปัตยานไว้แล้วว่าถ้าไม่ใช่เพราะจำเป็นในการป้องกันชีวิตแล้วจะไม่ทำอันตรายมันเป็นเด็ดขาดสัตตปัตยานชนิดนี้เองครับทำให้ผมกับช้างไม่เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันฉันได้ยินคุณพูดอะไรกับมันด้วยนะอ๋อมีคาถาสะกดช้างของเกรียงอยู่บทหนึ่งสั้น ผู้ที่จะใช้ใได้ผลจะต้องรักษาสัจจะเกี่ยวกับช้างให้มั่นคงที่สุดจึงจะเกิดผลและคำอธิบายซึ่งถ้าจะแปลก็คือเจ้าและข้ามีเลือดเนื้ออันเดียวกันหากไม่เคยมีกรรมต่อกันมาก่อนแล้วขอจงหลีกทางกันไปเถอะผมไม่เคยมีกรรมกับช้างโขลงนั้นมันจึงหลีกทางให้ ยิ่งใหญ่เหลือเกินณรพินคุณนี่เป็นจอมพรานที่ยิ่งใหญ่จริงๆหล่อนพึมพำอยู่ในคอโดยที่เขาไม่ได้ยินสีหน้าอันจี๊ดเซียวแต่แดงเรื่อขึ้นด้วยความปีตยินดียิ่งพบกันนานขึ้นเท่าใดหล่อนรู้จักพรานนำทางของหล่อนเพิ่มขึ้นเท่านั้น <c oughs> นี่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ถอยให้เราละราพิน อ้าวก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละคุณหญิงหลบลงเหวไงคุณไปร่ำเรียนวิชาไสยศาสตร์ของพรานป่าเหล่านี้มาจากไหนนะมันค้านกระบุคลิกท่าทีของคุณเหลือเกินนะกระพินไพรวันเป็นสิทธิ์เมียอาจารย์นะครับคุณหญิงหาไม่เช่นนั้นผงไม่มาอยู่ได้ถึงป่านนี้หรอกอ่ะว่าแต่เจ้าเงาายคนดีของคุณหญิงเถอะนี่มันพาเรามาอีกช้างขลงเหยียบฉันแล้วไมละ่ะแล้วที่หายนี่ หายหัวไปไหนพ่านใหญ่พูดพร้อมกระสาวเท้าโดยเร็วรงมาถึงก้อนหินตำแหน่งที่หินแงซทรายหลบแวบหายไปพยายามสอดใส่สายตาค้นหาไปรอบๆดารินวิ่งตามเข้ามาด้วยช่วยมองค้นตีนช่วยมองค้นรอยตีนตามพื้นแต่ก็ไม่ปรากฏร่องรอยอะไรให้เห็นเพราะเป็นดินลูกรังปนหินแข็งและแห้งสนิท เขาคงไม่ตั้งใจจะพาเราเดินสวนทางกระช้างโขลงนั้นหรอกคงเป็นเหตุการณ์บังเอิญมากกว่าน่ะฉันนี็ก็เป็นหลบไปแนะฉันเห็นก็เป็นหลบไปเหมือนกันนะก็ใช่สิพอมันหลบไอ้โขลงนั้นก็เลยเห็นเราสองคนกลางทางด่านพอดีพอดีตามปกติแล้วการเดินสวนกาศร้ายขนาดใหญ่ถ้าเราเป็นฝ่ายอยู่ต่ํากว่าและศีรษะของมันหันลงมา มันจะแล่นสวนทันทีผู้วิประเทศตอนนี้นะ่ะเหมาะที่สุดเรากักว่ามันจะล่อเราสองคนมาให้ช้างโบราณโขลงนั้นค่ยี่ซะอย่างนั้นแหละไม่ทำยังไงฉันถึงจะทำให้คุณเลิกมองแง่ทรายในแง่ร้ายได้ซะทีนะดารินร้องอย่างกลุ่มใจกระพินหันมาจ้องหน้าคุณหญิงก็จับตัวมันไหมผมให้ผ ม, ผมเอาแผนที่แผ่นนั้นคืนมาได้ได้ไหมตกลง ต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนนำคุณตามแง่ซายเองคุณคอยตามหลังฉันว้ายก็แล้วกันและทําเฉพาะเท่าที่ฉันสั่งแค่นั้นนะหญิงสาวพูดพ่นห้วนตาลุกวาวขึ้นและพร้อมกันนั้นหล่อนก็เงยลำกล้องไรเฟิลจุดสามศูนศูนเทบีขึ้นฟ้าระเบิดกระสุนกึกกล้องสนันปาออกไปนัดหนึ่งสถท้านไปทั้งไพรกว้างและหุบเขาพราก็กูร้องตะโกนเรียกนามแง่สายออกไปสุดเสียง หลอนตะโกนเรียกออกไปทุกทิศรพินยืนสุบบุหรี่มองดูหลอนด้วยสายตาเยาะเยะอยู่ริมโขดหินแล้วก็พยักหน้าเมื่อสบตาเหมือนจะเชิญให้หลอนตะโกนเรียกเจ้าคนใช้ชาวดงของหลอนต่อไปดารินไม่ละความพยายามหลอนตะโกนอีกตะโกนจนเสียงแหบแห้งครั้นแล้วบัตรนั้นเองเหมือนฝันมีเสียงกูโวรกแแววตอบมา มันลอยมาจางๆจากที่ใดที่หนึ่งไกลแสนไกลรพินขยับกายตรงขึ้นจากที่เอ็นหินพิงหินอยู่หูพึงขึ้นดารินลืมตากว้างยังตื่นเต้นเอ๊ะคุณคุณได้ยินเหมือนฉันหรือเปล่ารู้สึกว่าจะมีเสียงกู่ตอบนะไม่ลองอีกครั้งที่ครับเขาบอกต่ำตํำๆดารินกูสุดเสียงอีกครั้งคราวนี้เสียงกูตอบดังยาวมาได้ยินอย่างขนับ และไม่ได้ดังอยู่ครั้งเดียวดังเช่นที่ทั้งสองคิดว่าเป็นอุปท า, านหากแต่ดังติดต่อกันอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาบางขณะก็ชัดเจนบางขณะก็เลือนลางสุดแล้วแต่ทิศทางลมพัดจอมพรานเม้มริมฝีปากแน่นช่วยไรเฟิลที่วางพิงก้อนหินไว้ตรงก็มาจับแขนหญิงสาวคนแน่ครับแต่ไม่ใช่แง่ท า, ายหรอกต้องเป็นใครสักคนหนึ่งที่ได้ยินเสียงไรเฟิลของคุณหญิงเมื่อตะ ก, กี้นี้ แล้วกูตอบมาใครลนร้องออกมาด้วยเสียงกระซิบประเดี๋ยวก็รู้ครับอ่ะตามมาเร็วเสียงดังมาจากด้านนี้เปล่าวจบเขาก็ก้าวออกเดินตัดทางด่านไปขึ้นเขาทางซีขวามือโดยเร็วดารินปีนตามโดยไม่จำเป็นจะต้องให้กล่าวเตื่น สองออกกำลังเร่งฝีเท้าอย่างเต็มที่ดารินั้นได้ยินแต่เสียงเพราว่าไม่สามารถที่จะบอกทิศได้แน่นอนว่ามันดังมาจากด้านไหนส่วนรพินเดินไปฟังไปพร้อมทั้งตัดทิศทางอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นได้แน่นอนว่าไม่มีวันพลาดและในครั้งนี้เขาเป็นคนกูเรียกออกไปเองพลางคอยฟังเสียงตอบและในทันทีที่เสียงกูกังวลลั่นไปในความทึบวังเวงของป่า ก็มีเสียงกูตอบมาทุกครั้งกระชั้นทีและได้ยินถ น, นัดขึ้นทุกทีเหตุการณ์ซึ่งมาพบใหม่อย่างกระทันหันนี้ทำให้ทั้งสองเลือกสนใจกับร่องรอยแงซ า, ายลงชั่วขนาดและก็ไม่เห็นวีแววของเจ้าคนใช้ชาวโดงผู้ลึกลับอีกในทิศทางใหม่ที่มุ่งหน้ากันไปจอมพรานนำน้องสาวของนายจ้างลิวรุดแวกทางไปในลาห้วยแห้งเล็กๆ ล, ล, ลูกหนึ่งซึ่งทอดลงไปสู่เนินต่า อาการเดินของเขาเป็นไปในลักษณะเดิมคือเดินเร็วยิ่งกว่าตามควายหายซึ่งเป็นสภาพที่หล่อนเห็นทุกครั้งในยามที่ได้ร่องรอยอะไรบางอย่างกระชันชิดจนหญิงสาวต้องออกวิ่งตามหล่อนเองก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเหน็ดเหนื่อยในการออกแรงอย่างสุดขีดนั้นเพราะตกอยู่ในอารมณ์ตื่นเต้นในกระแสข่าวใหม่มีชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งเหลือรอดอยู่จะเป็นใครก็ยังไม่ทราบ และจะเป็นพักพวกคณะเดียวกันหรือไม่ก็ไม่มีสิ่งใดมาบอกได้ในขณะนี้เหมือนกันแต่ถึงอย่างไรท่ามกลางความหลงปา่าพลับลาอย่างไม่รู้อนาคตกันอยู่ในดงมรณะเช่นนี้การแววกลิ่นมนุษย์พวกเดียวกันย่อมจัดว่าเป็นชะข่าวอันน่าตื่นเต้นยินดียิ่งอีกอืจใจต่อมาระพินก็นำตัดปีนตลิงห้วยขึ้นฝั่งซ้ายมือ พอขึ้นไปถึงฝั่งบนก็ส่งมือให้หลอนจับชุดลากให้ตามขึ้นไปและในครั้งนี้เสียงตะโกนกูอันแสดงถึงว่าผู้กูได้ใช้เสียงเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดเพราะหนึ่งจะเรียกร้องให้ผีสางหรือเทวดาช่วยดังแวววโวกออกมาจากปาทึบตรงหน้านั่นเองระพินยังคงนั่งคุกเข่าอยู่ริมฝั่งห้วยคมเมนมองฝ่าความรกทึบเข้าไปอย่างพินิจไครค่ครวญ พางยกแขนขึ้นป้ายเงืออันออกโชคใบหน้าดาริงก็ชุ่มโชคเราก็อาบน้ำอ้าปากคอบอยู่เคียงข้างเขารู้สึกจะอยู่ข้างหน้าเราใกล้ๆนี่นเองหล่อนกระซิบหอบๆ อ, อยากจะร้องกูเรียกกไปบ้างแต่ก็ไม่มีเสียงเพราะความเหนื่อยและพินกัดริมผีปากแน่นแววตาเริ่มเป็นประกายขึ้นเอผมรู้สึกว่าจะเป็นเสียงคุณคุหูนะครับ เขาบอกและป้องปากคราวนี้กูออกไปอีกเสียงหนึ่งผิดแผกไปจากเสียงกูปกติมันเป็นสัญญาณที่รู้กันโดยเฉพาะในระหว่างพวกพรานพื้นเมืองของเขาบัตรนั่นเองเสียงบวกเวกก็ดังลั่นปามาอย่างตื่นเต้นดีใจเหลือที่จะกล่าวเสียงนั้นดังมาจากยอดไม้สูงวู้นายนายใช่ไหมช่วยด้วยเร็ว บุญคำกำลังบนเทาสานอยู่บนยอดไม้นี่ช่วยด้วยทั้งสองหันขวับมองตากันอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวบุญคาไม่มีปัญหาเสียงที่แหบปาตโกนเย้วเย้วอยู่บนยอดไม้สูงโดยยังมองไม่เห็นในขณะ น, นี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตาพรานเท่าหนังเหนียวบุญคามือขวาของเขานั่นเองระพินไม่กล่าวอะไรอีกทั้งสิน้น ลุกขึ้นออกวิ่งลัดเลาะบุกป่าเบื้องหน้าตรงเข้าไปโดยเร็วดารินก็แล่นตามไปติดๆด้วยความยินดีขีดจุดไม่ถึงกลั้นใจต่างก็ผ่านบริเวณป่ารกที่ขึ้นบงังเป็นกระเซิงอยู่เบื้องหน้าเข้ามาประจันกับภาพที่มองเห็นแล้วก็จำต้องตะลึงต้องจ้องทางทั้งตกใจแปลกใจละคนขบขันเหลือที่จะกล่าวได้บนคาคบแรกของต้นกลางใหญ่ขนาด3ามคนโอก ที่ยืนตรงชลูดสูงลิฟขึ้นไปจากพื้นประมาณร่วม20เมตรร่างของตาพรานเท่าแห่งเขาอึมครึมแขวนเป็นพยาวานอนอยู่บนนั้นบริเวณพื้นเบื้องล่างโคลนต้นมีรอยเท้าช้างโขลงย่ำไว้สับสนเป็นเถือกเต็มไปหมดต้นไม้เล็กพุ่มพงในละแวกใกล้เคียงแหลกยับเป็นแปลงเราก็มีกองทัพแทรกเตอร์มาไถคราดไว หลายต่อหลายต้นเขื่องเขืองขนาดโคนขาถูกงัดรากถอนโคลนหักล้มระเนระนาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นเถาวันที่ทอดปกคลุมอยู่ทั่วไปอันเป็นบันไดให้บุญคมปีนไต่หนีขึ้นไปเป็นรุกขเทวดาอยู่บนครบรกนั้นถูกขลุงของมันช่วยกันฉุดกระชากถึงดึงขาดลงมาหมดสิน้นกองระเนนทับถมอยู่กับพื้นมองเห็นสภาพการได้ถูกในทันทีว่า เหตุใ ด, ดตาพรานเท่าจึงติดค้างอยู่บนคาคบกลางนั้นโดยไม่สามารถจะไต่กลับลงมาได้แกคงจะตลีตาลานหนีคดชะไพขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่โดยอาศัยโหนไต่เถาวันเหล่านั้นขึ้นไปแล้วไอ้ช้างโขงเจ้ากรรมก็ช่วยกันดึงสะพานหรือบันไดของแกออกเสียหมดสิน้นก่อนที่จะพากันยกขยงุงพละไปปล่อยให้แ่มีสภาพเป็นลิงหาทางลงไม่ได้อยู่บนนั้น บุญคนจะสมสา ร, รเผชิญกับมหันตภัยจากเหล่าช้างร้ายเหล่านั้นสักปานใดก็ยังไม่อาจทำนายได้ในขณะนี้แต่เท่าที่แงนขึ้นไปมองเห็นร่างของแกล่อนจอนเห็นแต่กางเกงขา้วยสีกระดำกระดางกับผ้าขาวมาพ่อขัวไต่ตัวอยู่เพียงผืนเดียวพอมองเห็นระพินไพรวันกับนายหญิงมาปรากฏกายยืนป้องหน้าแงนมองอยู่โคนต้นแกก็ดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ตะโกนเรียกเอ็ดอึงโบกมือลงมาหย่อยๆนายนายจริงๆด้วยอุยแม่เจ้านายหญิงของบุญคําด้วยอีกคนตาบุญคําไม่ฝาดชเชย่ตายแล้วววเร็วเข้านายช่วยบุญคําด้วยบุญคาเป็นทาสาอยู่บนนี้มาวันกับคืนเต็มๆแล้วหิวข้าวใส่แตบขาดหน้ามือจะเป็นลมตกลงม่ตายแล้วนายช่วยที เสียงแกตะโกนลิ้นพันกันโวยวายแทบฟังไม่ได้สักแม้จะอยู่ในอารมณ์ที่ตื่นเต้นตกใจสักเพียงใดก็ตามในสภาพที่เห็นอยู่นี้พอพิจารณาไปดารินก็กลั้นหัวเราะไว้ไม่ได้ละพินเองก็กัดริมฝีปากหัวเราะกึกกึกกิริยาอาการของตาพรานเท่าคู่ใจซึ่งโบกไม้โบกมืออยู่บนยอดไม้สูงสภาพอันกระรุ่งกระริงผ้าพรแทบไม่มีติดกายของแก คำพูดที่ร้องแรกแขกระเจอบอกความมามันเป็นความขบขันระคนไปกับความสังเวชและเหนือกว่าความรู้สึกอื่นใดทั้งมวลยามนี้คือความปิติยินดีที่พบว่าหนึ่งในจำนวนพรานพื้นเมืองสี่คนของเขาก็หนังเหนียวกระดูกแข็งทายาทเหมือนกันบุญคายังมีชีวิตอยู่และอยู่จนกระทั่งเขามาพบเข้าจนได้มันเรื่องอะไร บุญคำดำขึ้นไปโหเย้ยวเ ย, ว, เยวอยู่บนนั้นผ้าพรก็ไม่นุ่งทําไมจอมพลนอดไม่ได้ที่จะตะโกนยาวขึ้นไปพี่โทษนายเหลือกุงเกงขากล้วยติดตัวอยู่นี่ก็ดีถมไปละนายช้างมันขัด บ, บุญคำถ้าจะเอาชีวิตไม่รอดอะไรต่ออะไรมันพลาดหลุดจากตัวไปมดุดปีนหนีขึ้นมาบนนี้บุญคำลงไม่ได้ตั้งแต่เย็นวานมาแล้วนย้ย อ้าวก็ที่ขึ้นทำไมถึงขึ้นได้แล้วเวลาลงทำไมลงไม่ได้เล่าเขาแกล้งร้องถามหน้าตาเฉยตาก็กวาดคำนวณดูระยะความสูงและขนาดอันอวบใหญ่ของต้นกลางเพื่อหาทางช่วยบุญคำซึ่งทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ตีอกชกหัวอยู่บนนั้นอีโทเลวคนสีนายไงพูดอย่างนั้นเล่าก็ไม่เห็นละไอ้ช้างมาเลกุดพวกนั้นนะ่ะ มันช่วยกันดึงเถาวันที่บุญคำอาศัยไต่ขึ้นมาขาดออกหมดแล้วขาขึ้นมาขึ้นมาได้เพราะปีนเถาวันขาลงมาลงไม่ได้เพราะเถาวันไม่มีไอปีนแล้วได้อุโทรเรื่องแค่นี้ก็ทําไมไม่กระโดดลงมาเล่าระพินอารมณ์แจ่มใสขึ้นที่เห็นคนของเขารอบตายเสียงบุญคำร้องลัน่นดารินกาเข้ามาจิกกลางหลังเขาจนสะดุง้ง โธคุณเมื่อแต่ลอกแกเล่นอยู่นั่นแหละบุญคำต้าทางจะแย่เป็นทีแล้วนะนี่รีบมาทางช่วยแกลงมาเร็วๆเถอะใจเย็นไม่เข้าเรื่องเลยคุณนี่เดี๋ยวสิครับคุณหญิงต้องค่อยๆพิจารณาดู ก, ก่อนว่าจะเอาแกลงมาได้ยังไงผมเองก็ยังไม่มีปัญญาจะไปยิงเพื่อรับแกได้โดยมือเปล่า เ, าเหมือนกันไม่ต้องร้อนใจหรอกใจเย็นได้แล้วยังง้อยเราก็รู้แน่นอนแล้วว่าคนของเรารอดตายแล้วหนึ่งคนไม่ต้องห่วงหรอกคุณ ตาเท้านั่กนกระดูกแข็งจะตายไปแล้วเขาก็ป้องปากตะโกนขึ้นไปอีกอา้าวนั่งร้องยี่เกไปก่อนนะบุญคำให้ฉันคิดก่อนว่าจะทำยังไงดีไม่ต้องคิดแล้วล่ะนายลูกทอยอยู่ทางโคนต้นด้านเนี่ยนายอ้อมมาทางนี้สิแล้วจะเห็นบุญคำโบกเวกชี้มือลงมาที่โคนต้นรับพินขมวดคิ้วป้องหู ว่ายังไงนะทอยนายลูกทอยทอยที่ไหนของใครอ่ะเขาร้องออกมาอย่างแปลกใจไอ้งาซ้ายนายเสียงแกตะโกนตอบลงมาไอ้งาซ้ายมันแบกทอยมายืนเงนดูบุญคําตั้งแต่เมื่อเช้านี่แล้วบุญคําตะโกนเรียกให้มันช่วย อ่อนวอนมันก็แล้วขุดโคดมันก็แล้วมันยังยืนยิงฟันดูบุญคาเฉยแล้วก็โยนลูกทอยทิ้งไว้โคนต้นตัวมันเองเดินหายไปในป่าเป็นทองไม่รู้โอนแล้วบุญคาก็ไม่เห็นมันอีกเลยเห็นแตลูกทอยที่มันทิ้งไว้เลยนายเหมือนกัว่ามันจะให้ทอยเลื่อยขึ้นมาหาบุญคาเองงั้นแหละไอ้จิ๊บหายนะมันเหมือนคนบ้าลาพองอันไห พรานใหญ่กระดารินหันขวับมองตากันในทันทีนั้นแล้วถลันปราดอ้อมไปยังอีกด้านหนึ่งของต้นกลางทันทีและก็จริงดังที่บุญคำว่าลูกทอยพวงหนึ่งเหลไวไว้อย่างลวกลวกแต่ก็ได้มดาตรฐานแข็งแรงพอใช้ถูกร้อยเป็นพวงด้วยไหวทิ้งอยู่บนพื้นโคนต้นคำบอกเล่าละคนบนสะบทสับแช่งของบุญคาทาความประหลาดใจให้กับบุคคลทั้งสองอย่างยิ่ง ในข้อที่ว่าเง่ทรายเป็นคนนําทอยมาทิ้งไว้ที่โคนต้นไอ้หมายความว่ายังไงกันนี่ดารินร้องออกมาขณะที่รพินก้มลงหยิบลูกทอยขึ้นมาพิจารณาอย่างงงๆทอยนี่น่ะเหรอของแง่ทรายเขาแงนขึ้นไปร้องถามอย่างแปลกใจถ้าไม่ใช่ไอ้แง่ทรายก็ไอ้ผีป่านั่นแหะน้ยแต่บุญคาเห็นมันแบกมาโยนทิ้งไว้ไม่ผู้ใจอะไรทั้งนั้นเลย แถมยังมองบุญคำเฉยๆโยนถอยไว้โคลนต้นแล้วมันก็ไปแล้วน้อยเอ่เป็นไปได้ไหมงเอาทรายมาพบเห็นบุญคำเข้าที่นี่แล้วก็ไปนำทางเรามาเพื่อให้มาพบแล้วก็ช่วยเหลือกันเองโดยหาเครื่องมือไว้ให้ดารินรกระซิบฐานก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับไม่งั้นมันจะเอาถอยมาทิ้งไว้ที่นี่ทำไมและจากคำบอกเล่าของบุญคำ ก็บอกอยู่แล้วว่าแง่ทรายมายืนดูแกอยู่ที่โคนต้นนี่เมื่อเช้าแล้วเขาก็ถอนใจยาวโคลงสีสะจชา้าให้ตายเถอะผมไม่เข้าใจอะไรมันเลยสักอย่างมันแบกทอยมาที่นี่แสดงว่ารู้แล้วว่าบุญคําตกอยู่ในสถานการณ์ยังไงเมื่อมันเอาทอยมาได้มันก็น่าจะตอกทอยขึ้นไปช่วยบุญคําลงมาก่อนที่เราจะมาพบฉันไม่สงสัยในข้อนั้นหรอกนะ อาจไม่ต้องไม่ต้องการจะตอกทอยขึ้นไปช่วยบุญคำด้วยตัวเองเพราะถ้าช่วยบุญคำลงมาแล้วตาเท่าจะต้องจับตัวเขาไว้แน่นแงซรายก็เลยเป็นนำทางเราให้มาพบและช่วยกันเองโดยเตรียมหาเครื่องมืออำนวยความสะดวกไว้ให้ฉันยังนึกไม่ออกเลยนะว่าถ้าเขาไม่เอาทอยมาทิ้งเตรียมไว้ให้เราจะมีปัญญาช่วยบุญคำได้ ย, ยังไงเพราะถ้ามัวแต่ไปหาไม้มาเหลาเป็นลูกทอยอยู่ ฉันว่าพรุ่งนี้ก็ยังไม่เสร็จทานใหญ่ไม่กล่าวเช่นไรอีกแต่เงยขึ้นไปบอกบุญคำว่าเอาละรองยี่เกสบายใจได้แล้วฉันจะตอกทอยขึ้นไปให้พร้อมกับพูดเขาตรวจนับดูลูกทอยอย่างถี่ถ้วนแล้วล้วงปืนสั้นจุด44แม็กนน่ำออกมาเอากระสุนออกจากรางเพลิงจนหมดเพื่อจะใช้ด้ามอันหนักหน่วงของมันแทนสันขวาน ตอกลูกทอยให้แน่นกระชับกับเนื้อไม้เขาเดินตรงเข้าไปที่โคนต้นดารินเดินตามเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดอย่างเป็นห่วงกระสิบถามว่าแต่คุณตอกถอยเป็นเหรอจอมพรานเอียงหน้าเข้ามากระซิบตอบก็บอกแล้วไงว่ารพินเป็นศิษย์มีครูช้างทั้งโขลงยังตหวาดให้ถอยหลังกลับไปได้โธ่สมมหาไรกับการตอกถอย แหมคุณแล้วก็เก่งไปซะทุกอย่างพอเพกยงแง่ทายทีเดียวนะแต่ก็อมภูมิชัมัดไม่จำเป็นจริงๆไม่เห็นขยายออกมาน่าแปลกนะที่นักเรียนที่อดีตนักเรียนนายทหารจากเยอรมนีรู้จักใช้คาถาอาคมของพรานป่าได้สารพัดชนิดแล้วก็ใช้ได้อย่างขลังซะด้วยจำคำของท่านมหากวีสุนทรผูได้ไหมตอนไหนล่ะก็ที่ว่า จะเรียนร่ำทำอะไรไม่ลำบากทุกสิ่งทุกอย่างนะขอเพียงให้เราสนใจเรียนจริงเท่านั้นมันก็จะแตก ฉ, ฉันสาเร็จผลได้ไงแล้วยังไงแต่มันยอดยากอยู่อย่างเดียวตาต่อตาพบกันอีกฝ่ายเพิ่งจ ะ, ฉะเฉลียวคิดรู้ทันกระซิบต่อข้อความมาว่าเกี่ยวผู้หญิงงั้นแหละระพินไม่ตอบ ทำหน้าตาเฉยจับการวางไรเฟิลปลดสัมภาระอันเกล ก, กะออกจากหลังแล้วเอาพวงทอยขึ้นสะพายไหลเสียงลอยๆก็กระซิบมาอีกว่าก็ไม่ยากนะถ้ารู้ใจและเข้าใจกันยกเว้นแต่จะเกี้ยวดักไปไม่เลือกหน้าผลกรรมก็อาจทำให้ตัวเองอกหักเอาบ้างอย่างที่ใครเคยโดนข้ากับตัวเองมาแล้วกำลังจะจบมือขึ้นบูชาพญาไม้ ก่อนที่จะเริ่มบริกรรมตอกทอยจอมพรานชะ ง, งักกึกหันมาชำเลืองมองตอบลอยๆเช่นกันว่าก็าเพราะไม่นิยมในการที่จะเกี่ยวดานะซีถึงได้ซัพเฟอร์อกหักแล้วต่อไปก็จะถูกใครหักอกเอาอีกมัง่งก็ยังไม่ทราบตอกทอยให้ดีช่วยบุญคำลงมาให้ได้สำเร็จกุศลผลบุญนั้นคงไม่ทําให้ใครใจร้ายหักอกเอาอีกรอก สำคัญให้ถือศัตปฏิยานไว้ให้มั่นเหมือนวิชาพรานที่ร่ำเรียนมาก็แล้วกันไม่เช่นนั้นอาจกลายเป็นสัต่าที่ถูกตามล่าพร้อมคำตอบปลายมือเบาๆตบกระตุ้นมาที่หลังเขากระแสสัมผัสนั้นมันแสงจะอ่อนหวานอบอุ่นระคนไปกับอาการสมทับขมขวัญระพินสตดลมหายใจลึกแล้วเอ่ยขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการว่า คุณหญิงครับระหว่างที่ผมตอกทอยขึ้นไปโปรดอย่าเรียกหรือพูดทักคำใดทั้งสิน้นถือไรเฟิลคอยระวังรอบด้านเอาไว้อย่างเดียวจนกว่าทั้งผมและบุญคำจะลงมาถึงพื้นล่างนะครับตกลงหล่อนรับคำอย่างเข้าใจถอยหลังห่างออกมากระชับไรเฟิลในมือเตรียมระวังภัยพร้อมตากวาดสอดสายไปรอบๆพรานใหญ่จบพนมลูกทอยขึ้นเหนือสีสั ลักษณะของเขาดูเหมือนจะบริกรรมอะไรนิ่งอยู่ชั่วขณะจิตก็เริ่มตอกทอยลูกแรกลงกับผิวของต้นกระดารินสังเกตเห็นมาแล้วคือจะตอกเข้าไปเพียงลูกละสามครั้งและไปเหยียบยืนขึ้นไปทีละขั้นบุญคําก็ดูจะรู้เคล็ดเข้าใจกันดีอยู่แล้วตลอดเวลาที่จอมพรานก้มหน้าก้มตาตอกทอยขึ้นไปอย่างระมัดระวังคงได้แต่ชะโ ง, งกมองลงมาอย่างสงบ ไม่ได้ปริปากกระโตกกระตากหรือพูดจาคาใดลงมาเลยดารินแหงนมองร่างของรบพินที่ค่อยๆไต่สูงขึ้นไปเป็นลำดับด้วยใจอันเต้นระทึกภาวนาเอาใจช่วยมองด้วยสายตาเปล่าแล้วตามความรู้สึกของหล่อนแก่นไม้ที่ใช้ตอกเข้าไปในลำต้นไม้เพียงผิวผืนไม่น่าจะแปลสภาพเป็นลูกบันไดรองรับน้าหนักตัวเหยียบยืนอย่างมินเมขึ้นไปได้เลย มันน่าจะทานน้ำหนักไม่ไหวและถอนหลุดออกมาเสือเกินแต่มันก็ไม่ยักกระลุกในที่สุดเขาก็ตอกขึ้นไปจนถึงระดับคาคบที่บุญคาเกาะนั่งจ้องอยู่แล้วก็ปีนขึ้นไปบนคบนั้นต่อมาก็เห็นบุญคําไต่ลงมาก่อนอย่างระมัดระวังจนกระทั่งถึงพื้นโดยสวัสดีภาพจากนั้นพานใหญ่จึงไต่ลงพร้อมกับตีถอนทอยออกจากต้นไม้ทีละลูก เหมือนเมื่อขาตอกขึ้นไปพักใจหลังจากนั้นรพินก็ลงมาถึงพื้นพร้อมกับถอนทอยลูกสุดท้ายออกจากต้นกลาขณะนั้นบุญคำลงนั่งแผลาหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่โคลนต้นดารินกากเข้าไปเขย่าเรียกและสำรวจดูสภาพร่างกายก็ไม่เห็นว่าแกได้รับอันตรายอะไรมากไปกว่ารอยขีดข่วนจากกิ่งไม้และเรียวหนาตลอดจนสภาพอันสูบผอมหมดกาลังวางชาภายหลังจาก ขอน้ำจากกระปิกของหลอนไปดื่มกล้วคออึกใหญ่ตาของพรานเท่าก็ใสขึ้นถอนใจเฮือกยิ้มแห้งๆเห็นเนืออซีดคล้ำเหมือนตายแล้วเกิดใหม่บุญคำไม่คิดเลยนะว่าจะพบนายกับนายหญิงมาช่วยไว้หาแรกนะั่นนึกว่าบุญคำรอดชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็คงจะหนีช้างขึ้นไปอดตายอยู่บนยอดไม้ซะเป็นแน่แท้แล้วละ่ะ ไปยังไงมายังไงกันนี่บุญคำดารินซัดถามโดยเร็วในระหว่างที่ระพินจัดการก่อไฟขึ้นในทันทีนั้นพระรู้ดีว่าคนของเขากําลังหิวโซและต้องการอาหารอย่างที่สุดเขาจัดการเอาเนื้อย่างรมควันที่ติดตัวเป็นสเสบียงอยู่ออกมาย่างซ้ําบุญคําไม่รู้จะเล่าอะไรได้ถกูกอะไม่รู้จะเล่าอะไรกันก่อนมันวุ่นวายไปหมดเลยละนายหญิง แกพูดเสียงแห้งเอามือรูปหัวอันมีผมหยิกคอติดหนังสีสักลดผ้าเข้ามา้ามาพันกายท่อดล่างไว้อ่ะเล่าเหตุการณ์ครั้งหลังสุดก่อนก็ได้เอาตอนที่บุญคำหนีช้างขึ้นไปติดอยู่บนยอดไม้นะั่นนะ่ะก็เมื่อวานนี้ตอนโผล่เพลงนะ่ะนายบุญคำก็เดินผ่านหลงมาทางนี้คนเดียวแต่เล่าแล้วรีบตะครุบเนื้อย่างเสียบไม้ที่ระพินโยนมาให้จากกองไฟ ขย่ากินอย่างหิวโหวยปากก็พูดไปพลางก็พาเดินเข้าไปกลางโ้งไอ้โคจรสารตแต่ตัวเท่าผูเขางาลากดินทั้งนั้นบุญคำกำลังหิวหน้ามือตามัวใกล้จะหมดแรงเต็มทีไม่ทันระวังตัวมาก่อนกว่าจะรู้ตัวก็เดินเข้าไปชนขาหลังของไอ้ตัวหนึ่งเท่านั้นแหละนายหญิงโลกมันก็ถล่มทลายไปหมดมันปั่นป่วนจ้าระวันขึ้นทั้งโขง บุญคำวิ่งหนีเอาชีวิตรอดไม่ได้คิดที่จะสู้มันอีกแล้วละย่ามหลังปืนอะไรต่ออะไรจนกระทั่งผ้าพรตกเรียรากอยู่ลำห้วยโน้นหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวอยู่ได้ชบุญนะมาพบต้นกลางต้นนี้มีเถาวันห้อยระยาลงมาบุญคำก็ไต่หนีขึ้นไปโอ้พวกมันดุเหลือร้ายไม่ยอมไปไหนมาเฝ้าล้อมอารวาดเอางาแทงอยู่โคนต้น แล้วก็ช่วยกันชักเผาวันขาดออกหมดมันเฝ้าบุญคำอยู่สองสามชั่วโมงจนกระทั่งมืดสนิทเกือบดึกถึงได้พากันไปบุญคำติดอยู่บนนั้นทั้งคืนพอตะวันขึ้นจะลงก็ลงไม่ได้อุตโกนห้ผีสางเทวาดาช่วยอยู่ตลอดเวลาจนหมดเสียงพอสายหน่อยมองลงไปหาแรกว่าตาฝาดเพอเห็นใครเดินดุมดุมออกมาจากราวป่าไม่หยุดยืนอยู่โคนต้น อีตอนนั้นก็ขยี้ตาอยู่หลายทีก็เห็นว่ามันเป็นแงาสายนั่นแหละเห็นอย่างถนัดที่สุดเลยนายมันมายืนแงนมองบุญคําอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนั่นแหละแบกพวงทอยมาด้วยบุญคํานึกว่ามันจะตอกทอยขึ้นมาช่วยแต่โกนเรียกมันจนเสียงแหบเสียงแห้งแต่มันยืนมองบุญคําเฉยเหมือนมองดูลิงอย่างนั้นแหละทักใหญ่มันก็โยนทอยไว้ใต้ต้นไม้ตัวมันเองเดินหายไปทางลําห้วยแห้งโ น, น่น จะเรียกยังไงมันก็ไม่ยอมหันกลับก็จนกระทั่งนายสองคนโผล่มาช่วยบุญคำเหมือนปาฏิหารินี่แหละดารินหันไปมองศพตารพินในขณะที่บุญคำเว้นระยะขยอกเนื้อย่างแทบไม่ยอมหายใจแกกินเหมือนไม่พบกับอาหารมานานเน้ะเลา่าต่อไปสิพรานใหญ่เตือนมาเพราะไอ้เงยไซหายไปแล้วบุญคำก็แขวนตองแตงเปลิงอยู่บนนั้นะ นึกว่าอีทีนี้น่ะตายแน่แต่สักพักใหญ่ที่แล้วมานี่บุญคำก็ได้ยินเสียงปืนเสียงที่บอกให้รู้ว่าอย่างน้อยที่สุดพวกเราคนใดคนหนึ่งยังมีชีวิตรอดอยู่ได้และอยู่ในละแวทใกล้เคียงอี่ตอนนั้นกำลังมีอยู่เท่าไหร่ก็โหเป็นท่าซานออกไปหมดกะว่าโหก็ได้คอหอยแตกตายไปเลยเชลานายโชคดีเหลือเกินนะครับที่คุณหญิงยิงปืนนัดนั้นขึ้น ระพินพูดแผ่วเบากับหญิงสาวซึ่งสูดลมหายใจลึกอย่างยินดีและนึกขอบคุณต่อเจ้าป่าเจ้าเขาเราได้ยินเสียงของบุญคําก็ตามเสียงมานี่แหละถึงได้พบตัวเข้าบุญคําก็ได้ยินนายครั้งแรกเสียงตูม้มมันเป็นเสียงไรฟิลพอโหไปก็มีเสียงกูตอบอีทีนี้ก็รู้ตัวล่ะวะยังไม่ถึงที่ตายซะละมัง้งบุญคําก็เร่งกูเรียกใหญ่ ได้ยินเสียงกู่ต่อไกลเข้ามาทุกทีครั้งสุดท้ายได้ยินอยู่ในลำห้วยนะั่นเสียงกู่สัญญาณของนายบุญคันจำได้รู้ ท, ทั้งทั้งที่ยังไม่เห็นว่าต้องเป็นนายแน่โอ้ยดีใจจนแทบตกต้นไม้ทีเดียวหละแต่ท้ายไม่ออกเท่านั้นว่านายไปยังไงมายังไงและทำไมถึงโผล่มากับ น, นายหญิงเบียงสองคนว่าแต่นายกับ น, นายหญิงเธอรอตายแล้วผ่านมาทางนี้ได้ยังไงนี่ อย่าเพิ่งถามถึงด้านเราก่อนเลยบุญคำดารินเอ่ยเสียงแผ่วต่ำเคร่งขรึมจ้องหน้าบุญคำเขม็งเองื้อมมือมาจับไหลอันผอมบางของแกไว้บีบแน่ตอคบคาถามฉันก่อนดีกว่านีม่มีบุญคำเหลือรอดชีวิตอยู่เพียงคนเดียวเหรอนายใหญ่และพวกเราทุกคนไปอยู่เสที่ไหนคำถามชนิดนั้นสร้างความชะ ง, งักเงียบงันให้แกตาพรานเท่ากระดูกหลีก แกเงยหน้าขึ้นจากเนื้ อ, อยยากในมือหน้าที่เหยวคล้ำอยู่แล้วมองสลดลงไปอีกจนสังเกตเห็นได้ชัดพูดอะไรไม่ออกได้แต่กรอกหน้ามองดารินทีหนึง่งมองพรานใหญ่ทีนึงสลับกันไปมาอยู่เช่นนั้นกระเดือกความรู้สึกอันยากที่จะบรรยายถูกชนิดหนึง่งลงลำคอก่อนจะหลุดคำพูดออกมาอย่างยากเย็น บที่90นายหญิงเสียงของบุญคำแหบพร่าบุญคำเองก็กําลังจะถามนายหญิงกับพรานใหญ่อยู่เดี๋ยวนี้เหมือนกันว่ามีนายหญิงกับพรานใหญ่เหลือรอดชีวิตอยู่เพียงสองคนเท่านั้นเหรอนายใหญ่กับพวกเราคนอื่นๆไปอยู่เสียที่ไหนดารินตะลึงนั่นคอตกลงอย่างสิ้นหวังคําตอบของตาพรานเท่าบอกให้ทราบชัดว่า แกก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับหล่อนและรับพินนั่นเองคือไม่ได้รู้หรือระแค่ระคายถึงผู้ร่วมคณะคนอื่นๆเลยพบตนเองมีชีวิตรอดมาได้อย่างโดดๆดดตามลำพังเท่านั้นและดูเหมือนจะจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกเลยน้ำตาของหล่อนคลอก้มหน้าลงจอมทานเอื้อมือมาบีบแขนเบาๆเหมือนจะปลอบใจแล้วสอบซักถามความเป็นคน และสอบซักถามความกับคนของเขาอย่างใจเย็นเอาละบุญคาลองเล่าไปอย่างละเอียดสิหลังจากเกิดเหตุที่เราหนีขลุงช้างไปในถ้าและมันตามเข้ามาทันจนเกิดการโอลแมนไปหมดบุญคามีชีวิตรอดมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ยังไงป้าพรานเท่ามือขวาของเขาบรรยายถึงเรื่องราวที่แกเผชิญให้ทราบว่า ภายหลังจากขลุงช้างหนีไฟไล่กวดเข้าถ้ามาจนถึงตัวแล้วกต่เองก็ไม่สามารถจะจำภาพหรือมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใครทางด้านใดทั้งสิเพราะขณะนั้นมันสับสนอลงมานไปหมดในถ้มกลางความมืดได้ยินแต่เสียงร้องเออะโอวยวายอย่างตื่นตระหนกของพวกพองและเสียงแผดร้องของช้างขลุงนั้นดังสะท้านไปหมดทั้งคูหาถ้าปานแผ่นดินจะถล่มทลาย แกหาของอยู่คู่กกระินแล้วก็ได้ทิ้งหาบลงจากไหลเมื่อได้ยินเสียงเชิดาตะโก้ให้ทุกคนเอาตัวรอดอย่างอิสระอันเป็นประโยคคำสุดท้ายที่แกได้ยินจากนั้นก็ตะกายหนีไปเบื้องหน้าสุดแรงเกิดแล้วก็รู้สึกว่าลนวูบลงไปในเหวที่มองไม่เห็นหมดสติขาดความรู้สึกไปมาฟื้นอีกครั้งพบตนเองถูกกระแสน้ำตื้นๆพัดมาติดแง่หินแห่งหนึ่ง มันเป็นลำคานใต้น้ำภายหลังจากนั่งทบทวนความทรงจำปูตะโกนเรียกหาพักพวกอยู่พักใหญ่เมื่อไม่ได้ยินเสียงใครตอบมาเลยแกก็เริ่มเดินตามสายน้ำในถ้ำนั่นออกมาเป็นเวลา น, านานสักเท่าใดไม่ทราบก็โผล่ออกมาในระหว่างซอกเขาใหญ่สองลูกซึ่งเป็นทางไหลออกของลำธารเล็กๆภูมิประเทศเป็นป่าดงดิบขณะนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วป่ากาลังจะมืด แกก็หาที่พักนอนอยู่ริมบริเวณปากทางนั้นคืนหนึ่งพอรุ่งขึ้นก็ออกเดินกระเซาะกระเซินพยายามค้นหาพักพวกหากว่ า, า จ, จะพบมีใครรอดตายอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ร่องรอยหรือวิแววอะไรเลยทั้งสิ้นตลอดระยะทางที่รอนแรมบุกบันอยู่ในโดงทึบ อ, อย่างปราศจากจุดหมายมองไม่เห็นสัตว์ใดๆเลยทั้งสิ้น ต้องอาศัยขุดหัวเผือกหัวมันประทังชี้ไปตามแกนคิดว่าคงจะมีตนคนเดียวที่เหลือชีวิตรอดอยู่ครั้นแล้วในตอนเย็นของวันเดียวกันนั้นเองก็เดินหลงเข้าไปในขรุชางโบราณดังเช่นที่ได้เล่าให้ฟังแล้วจนกระทั่งหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้และในที่สุดรบพินกับดารินก็ตามเสียงกูมาช่วยไวบุญคาพันนาถึงสิ่งที่ตนเองประชิญ ตลอดจนความรู้สึกทั้งหลายให้ทั้งสองฟังอย่างถี่ยิบซึ่งภายหลังจากฟังแล้วทั้งรพินและดารินก็ลงความเห็นว่าสภาพของแกไม่ได้ผิดอะไรกับตนเองเลยแล้วเขาก็อธิบายให้แกรู้บ้างว่าทั้งเขาและนายหญิงรอดชีวิตมาได้อย่างไรรวมทั้งได้เผชิญกับอะไรบ้างจนกระทั่งท้ายสุดเงาซายได้นาทางมาจนพบ และช่วยเหลือแกไว้ได้ทันเพราะเอ่ยถึงแง่ทรายบุญคำก็มีสีหน้าเดือดแค้นโทโสขึ้นมาสมุดด่าลั่นไอชิปหายนะผมไม่เข้าใจมเลยนะนายมันทำให้พวกเราต้องบันเลยจากกันไปหมดทั้งคณนะไม่คิดเลยว่าจะได้พบเห็นมันอีกแต่แล้วก็ยังเห็นมันอยู่จนได้อ๋อนี่มันไปเดินนำนายกนายหญิงให้มาพบบุญคางั้นเลยอย่าไปด่าว่าลงโทษอะไรแง่ทรายเลยบุญคา ดารินกล่าวมาอย่างสงบนี่ทำไมได้ในเงซายนำทางชั้นกระผ่านใหญ่มาบุญคำก็จะติดอยู่บนต้นไม้นั่นแหละอย่างน้อยที่สุดแม้จะเสียสติถูกอะไรเข้าสิงจนผิดไปจากเงซายคนเดิมแต่เขาก็ยังมีสัญชาตญาณในด้านเป็นมิตรและคอยให้การช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะบุญคำยกมือรูปทางพื้พรนมันบ้ามันบ้าไปแล้วจริงๆ บุญคำเห็นมันชัดที่สุดตอนที่มันแบกทอยมายืนแงนมองบุญคำอยู่แววตาของมันน่ะเหมือนเสือหรือมิฉะนั้นก็ผีหาก็อาจจริงที่บุญคำรอดตายแล้วได้พบกับพรานใหญ่และนายหญิงเพราะมันก็ทําไมมันมาพบบุญคำแล้วแบกทอยมาแล้วไม่ยักกระตอกทอยขึ้นไปช่วยบุญคำเองทิ้งลูกทอยไว้คนต้นแล้วพาไปนํานายสองคนไม่พบถ้าเขาเป็นแง่ใส่ แน่ละ่ะเขาจะต้องตอกทอยขึ้นไปช่วยบุญคำก่อนแล้วแต่นี่เขาไม่ใช่แง่ทรายแม้ร่างกายของเขาจะใช่ก็ตามแต่การแบกทอยมาทิ้งไว้โคนต้นการไปตามฉันและพรานใหญ่มาก็บ่งความหมายชัดอยู่แล้วนี่ว่าต้องการจะช่วยบุญคำและให้เราได้พบกันเขาต้องการเพียงแค่นั้นแต่ถ้าเขาตอกทอยขึ้นไปช่วยบุญคำแน่ละ่ะพอลงมาถึงพื้นดินแล้ว บุญคำก็ต้องจับตัวเขาไว้เพื่อสอบซักถามเขาไม่ต้องการให้พวกเราคนใดคนหนึ่งเข้าใกล้ชิดตัวเขาดารินพยายามอธิบายให้บุญคำเข้าใจตาพรานเท่านิ่งไปครู่ก็หันไปหาเจ้านายถามอ่อยๆอว่านี่เหลือเรารอดตายอยู่เพียงสามคนเท่านั้นหรือนายคำถามนั้นทำให้ระพินไพรวันปันที่คอหอย เหลือไปที่นายจ้างสาวอย่างไม่ตั้งใจก็เห็นรอยแดงๆปรากฏขึ้นที่ขอบตาของหลอนขณะนี้เรารู้แน่ว่าเรายังมีชีวิตรอดอยู่สามคนรวมทั้งเจ้าแหย่สายด้วยอีกคนหนึ่งก็เป็นสี่คนแต่พวกเราอีกแปดคนจะเป็นตายรายดียังไงนะ่ะเรายังไม่รู้เขาตอบด้วยเสียงเคร่งขรึมตาพรานเท่าถอนใจเฮือกเสียงของแกแหบแห้งอยู่ในลาคอ ป่านี้นะ่มันอาถรรพ์จริงๆนะนายบุญคำก็เรียนมาสนักตอนนักเปิดป่าได้ทุกป่ามาตลอดชีวิตแต่สำหรับไอ้ดงหาเหวนี่บุญคำมืดมนไปหมดสกดมันไม่ลงเมื่อวานนี้ทั้งวันก่อนจะเจอช้างบุญคำเดินหลงเป็นวงกลมหาทางออกไม่ได้เดินไปเดินมาก็มาทะลุกออกที่เก่าวนอยู่ได้ตั้งสองสารอบไม่ยอมออกพ้นหุบจนกระทั่งเจอช้างเข้าจนได้ เดี๋ยวน า, นายให้บุญคำไปเอาของก่อนไม่รู้ไอ้พวกนั้นกระทึบปนปี้ไปหมดแล้วหรือยังกราพางแกก็กระโดดลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วเดินผละไปโดยเร็วดารินร้องทักมาเร็วปือบุญคำนั่นจะไปไหนอ่ะปืนแล้วก็ข้าวของบุญคำมันตกอยู่ตรงชายห้วยโ น, น่นบุญคำจะไปหาดูนหญิงจะไปคนเดียวได้ยังไงเดี๋ยวก่อนฉันไปด้วย หลอนว่าพร้อมกับขยับตัวจะลุกขึ้นเดินตามแกไปแต่แพนใหญ่ฉุดแขนไว้ไว้ให้แกไปตามลำพังก็ได้ครับไม่ต้องค่งหรอกระยะห่างแค่นี้เองบุญคำา อ, อกตัวรอดได้เสมอไม่จำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงคุ้มกันหรอกครับพักใหญ่ต่อมา ระหว่างที่ทั้งสองยังนั่งสนทนาหารือรอกันอยู่ที่เก่าร่างของตาพรานเท่าก็โผล่มาจากปากคัว้วชูรไรเฟิลจุดสามเจ็ดห้าแม็กนัมประจำตัวและเป้หลังหัวร่อราเข้ามาอย่างยินดีแบบนี้แกสวมเสื้อผ้าของแกเรียบร้อยแล้วนายดีแท้เทียวเจ้าปาช่วยบังตามันไว้บุงคำ น, นนึกว่าป่านี้มันกระทึบปนปไปหมดแล้วบังเอิญพวกมันคงมองไม่เห็นตกอยู่ในลาห้วยนน ได้คืนมาครบเลยนายแกแล่นเข้ามาถึงก็ทิ้งกายลงนั่งตรวจสอบไรเฟิลอย่างดีอกดีใจเหลือที่จะกล่าวบนต่อมาไม่ทันยิงเลยเมืวันนี้มันน่าจะซัดให้แอ n งแมงสักตัวสองตัวก่อนจะหนีขึ้นไปเป็นลิงอยู่บนยอดไม้นั่นมันอ่อนแรงหมดกำลังวางชาตาลายไปหมดเออเมื่อกี้ที่นายเล่าก็เหมือนกันทำไมไม่ซัไอ้จ่าโขงให้ความไปบุญคันเจ็บใจนะัก ไอ้โคลงนั้นแหละที่มันขับบุญคำอะ่ะเรารอดตายพบกันแล้วก็อย่าไปคิดอาฆาตพยาบาทอะไรมันอยู่อีกเลยย้อมพรานพูดตบที่ไหลพรานเท่าคู่ใจเบาๆคิดดูอีทีก็เหมือนมันจะช่วยบุญคำได้มาพบกับฉันนะถ้าไม่หนีช้างขึ้นไปติดอบนต้นกลางนี่ป่านนี้ไม่รู้เดินหลงตเตลิดไปไหนแล้วแล้วเราก็คงไม่ได้พบกันเห็นหน้านายกันนายหญิง บุญคำดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เชียวฉันก็เหมือนกันดีใจที่พบบุญคำรอดตายแต่ก็กลุ้มใจวิตกจนบอกไม่ถูกที่ยังไม่ได้ข่าวพวกเราคนอื่นๆ อ, อีกแปดคนดารินบอกภายหลังจากนั่งกอดเขา่าเอามือประสานวางโป้ไว้บนหัวอยู่ครู่ตาพรานเท่ากระดุกเหล็กก็บอกว่าทำใจดีๆไว้เถอะนายหญิงบุญคำยังรอดตายได้ นายหญิงและพรานใหญ่รอดตายได้ก็ทําไมพวกเราคนหนึ่งอื่นถึงจะรอดไม่ได้ละ่ะวันนี้บุญคํามองเห็นป่ามันปโปร่งแจ่มใสไม่มืดมัวเหมือนวันแรกเราคงจะได้ข่าวพวกเราแน่ทุกป่าทุกดงถ้าบัณบุญคําอยู่ร่วมกับพรานใหญ่ระพินนายหญิงไม่ต้องกลัวพรานใหญ่เรียนมาอย่างหนึง่งบุญคําเรียนมาอีกอย่างหนึง่งถ้าแยกกันเราอาจอับจน แต่ถ้ารวมกันป่าที่มืดมันก็จะสว่างละนายหญิงดารินฝืนยิ้มเศร้าๆฉันเชื่อเชื่อในพรานใหญ่ระพินและบุญคำและเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งอบอุ่นใจขึ้นอีกมากที่ได้บุญคำมาสมทบอีกคนหนึ่งแต่อนาคตเป็นสิ่งที่เราทำนายไม่ได้นะเสียดายที่เมื่อคืนตอนที่ไอ้สมิงพรายกับไอ้ผีหัวโลนเข้าเล่นงานนายหญิงกับพรานใหญ่ เสียดายจริงๆบุญคำไม่ได้อยู่ด้วยแต่อยู่ก็น่าดูชมและคำรามอย่างหมมั่นปั้นมือแต่อีแค่ช้างโขงยังวิ่งขึ้นมาเป็นลิงอยู่บนต้นไม้พ่านใหญ่ขับคอคนของเขายิ้มยิ้มโท่เจอเอาไอ้ครองดำกับไอ้ผีดิบนั่นบุญคำมิดำดินมุดเข้ารูกระบอกไม้กลายเป็นตัวตุ่นไปเลยหรือตาพรานเท่ายิ้มเห็นเหงือกโธ่นาย ช้างน่ะมันพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ผีสางแม่นางก้งน่ะบุญคําพอรับไหวนายลูกปืนยิงมาทําไมให้เสียเวลาทําไมถึงไม่ถอดหัวออกเอากรวดใายเศกใส่เข้าไปแล้วยิงเหมือนเมื่อคราวนางไม้อลาวานครั้งนั้นอ่ะเอาเถอะเอาเถอะเจอกันก็ดีลวะวถ้าเราพบกับมันอีกครั้งบุญคําแสดงฝีมือก็แล้วกันบุญคําบอกนายแต่แรกแล้วขอผ้าเลือดของผู้หญิงให้บุญคําผืนเดียวเท่านั้นแหละ กคเพลตัวหลุดปากออกมารพินจ้องหน้าจึงรีบตะครุบ ป, ปากไว้แต่ก็ช้าเกินไปกว่าที่จะไม่ให้ดารินได้ยินและสงสัยอะไรนะบุญคำผ้าเลือดอะไรล่ะที่พูดหลอนซักโดยเร็วขมวดคิ้วจ้องหน้าบุญคำชํำเลืองมองหน้าพรานใหญ่แล้วยิ้มแห้งๆอ้อมแอมเมื่อนายหญิงถามซ้ำมาอีกเลือดเอ่อ เลือดของผู้หญิงนะนายหญิงเลือดเลือดของผู้หญิงเหรอดารินทวนคำอย่างตื่นงงไม่รู้เรื่องอยู่เช่นนั้นหันไปมองหน้าพรานใหญ่กระพินทนต่อสายตาคำถามนั้นไม่ได้ก็เลยจําใจต้องอธิบายว่าบุญคำก็หมายถึงเบนสเลือดประจำเดือนของผู้หญิงไงหม่อมราชาวงศ์สาวลืมตาโตอาการของหล่อนยังไม่สแสดงว่าเข้าใจอะไรขึ้นมาเลย นอกจากยิ่งประหลาใจร้องออกมาเสียงสูงเม่นแล้วมันเกี่ยวอะไรกันน่ะคืออย่างนี้ครับคุณหญิงบุญคำนะ่ะแกะบอกผมมันนานละตั้งแต่เราพบเสือหินในถ้ำแกบอกว่ามันจะต้องเป็นสมิงพรยคือสามารถถ่ายเทวิญญาณได้กับซากศพของเจ้านักบวชโลนนั่นความเชื่อของแกปรากฏว่ามันตรงกับเหตุการณ์จริงที่เรามาค้นพบกันมาก กันภายหลังทุกอย่างแต่ในขณะที่แกมากระซิบบอกผมคราวนั้นนะ่ะผมไม่มีเหตุผลพอที่จะรับฟังข้อสนิฐานของแกได้บุญคำเรียนมาทางสยเวทอาคมและม่นมืดตัวเองนอกจากจะเป็นพรานแล้วยังเป็นหมอผีด้วยจะ บ, บอกว่ามีสิ่งอาถรรพ์จะต้องแก้กันด้วยความอาถรรพ์แบบน้ำยอ่อเอาน้ำบง่งแกว่าถ้าเอาผ้าซับประจาเดือนของผู้หญิงผูกติดขกซ า, า, ากเสือหิน หรือซากศพที่เราจะพบก็ตามวิญญาณก็จะไม่สามารถถ่ายเทกลับเข้าร่างนั้นได้อีกจะมีสภาพเป็นหินหรือเป็นศพมัมมี่อย่างไรก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่มีโอกาสเคลื่อนไหวหรือลุกขึ้นมาเดินได้อีกล้ปแปลกเหลือเกินเป็นความจริงเหรอเนี่ยดารินร้องออกมาอย่างลืมตัวนายหญิงก็เห็นกับตาแล้วนี่ว่าวิญญาณของไอ้เสือแมลงผู้นั้น แกไอ้ผีตายซาดเป็นวิญญาณเดียวกันเพียงแต่ว่ามันจะเข้าสิงร่างไหนเท่านั้นนาหญิงเชื่อบุญคำเถอะมันต้องจริงอย่างบุญคำว่าสิบุญคาไม่เคยเห็นกับตามาก่อนในเรื่องนี้หรอกแต่ปู่ทวดครูบาอาจารย์ก็สอนบุญคำมาพรานเท่ายืนยันกระหล่อนแข็งขันสีหน้าของแกเครียดเคร่งจริงจังปราศจากแววตลกขนองอันเคยเป็นนิสัยประจาตัว หอดารินซอยเปลือกตาทีทีเกือบจะหลุดปากออกมาแล้วว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแต่แล้วประโยคนั้นก็ชงักอยู่ในลําคอหลายต่อหลายสิ่งมันได้เป็นไปแล้วจนหล่อนเลิกใช้คําถามชนิดนี้ไปนานและไม่เคยคิดจะถามอะไรใครเกี่ยวกับประโยคนี้อีกแล้วอึ้งไปครู่ใหญ่แต่แววตาใช้แสงฉงนสนเท่เลือที่จะกล่าวบุญคําบอกต่อไปว่านี่ ถ้าพรานใหญ่เชื่อบุญคํำจะแต่แรกนะเราก็จะไม่ลําบากกันถึงเพียงนี้หรอกเอาผ้าเลือดผู้หญิงผูกติดไอ้เสือหินที่เราพบในถ้านั่นใช่คราวนี้ก็เหลือแต่ไอผีตายซากอยู่เพียงตัวเดียวถ่ายวิญญาณกลับคืนเข้าร่างเสือไม่ได้มันจะแสดงฤทธิ์กับเราไปได้ถึงไหนเมื่อถอดวิญญาณหนีไม่ได้เราก็ฆ่ามันได้ง่ายที่สุดดาบเล่มเดียวเท่านั้นแหละบุญคําจะฉาไอขาดเป็นสองท่อนดีเดียว ไห้หลังจากนั่งงงอยู่ครู่ใหญ่ดารินก็เปลี่ยนสายตาพิกลไปจับอยู่ที่จอมพรานเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่น่าทดลองเหลือเกินนะนี่คุณไม่ได้แย้มพรายให้พวกเรารู้มาก่อนเลยในสิ่งที่บุญคำบอกนี่ผมเห็นว่ามันไร้สาระเกินไปอะ่ะเขาสารภาพตามตรงอ่ะและตอนนี้ยังเห็นว่าไร้สาระอยู่อีกหรือเปล่า เขาเองกลับเป็นฝ่ายหลบตาหล่อนยักไหลแล้วนิ่งเงียบเฉยๆโดยไม่เอ่ยคำใดดารินจึงเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่ตาเท่าบุญคำบุญคำเชื่อเช่นนั้นแล้วทำไมถึงไม่บอกพวกเราให้รู้เสแต่แรกละ่ะก็บุญคำไม่กล้าสินายหญิงบุญคำมีอะไรก็ปรึกษาหารือกับพรานใหญ่ก่อนถ้าพรานใหญ่เห็นสมควรด้วยก็จะบอกพวกเจ้านายเองละ่ะ คุณปกครองคุณของคุณได้ดีเหลือเกินนะมีหน้าดิตลอดเวลาที่จะออกเดินทางมาฉันเห็นคุณกับพวกลูกน้องซุบซิบอะไรกันอยู่เรื่อยมีรับลมคมในอยู่เสมอจนไม่น่าไว้ใจอะ่ะเพราะข้าไปถามก็บอกว่าไม่มีอะไรฉันบอกตามตรงนะว่าในระยะเดินทางแรกๆเนี่ยฉันไม่ไว้ใจคุณเลยมีอะไรก็ไม่เคยบอกตามตรงอะ่ะดารินต่อว่าผมไม่ได้มีรับลมคมใน หรือว่ามีแผนที่จะคิดทรยศอะไรเจ้านายทั้งสิ้นนะครับคนของผมที่มาด้วยกันทำงานกันเป็นทีมเวิร์แล้วมีอะไรก็ต้องปรึกษาหารือกันเองก่อนและถ้าจำเป็นที่จะต้องให้คณะเจ้านายรู้ผมก็จะไม่ปิดและบางเรื่องนะมันไร้สาระเกินไปเป็นต้นว่าครั้งหนึง่งสยแอบเดินเข้ามากระซิบกับผมว่าไปเจอลายพาดกรอสองตัวกาลังผสมพันธุ์กันอยู่มาขออนุญาตไปยิง ผมก็ห้ามไว้แล้วคุณหญิงก็เดินพวดพลาดก็มาถามผมว่ามีอะไรผมว่าเป็นต้องบอกว่าเปล่าไม่มีอะไรก็อย่างนี้เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่มีสาระสมควรจะต้องรายงานให้ทราบแล้วเรื่องผ่ า, ารัพบประจาเดือนที่จะแก้อาถรรพ์ของเจ้าวิญญาณร้มันไรก็เหมือนกันบุญคำบอกผมจริงแต่จใจผมเอาอนโยบายนี้ไปบอกคณะนายจ้างทราบยางนั้นเหะผมเองจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะ ว่ามันจะมีผลศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนฉันรู้รู้ว่าคุณเป็นคนมีมารยาทดีแล้วก็หน้าบางหล่อนคอนพูดมาเหมือนประชดรพินเอามือลูบหน้าตัวเองตอบเรียบเรียบที่ไหนได้หน้าผมมันหนาอย่กันหนังช้างหน้าคนตาคนดงเจ้าที่ไหนมาบางยิงสาวคอนอีกครั้งอย่างหมันไส้แล้วจ้องนิ่งไปยังบุญคำผู้ซึ่งบัตรนี้ ก็ไม่ยอมสบตาหล่อนถ้าบุญคาให้พวกเรารู้ก่อนหน้านี้ก็คงได้ทดลองกันไปนานแล้วล่ะแต่มาบอกก็เดี๋ยวนี้จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อสิ่งที่บุญคําต้องการ่ะมันไม่มีแต่ถ้าจะให้กรีดเลือดกันออกจากร่างกายเดี๋ยวนี้ฉันก็ยินดีที่จะกรีดให้นะใช้ได้ไหมบุญคําสั่นศีรัทยิ้มแห้งพูดลิ้นคับปากอยู่ตามเดิมไม่ได้หรอกนายหญิง เลือดธรรมดานะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนี่แปลว่าคุณหญิงศรัทธานในสิ่งที่บุญคำบอกเหรอครับเนี่ยจอมพรานถามมองหล่อนด้วยสายตาตรงดารินเลิกคิ้วนิดนึงตะแคงใบหน้าก็ไม่เป็นสิ่งที่น่าจะทดลองดูหรอกละ่ะสาบานว่าถ้าฉันมีแล้วก็ฉันจะให้ทันทีแต่เสียใจเหลือเกินนะอีกนานกว่าจะถึงเวลานั้นหล่นพูดเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเขาเข้าใจโดยเฉพาะไม่ให้บุญคํารู้เรื่องว่าหล่อนพูดอะไรแล้วก็หัวเราะออกมาไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับมวลมืดมายานี่มันมีอะไรปแปลกๆนะถ้าจะพูดกันตามทัศนะในทางแพทย์แล้วนี่ประจำเดือนของผู้หญิงก็คือเลือดตามปกติธรรมดาที่ขับถ่ายออกมาโดยธรรมชาตินี่เองไม่เห็นว่าจะมีอะไรถือว่าเป็นเลือดเสียเลือดสะกะปรกหรือของต่ําช้าสามานซักนิด ก็รอสุดตายซากพันปีที่ลุกขึ้นมาเดินได้พูดได้นั่นแหละครับทัศนะในทางแพทย์มีความเห็นยังไงก็ถึงว่าสิฉันยอมรับแล้วนี่วะทฤษฎีวิชาความรู้ในโลกสว่างที่ร่ำเรียนมาทั้งหลายแหลนะ่น่ะมันพลิกกลับตลบตัดไปหมดเอามาช่วยอะไรไม่ได้เลยนายเมื่อคืนนี้ตอนที่ติดอยู่บนต้นกลางนะ่ะ ผีป่ามันหลอกหลอนบุญคำตลอดทั้งคืนเลยละนายครั้นแล้วบุญคำก็บอกขึ้นมาหน้าตาเฉยระพินไม่สนใจที่จะซักแต่ดารินถามโดยเร็วว่าอืมมันหลอกยังไงไหนเล่าให้ฟังทีนายหญิงบุญคำมองลงมาข้างล่างป่าทึบใต้ต้นกลางนี่มันสว่างสวยไปหมดมันเป็นเมืองชัดๆเลยนะยหญิงบุญคำเห็นผู้คนฝากฝ่ายเต็มไปหมด มีรถมามีเกวียนมีถนนหนทางมีบ้านเรือนเหมือนใครมาฉายหนังกลางแปลงให้ดูยังงั้นแลนะนายหญิงพอตั้งสติบริกรรมขัดมันก็หายไปแต่พอเผลอมองลงมาอีกก็เห็นอีกครั้งสุดท้ายบุญคำปัดสวะรถลงมาภาพที่เห็นมันเลยหายไปหมดคำบอกเล่าของบุญคำทำให้พรานนาทางกับนายจ้างสาวหันมามองตากันโดยไม่ได้นัดหมายกันอีก บุญคำเห็นเป็นภาพบ้านเรือนเหรอดารินถามเสียงสูงใช่แล้วนายหญิงเมืองอะไรก็ไม่รู้สิรูปร่างบ้านเรือนมันก็แปลกออกไปไม่เหมือนเมืองในจังหวัดหรือเมืองบางเกอกอย่างที่บุญคำเคยเห็นมันมีเชิงเทินมีกำแพงสูงโน้มมีอะไรที่มันรูปร่างคล้ายๆโบสถสูงลักษณะก่ออิดถือปูนบางแห่งก็คล้ายๆเอาหินสกัดทั้งแท่งมาเรียงกันไว เหมือนปราศาสตหินพี่ไม้ที่บุญคำเคยเห็นมาเออและผู้คนล่ะเขาแต่งตัวกันยังไงหล่อนซักไซตต่อไปโดยเร็วอย่างสนใจยิ่งบุญคำหลับตาลงครู่หนึ่งเหมือนพยายามจะเรียกร้องความทรงจำหรือมิฉะนั้นก็เพ่งภาพที่แกเห็นให้ปรากฏขึ้นอีกครั้งบุญคำก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะนายหญิง มันแต่งตัวกันเหมือนพวกละครหรือยีกเกนั่นแหละถือหอกถือดาบโล่เขนแล้วก็ธนูแล้วก็มีแพะแกะวัวควายด้วยนะนาะยหญิงแล้วเห็นเจ้าหญิงโฉมงามนั่งมาในวอทอคานหามด้วยหรือเปล่าละ่ะดารินถามเร็วฝรือออกมาไม่เห็นนะบุญคาเห็นแต่ภาพบ้านเมืองแล้วก็ชาวเมืองแหม น, น่าเสียดายเหลือเกินที่บุญคาให้ภาพเหล่านั้นสลายไปสก่อน ้เป็นชั้นแล้วก็จะขอดูต่อไปถึงที่สุดทีเดียวว่าจะเห็นอะไรอีกโอ้บุญคำจะไปดูมันทำไม้นะหญิงก็รู้อยู่แล้วนะว่าผีมันหลอกแกตอบตามปราษาของแกระพินดูเหมือนระพินดูเหมือนกับว่าเรากำลังจะเข้าถึงจุดหมายแล้วนะหญิงสาวกระสิบแต่ผมยังมองไม่เห็นข้าเงื่อนอะไรทั้งสิ้นเลยนะคุณหญิงคุณไม่คิดบ้างเหรอ ว่าปร า, าสาทร้รางที่มีเจ้าหญิงนิทรา น, นอนสงบอยู่ในโรงแก้วคุณจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่ใกล้ไม่ไก ล, าไกลาจากเราในขณะนี้พ่านใหญ่ลุกขึ้นยืนบิดกายอย่างเมื่อยขบรู้สึกว่าร่างกายได้รับการพักผ่อนพอสมควรแล้วและพร้อมที่จะออกเดินทางต่อไปตอบพร้อมกับยิ้มกล้านๆกล้ว่าในขณะนี้ผมไม่มีความคิดอื่นใดทั้งสิ้นนะครับนอกจากคิดอยู่ประการเดียว ว่าคุณชายเชิฐาและพวกเราอื่นๆอยู่ที่ไหนนั่นคือเป้าหมายแรกที่เราจะต้องค้นหาเอาละครับเราอย่าเสียเวลาเลยเตรียมตัวเดินทางกันต่อไปเถอะเดินนะ่ะเดินได้แล้วก็ต้องเดินอยู่วันยังค่มดารินว่ายันกายลุกขึ้นเดินตามเหวี่ยงไรเฟิลขึ้นไหลพร้อมถอนใจยาวแต่ไม่รู้จะเดินกันไปทางไหนนี่ที่ อย่ากลัวนายหญิงบุญคารู้แล้วละ่ะว่าจะต้องเดินไปทางไหนทันใดนั้นเสียงแผ่วต่าของบุญคาก็แทรกเข้ามาขณะที่แกยังนั่งขับสมาธิอยู่กับพื้นจ้องตาเป๋งไปยังเบื้องหลังของคนทั้งสองซึ่งกำลังยืนเคียงกันอยู่ในขณะ น, นี้ทำไมเหะบุญคารู้ได้ยังไงว่าเราควรจะบ่ายหน้าไปทางไหนหญิงสาวถามอย่างสงสัย ก็เห็นพรานเท่าเสยะยิ้มบุยปากไปเบื้องหน้าหันไปดูอะไรนน่ะนายหญิงทั้งดารินและรพินบุ๋นตัวควับไปทางเบื้องหลังพร้อมกันกลางแสงอารามเรืองของตะวัน ที่สตา์ลอดร้อยโวของกิ่งไม้ลงมาร่างหนึ่งยืนเด่นระ ง, งานอยู่บนเนินปลวกลูกหนึ่งและเห็นอย่างถนัดชัดเจนที่สุดเพราะทิศทางนั้นไม่มีอะไรบังอยู่เลยนอกจากพงไม้เตี้ยๆแสงแดดส่องให้เห็นผิวหน้าสีทองแดงเป็นมันระยับราวกับภาพปัน้นมันห่างจากที่ทั้งหมดรวมกลุ่มกันอยู่ใต้ต้นกลางเพียงไม่กี่สิบก้าเท่านั้น และเห็นแม้กระทั่งริมฝีปากที่แย้มสยายยนเผยไรฟันขาวและประกายตาอันคมกล้าวร่างนั้นยืนจ้องอยู่ก่อนแล้วโดยการหันหน้ า, าเชิญตรงบุญคำค่อยๆเอื้อมมือไปคว้าไรเฟิ้นของแก่แต่ระพินไรวันเหยียบลำกล้องไว้พร้อมกระซิบเฉยบุญคำเฉยไว้ไอ้ผีป่าแงาย มันโผลไม่เห็นอีกแล้วบุญคำอยากเอาลูกปืนแกะสะบ้าหัวเขามันออกนะักมันจะได้ไม่หนีเราไปไหนอีกตาพรานเท่าคำรามอยู่ในลำคอทุกคนเตรียมพร้อมจ้องภาพของแง่ทรายที่สําแดงตนให้เห็นอย่างชัดเจนระยะใกล้ๆและซึ่งหน้านั้นตาไม่กระพริบพยายามจะอ่านท่าทีแล้วก็ยิ่งชะงนใจอยู่ครามครันเมื่อเห็นรอยยิ้มนั้นสยายกว้างออกไปอีก มันกำลังยิ้มให้ทั้งสามคนแต่เป็นยิ้มที่เต็มไปด้วยปริศนาอันสุดที่จะขบคิดนายคอยอยู่นี่นะบุญคำจะโกรธจับมันเองระยะแค่นี้บุญคำไล่ท่านเสียงบุญคำกระซิบมาอีกระพินร่างแขนไว้อย่าไม่มีประโยชน์โหวดให้กางเกงหลุดบุญคำก็ไม่มีวันจะถึงตัวมันได้บอกให้เฉยๆไว้ก่อนไง ดูการของมันสิว่ามันจะเอาอยัางไงแงซายเรากำลังต้องการตัวเธอนะกลับก็ามาหาเราเธอแงซ า, ายดารินร้องบอกไปด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนกอบไปด้วยความปราณีและพยายามจะส่งภาษาให้เข้าใจให้ได้ร่างนั้นไม่ตอบแต่สังเกตได้ชัดว่าเบนสายตามาจับอยู่เฉพาะที่ดารินวราริป ครั้นแล้วอย่างที่ทุกคนดาอาการต่อไปไม่ถูกแง่ใส่ ย, ยกมือขึ้นโบกพร้อมทั้งหันหลังกลับออกเดินดุ่มไปด้วยอาการเป็นปะกติลักษณะนั้นบ่งความหมายชัดให้ตามไปมันเรียกเรามันโบกมือให้เราตามไปอ่ะนายบุญคำร้องก็ต้องตามกันให้สุดแผ่นดินละไปดูสิมันจะนาเราไปถึงไหนคราวนี้แปลกมาก โผลกมาโบกมือเรียกเลยจอมพลานว่าทั้งสามเคลื่อนออกจากที่สาวเท้าติดตามเงยทรายไปในทันทีนั้นรพินลำไปเบื้องหน้ากันดารินไว้ให้เดินกลางโดยสั่งบุญคำให้คอยระวังหลังไว้ทุกขณะร่างของคนดงผู้ลึกลับอดีตองคารักษ์ประจำตัวของดารินเดินนำเนิบเนิบ ด้วยฝีเท้าอันได้จังหวะสม่ำเสมอไปเบื้องหน้าดูราวกับว่ามันจะกลับเข้ามาร่วมคณะแล้วและนำทางไปยังที่ใดที่หนึ่งแต่ก็ยังรักษาสภาพอันลีลับเหมือนผีป่าของมันไว้ตามเดิมหลายต่อหลายครั้งที่ระพินทดลองเร่งฝีเท้าเพื่อจะกวดให้ทันและโดยไม่ได้หันหลังเหลียวกลับมาดูเลยร่างนั้นคงรุดไปเบื้องหน้าโดยรักษาระดับห่างไว ตามเดิมไม่ยอมให้เข้าชิดได้อยู่นั่นเองผ่านป่าโคกหุบเขาไหลเขาแล้วก็ท่อตามทางด่านลงไปสู่เบื้องตา่าตามลำดับจากนาทีเริ่มล่วงเลยไปเป็นชั่วโมงฝ่ายนำและฝ่ายตามรุดหน้าไปสู่อนาคตที่ไม่สามารถทำนายได้อยู่เช่นนั้นหุนทางปลอดโปรงเงียบสงัด ไม่มีสัตว์ชนิดใดแพ้วพานกระโตกกระปากให้เห็นเลยนายพาถูกไหมมันจะพาเราไปไหนบุญคำอดไม่ได้ที่จะกระซิบถามขึ้นมันคงพาเรากลับห น, อง น, อ, งนองน้ำไห้หนองน้าแห้งมั้งพรานใหญ่ตอบดารินยิ้มออกมาได้นี่นายพรานฉันขอให้คุณมีอารมณ์ขันอย่างนี้ไปตลอดเถอะอย่าเคร่งเครียดนักเลยที่เดินนำอยู่ข้างหน้านั่น จะเป็นแง่ซายหรืออะไรก็ตามทีแต่เขาก็เป็นมิตรกับเราแน่ไม่ใช่ศัตรูครับแต่มิตรประเภทไหนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันสังเกตไหมครับรูปร่างลักษณะของมันนะแปลดเปรี้ยวแข็งแรงดีเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้สูบผอมอิดโรยไปเลยผมสงสัยแทจริงนะว่ามันดำรงชีวิตอยู่ในป่านี้ได้ยังไงแม้ว่าจะมีพลังงานพิเศษเข้าสิงสู่ในตัวมันก็ตาม เจ้าประคุณเจ้าประคุณเอ้ยขอย้เขานำเราไปพบกับพวกพ้องที่พลัดพรากกระจัดกระจายกันอยู่ในขณะนี้เถิดดารินกระิกถ้างั้นก็จัดว่าบุญแต่บุญคำกลัวว่ามันจะพาพวกเราลงนรกเสียมากกว่านะสิตาพรานเท่าสอดมาเบาขึ้นต้นชั่วโมงที่สองดูเหมือนเจ้ามรคุเทศผู้ลึกลับ จะทอดระยะการนำห่างออกไปอีกจนสังเกตเห็นได้ถนัดถึงการเร่งฝีเท้าของมันทั้งสามเริ่มรู้สึกผิดปกติได้ในข้อนี้แต่ก็ยังไม่ปริปากคาใดทั้งสิ้นคงเร่งฝีเท้ากลัวตามไปอย่างไม่ลดละรักษาระยะห่างไว้ให้เท่าเดิมเพื่อการมองเห็นได้อย่างถนัดครั้นแล้วต่อมานั่นเองและพินผู้เดินอยู่เบื้องหลังก็รู้สึกตัว หยุดชะ ง, งักรอคอยอยู่ริมทางด่านอันสูงชันเมื่อได้ยินเสียงบุญคำกูเรียกมาหันหลังไปอีกทีก็พบว่าเขาทิ้งดารินกับบุญคำไว้เบื้องหลังห่างลิบอันเนื่องมาจากเร่งฝีเท้าติดตามแง่ทรายมาอย่างไม่ลดละจนลืมนึกถึงหญิงสาวส่วนบุญคำนั้นถ้าไม่ติดนายหญิงก็คงจะเดินตามมาทันแล้วพักใหญ่ต่อมา ทั้งดารินและบุญคำยิงเดินมาทันเขาผู้หยุดรออยู่นั่นหมายความว่าแง่สายได้หายลับตาไปซะแล้วหญิงสาวพอไตเนินขึ้นมาถึงก็หัวเขาอ่อนส่วนเซจะลมลงพรานใหญ่หิ้วปีกไว้แล้วประคองลงนั่งบนหินก้อนหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับคุณหญิงเขาถามอย่างเป็นห่วงดารินไม่ตอบลาเหน็ดเหนื่อยจนแทบขาดใจเพราะการเดินแบบเร่ง ระพินส่งกระติกน้ำให้หล่อนรับเอาไปดื่มกล้วคอและนั่งหายใจยาวๆจอมพ่านมองอย่างกังวลและสงสารยิ้มให้ขออภัยเถอะครับผมลืมนึกถึงคุณหญิงเห็นมันเดินเร็วขึ้นเหมือนจะพยายามทิ้งเราผมก็ลองเร่งฝีเท้าตามเอาไปว่าเราพักกันสักครู่ดีกว่าครับแง่ทราย ไ, ไปไหนละ หลอนถามหอบๆยอมพรานมองไปยังแนวทางด่านคดเคี้ยวในระหว่างป่าทรมึนรอบด้านทิ้งรับหายไปแล้วล่ะครับแต่โปรจะกังวลไปเลยต่อไปนี้เราจะตามมันในลักษณะแกะรอยทางด่านในระยะนี้พอจะสังเกตเห็นรอยเท้าของมันได้ชัดทีเดียวละครับเพราะเป็นดินขุยฝุ่นหนากล่าวพลาง เขาก็ชี้ให้องรอยเท้าที่ล่วงหน้าไปก่อนของแง่ใสซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่เป็นระยะบุญคำสบดพัมยกมือขึ้นเกาหั ว, หวกระด ก, กพิลึกแท้เท้านายที่แรกมันก็เดินช้าอยู่ดีๆแหละแล้วอยู่ๆมันก็เร่งฝีเท้าเปิดอ้าวหายไปเฉยๆบุญคำอ่านมันไม่ออกเลยจริงๆนะนายกระพินกัดริมผีปากแน่น หย่อนกายลงนั่งตรงข้ามกับดารินตาพรานท่าพลอยทิ้งกายแางขาลงกับพื้นไปขัดอยู่ที่ชั้นคนเดียวเท่านั้นดารินพูดอย่างเจ็บใจตนเองมองดูทั้งสองด้วยสายตาแสดงความเสียใจชั้นเดินช้าเป็นอุปสรรคถ่วงพรานใหญ่กระ บ, บุญคำอยู่มัวแต่ห่วงชั้นป้าหมายของเราเลยหายไป ไม่สำคัญหรอกครับคุณหญิงแล้วก็อย่าคิดอะไรมากเลยผมว่ามันไม่มีเจตนาอะไรสักอย่างที่ต้องการจะเร่งฝีเท้านำตัวให้รับหายไปตามสบายของเราแต่ถึงยังไงรอยของมันก็ยังทิ้งไว้ให้ตามได้และเชื่อว่าถ้ามันต้องการจะให้เราตามมันจริงก็คงจะทารอยให้เห็นทุกระยะความจริงคุณหญิงก็ไม่ได้เดินชาเลยนะครับแต่มันเหลือกําลังของเราจริงๆ พวกเราไปกันด้วยพลังเรียวแรงของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาแต่เจ้านั่นมันไปด้วยพลังของผีป่าถึงจะเร่งกันยังไงเราก็กวดตามทันไม่ทันอยู่วันยังข้ามนะครับแล้วเราจะทํากันยังไงต่อไปละ่ะก็พักให้หายเหนื่อยแล้วตามต่อไปครับแต่คราวนี้เป็นการตามรอยพรานใหญ่ตอบขณะที่แงหน้าขึ้นสังเกตเรียวแดดที่ศาส์จับ อยู่บนยอดไม้สูงตะวันบ่ายคล้อยลงมากแล้วและในภูมิประเทศอันประกอบไปด้วยภูเขาสูงล้อมรอบเช่นนี้ไม่มีสิ่งใดมาประกันได้ว่าความมืดมันจะมาถึงเมื่อไหร่เพียงแต่ตะวันบังสันเขาเท่านั้นความมืดมนก็ย่อมจะย่างกรายเข้ามาทันที เอากำลังพอคลายเมื่อยทั้งสามก็ชวนกันรุดหน้าต่อไปการเดินในครั้งนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลหรือเร่งรีบเพราะถึงยังไงเจ้าตัวนำทางก็ลับหายไปแล้วคงทิ้งไว้แต่รอยเท่านั้นระพินเตือนให้บุญคำระวังหลังอย่างเข้มงวดเพราะไม่แน่ใจว่าจะมีอันตรายใดๆติดตามมาหรือไม่จากท่าทีที่อยู่ๆแง่า ย, ายก็เดินทิ้งหนีหายไปเฉยๆแบบนี้ มันน่าจะเตือนให้ทราบถึงความผิดปกติอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ขนทางนั้นไต่ชันขึ้นไปถึงไหลตะพักตอนหนึ่งแล้วจึงเทลาด45่หาองศาลงไปสู่หุบซึ่งบทบังมืดทึบอยู่ในหมู่ไม้จนสังเกตอะไรไม่เห็นจอมพรานไม่ยอมให้ก้อนหินหรือพุ่มไม้ริมทางลูกใดพ้นจากการสังเกตอันรอบคอบไปได้เลยไรเฟินถือกระชับพร้อมอยู่ในมือดารินเดินลากขาไปยังโผเพ ป, ปัดเป เพราะความอิดโรยอ่อนแรงเหลือที่จะกล่าวไรเ่เฟินสะพายอยู่บนไหลหล่อนไม่คิดที่จะระวังเตรียมพร้อมอะไรอีกทั้งสิน้นในขณะที่มีรพินและบุญคำเป็นกำลังคุ้มกันขนาบหน้าหลังอยู่เช่นนี้รอยของแง่ทรายแยกจากด่านช้างตัดป่ารกลงสู่ตีนเขาด้านตะวันออกระพินผู้สาวรอยไปเบื้องหน้าชนิด9้าต่อ9หยุดชะงักก้มลงอ่านรอยนั้นอย่างพินิพิจารณา ถีท่วนที่สุดดารินและบุญคาก็ตามเข้ามาถึงมันตัดลงทางด้านนี้ใชแล้วละนายบุญคําเอ่ยขึ้นเบาๆภายหลังจากช่วยตรวจรอยระพินทอดสายตากวาดหาต่าลงไปตามทางด่านอันกว้างขวางเส้นเดิมเพื่อจะพบวี่แววอื่นใดอีกก็ไม่ได้ร่องรอยอะไรทั้งสิน้นรอยเท้าแง้สายตัดแยกจากทางด่านบุกเข้าไปในป่ารกมองเห็นชัด มีน้ำซ้ำยังมีรอยหักกิ่งไม้เล็กๆเอาไว้สดๆร้อนๆเหมือนเจตนาจะบอกทางให้อีกด้วจ ย, ยมพรานหันมามองดูหน้านายจ้างสาวรู้ซึ่งถาดแห่งความแข็งแกร่งทารหดอดทนของหล่อนเริ่มจะลดถอยลงไปเป็นลำดับเพราะความอิโรยอ่อนล้าจากการกลากรมอย่างแสนสาหัสถ้าจะตามแงซทรายต่อไปเนี่ยเราเห็นจะต้องบุกรกอีกครั้งละครับคุณหญิงเขากระซิบ ไปตายที่ไหนสักแห่งก็ได้ระพินฉันหมดอะไรตายอยากกับชีวิตซะละหลอนตอบจอมพรานส่งยิ้มปลอบใจมาอีกครั้งจับต้นแข็งของหลอนบีบหนักหน่วงเราจะไปกันเรื่อยๆไปกันตามสบายเหนื่อยหนักไปไม่ไหวก็พักซะก่อนไม่มีอะไรจะต้องเร่งรีบครับคุณหญิงเดินสบายๆมาตามทางด่านดีๆ ดันผ่าเข้ารกซิอีกแล้วไอชีพหายบุญคำดาอุบอิบเพราะเป็นห่วงสงสารนายหญิงเมื่อเขานำทางเราไปทางไหนเราก็ต้องไปทางนั้นนั่นเป็นวิธีเดียวที่เราจะเลือกได้ขณะ น, นี้ทุกอย่างสำหรับความหวังในด้านดีของเราฝากไว้กับแง่ใจเพียงคนเดียวเท่านั้นดารินกล่าวอย่างปรงตกก่อนจะตัดทางลง เขากระซิบเตือนให้หลอนตรวจดูกระสุนไรเฟิลที่บรรจุอยู่ในจุด300เวทีบีของหล่อนดารินเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าหล่อนทาให้จํานวนมันขาดไปหนึ่งนัดตอนยิงขึ้นฟ้าก่อนจะพบบุญคําจึงรีบบรรจุใหม่เต็มอัตรารอบครอบเสมอนะนายพรัตนฉันลืมไปซะและ้วเหตุการณ์มันน่าจะเตือนให้คุณหญิงสํานึกดีอยู่แล้วจะประมาทหรือเล่นเล่อแม้แต่เพียงเปอร์เซนต์เดียวนะมันอาจหมายถึงชีวิตนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเช่นนี้ครับกล่าวจบเขาโบกมือเป็นสัญญาณให้บุญคำล่วงหน้านำลงไปก่อนกันราชสะกุลสาวไว้ตรงกลางตนเองเปลี่ยนมาเป็นปิดตายขบวนตาพรานเท่าไตา่ทางไล่รอยของแง่ายลงไปอย่างแคล่วคลองและแม่นยำไม่ผิดอะไรกัะหมาหล่าเนื้อเสียงแก่บุญอะไรพึมพาไปตลอดทางบางครั้งก็หยุดฟังเสียงท่ามกลางความสงัดเงียบชยด อันมีแต่สั่เสียงของพวกจักะจันเรไรเหล่านั้นทางเดินล่าต่ำลงไปทุกขณะผ่ามกลางพื้นใบไม้อันกองสุมทับถมกันชนิดที่พอเหยียบลงไปก็จมเกือบจะถึงเขา่านานๆครั้งจะเห็นพวกตะกรวดดงและสัตว์เลื้อยคลานลักษณะแปลกๆวิ่งตัดหน้าแสกๆากไปกับพื้นใบไม้ทำเอาสะดุ้งตกใจและเตรียมพร้อมกันบ่อยๆ รอยของแง่สายย่ำเป็นเทือกลงไปเห็นชัดเจนที่สุดแม้กระทั่งคนไม่ชำนาญในการอ่านรอยอย่างดารินก็แทบจะตามได้โดยอิสระผ่านลำห้วยแห้งที่คดเคี้ยวทอดโอบไปตามแนวไหลเนินแล้วก็ปีนขึ้นสูงอีกฝั่งหนึ่งรอยนั้นนำรุดเป็นแนวตรงตัดดิงเข้าไปในดงเถาวันยักษ์ที่ทอดระเกะระกะเป็นสายระยางอยู่ทั่วไปขณะนั้นเอง บุญคำก็หยุดยืนเงียหูเหมือนจะสดับตรับฟังเสียงอะไรชนิดหนึ่งซึ่งแทรกมาในความเงียบพรานใหญ่ก็รังไลของดารินผู้กำลังย่ำสวบสาบอยู่ให้หยุดการเคลื่อนไหวลงสะกดใจฟังอยู่ครู่แล้วจึงจูงมือดารินค่อยๆ ย, ยองตามหลังมาจนถึงบุญคำผู้ยืนคอยอยู่ก่อนแล้วสำหรับดารินนั้นหล่อนไม่สามารถสาเนียกอะไรได้ทั้งสิ้นในขณะนี้นอกจากเสียงลม ที่ลั่นกริงออกจากหูทางน้ําไหลอยู่ไม่ห่างจากเราลงไปนะครับตาพรานเท่าพูดต่ตําๆตามองไล่รอยเท้าของแงซายที่นําเรื่อยลงไปสู่ด้านต่ําโดยไม่หยุดยัง้งหรือเลี้ยวรถไปทางอื่นใดอีกระพินก็สัมผัสได้กับความเย็นชื้นของอากาศที่ระคนไปกัะละ อ, องน้ําบนคาคบไม้ใหญ่ในละแวกนั้นก็เต็มไปด้วยกล้วยไม้และกาฝากที่งอกอยู่ อาคบงดงามออกดอกม่วงเหลืองแดงและขาวสลุสลับกันดูลานตาไปหมดเสียงที่แวววมาให้ได้ยินแผ่วเบานั้นเป็นเสียงน้ำไหลผ่านแง่หินอยู่ริกริกมีอะไรเหรอดารินถามขึ้นแทบจะไม่มีเสียงริมฝีปากของหล่อนแห้งผากรู้สึกว่าจะมีลำทานอยู่ในตอนล่างของเนินลูกนี้ รอยของแง่ทรายนำลงไปทางด้านด้านนั้นครับหวังว่าคงไม่ใช่แหล่งน้ำกระโจนที่เก่าตรงที่เราโพลูกันออกมาพักเมื่อคืนนี้นะไม่ใช่ครับมันห่างออกมาคนละทิศทีเดียวครับเขารุนหลังให้บุญคำออกเดินต่อไปทั้งหมดค่อยๆตายต่ำลงมาเป็นลําดับโดยไม่ทิ้งร่องรอยของเจ้าคนดงผู้ลึกลับที่ยำเป็นเรือนาร่องลงไปยิ่งต่าลงไปเท่าไหร่ เสียงน้ำไหลก็ได้ยินทันัดชัดเจนขึ้นทุกทีระพินบอกได้ทันทีว่ามันเป็นลำธารขนาดย่อมที่ไหลผ่านไปตามโขกเขาหรือมิฉะนั้นก็หุบเหวกระแสะน้ําไม่มากนักและไหลเอื่อยอ่อนไม่เชียบแล้วก็จริงตามที่คเนาวา้ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทั้งสามก็มาพบตนเองยืนอยู่บนฝั่งสูงลิฟเบื้องล่างเป็นหุบเหวตัดลาดลึกลงไป อุดมไปด้วยพุ่มไม้เล็กและก้อนหินที่งอกอยู่ดารดาดก้นหุบนั้นแลเห็นลำธารสายหนึ่งไหลออกมาจากใต้ภูเขาใหญ่คดเคี้ยวไปตามเส้นทางอันเต็มไปด้วยกรวดและทรายลงสู่ด้านใต้น้ำใสและตื้นจนมองเห็นพื้นหินสลับไปกับกรวดทรายหลากสีนั้นอย่างถนัดเป็นภูมิประเทศที่แปลกตาหน้าฉงนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้นน้ำที่ไหลออกมาจากใต้แผ่นผาหินลักษณะของมันเป็นลำธารใต้พิภพที่มาพลูออกสู่โลกภายนอกสายหนึ่งระหว่างที่พรานใหญ่กับดารินตะลึงมองดูภูมิประเทศใหม่นี้เสียงตาพรานเท่าก็ร้องขึ้นว่ารอยของมันไต่ลงไปในห้วยก้นเหวนั่นครับห่างจากขอบฝั่งหินปนกรวดที่ทั้งสามยืนออกไปเล็กน้อย มีรอยย่อนตัวไตลงไปยังหุบน้ำไหลเบื้องล่างรอยพยุงตัวเหนียวกิ่งไม้รอยของเท้าที่เหยียบยันถลายลื่นเป็นทางไว้เห็นถนักบางกิ่งหักยังมียางไหลซึมอยู่มันเป็นรอยใหม่ชนิดที่ผ่านหน้าไปเพียงไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี้เองจอมพรานใช้เวลาสังเกตอย่างใครครวนอยู่ครู่หนึ่งก็พยักหน้าให้บุญคาไตน้าลงไปก่อน เขากระดารินทยอยตามลงไปแบบเรียงเดี่ยวทิศทางที่แงซ้ายไต่ลงไปก่อนแล้วนั้นดูเหมือนจะเป็นตำแหน่งที่อาศัยเป็นทางลงได้สะดวกกว่าทางด้านอื่นทั้งสิ้เพราะมีแง่หินและต้นไม้ให้เหนียวพยุงลงไปเป็นระยะปะหลิงก็ไม่สู่จะชันชันนักมีชานหินยื่นออกมาเป็นขั้นพัดตลอดแนวไม่ช้าทั้งสามก็ลงมาถึงบริเวณรางน้าก้นหุบ ภายหลังจากวักน้ำลูบหน้าดื่มแก้กระหายและบรรจุลงกระติกเพิ่มเติมจนเต็มแล้วตาพรานเท่าก็ดมกลิ่นแ ง, งซ้ายต่อไปนายตะกี้มันพาเราลงอีที่นี่มันพาขึ้นอีกแล้วไงบุญคำจุปากเบาๆขณะที่ยืนเท้าเอวแงหน้ามองไปยังตลิ่งฝั่งตรงข้ามตอนหนึ่งซึ่งมีต้นไม้ใหญ่หักพาดเป็นสะพานทอดขวางจากแง่หินด้านล่าง ขึ้นไปยังระดับกลางของตลิ่งลักษณะของมันเป็นขอนไม้เก่าแก่นานนมมาแล้วรอยผุร่วนจากลำต้นทำให้มองเห็นรอยพยุงกายไตยขึ้นไปของแง่ทรายได้ถนัดไม่ว่าเขาจะพาเราไปขึ้นสวรรค์หรือลงนรกที่ไหนก็ตามตามเขาไปก็แล้วกันดารินตัดบทเอาแขนเช็ดน้ำออกจากใบหน้า ระหว่างที่มองหาลู่ทางจะปีนขึ้นยังตลิงฝั่งตรงข้ามในวิธีที่สะดวกนั้นพรานใหญ่สกิดให้นายจ้างสาวดูต้นน้ำที่ไหลออกมาจากใต้ภูเขาเมื่อลงมายืนอยู่ในระดับเดียวกันเช่นนั้นและเห็นเป็นโพรงถ้ำ ม, มืดเข้าไปใต้แผ่นผาตัดสังเกตไหมครับคุณหญิงลักษณะของมันเป็นทางออกของลำธารใต้ดินเหมือนกับที่เราโผู่กันออกมาแล้วเพียงแต่ว่าตรงที่เราเห็นอยู่นี่ มันเป็นทางสายเล็กไม่ไหลเชี่ยวเหมือนที่มันทัดเราออกมามันแปลกมากนะถ้างั้นก็แปลว่ามันจะต้องมีทางออกทะลุอยู่ทั่วไปในบริเวณทีู่เขาอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้สิครับผมก็เข้าใจเช่นนั้นบุญคำเองก็บอกกับเราว่าแกเดินมุดสายน้ำใต้ภูเขามาทะลุออกกลางดงดิบตอนหนึ่งอย่างเราเหมือนกันลองถามแกดูสิ ตรงนี้หรือเปล่าที่กักโผลกมาถ้าใช่แกก็คงรีบบอกเราแล้วล่ะครับรบพินว่าแล้วก็สอบถามบุญคำตาพานเท่าสันหัวทางนี้ไม่ใช่ทางที่บุญคำโผล่จากใต้ดินรอกนายบุญคำโผล่มาจากทางด้านเหนือนูน่นแต่ลักษณะมันก็คล้ายๆกับทางนี้ล่ละนาย้งสามเริ่มต้นไต่ขึ้นฝั่งตรงข้ามต่อไปโดยบุญคาเลี่ยงขึ้นทางแง่หินที่งอกอยู่เป็นช่อชัน ซึ่งสะดวกกว่าที่จะใช้วิธีไต่เลี้ยงตัวขึ้นไปบนลำต้นไม้ลม้มที่ทอดเป็นสะพานลาดโดยไม่มีอะไรจะอาศัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวได้ขาขึ้นทางฝั่งนี้ดูเหมือนจะสะดวกกว่าขาลงทางฝั่งตรงข้ามซะอีกพักใหญ่ต่างก็บรรลุถึงขอบตะลิ่งบนบุญคําพยายามคลําหารอยของแง่ทรายต่อไปอย่างไม่ลดละแต่แล้วบัตรนั้นเองขณะที่พากันเดินบุกพงริมฝั่งห่างออกไปได้เพียง ยี่สิบเก้าทั้งหมดก็มาพบเข้ากับอะไรชนิดหนึง่งที่ทำให้ต้องตะลึงงงงนันไปชั่วขณะทั้งหมดลืมตาโพลจ้องนิ่งอยู่เช่นนั้นนันน่น น, น, นายกองทัพรถแท็กเตอร์ที่ไหนมันมาไถาขุดดินว่าเป็นทางอย่างเงี้ยนายเสียงบุญธรรมอุทานออกมาสั่นระรวัวทุกคนดูเหมือนจะลืมนึกถึงแงาซายไปสะชั่วขณะในสิ่งประหลาดที่เห็นอย่างจู่โจมกระทันหัน ดารินถึงก็ยกมือขึ้นขยี้ตาสบัดหน้าแรงๆลืมขึ้นจ้องอีกครั้งส่วนพรพินไัรวันแยกเขี้ยวรีตายิบหยีลงสิ่งที่ทั้งสามยืนชะโงกมองอยู่ในขณะนี้ลักษณะแลผาดผาดเหมือนจะเป็นลำห้วยแห้งอันกว้างใหญ่ที่ทอดคดเขี้ยวเป็นแนวสุดสายตาไปในระหว่างดงดิบสองฝั่งแต่มันไม่น่าจะเป็นลำห้วยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันคนเป็นไป เพราะมีรอยดินพลิกใหม่ๆเราก็ใครเอารถแทรกเตอร์มาคราาไถไว้ต้นไม้ขนาดเขึงข่งๆนับไม่ท้วนถูกขุดรากถอนโคลล้มระเนระนาดเป็นทางไปสุดลูกหูลูกตากองดินสองฝั่งก็ถูกดันทะลักล้นพูนขึ้นมาร่วนซุยราวแยกไปหมดราวกับแผ่นดินไหวระพินสุดตัวลงนั่งเอามือแตะที่ดินซุยร่วนขอบห้วยนั้นอย่างปเครห์ และวทอดสายตามองไปตามแนวร่องอันคดเคี้ยวทั้งสองด้านเท่าที่รัศมีของสายตาจะเห็นได้จากเงาบุดบางของป่าดึกดำบนันที่แวดล้อมอยู่บุญคําเองก็กระโดดลงไปยังก้นห้วยที่เต็มไปด้ดินสุยเหล่านั้นเอามือคลำตรวจ ด, ดูสองฝั่งระดับที่ตานายพรานลงไปยืนอยู่นั้นลึกไม่ต่ำกว่าสิบห้าฟุตชนิดที่ยืนเต็มส่วนสัพท์แล้วยื่นส่งปลายลํากล้องไรเฟิลขึ้นมารับพินผู้หยู่ขอบตะลิง ก็ยังเอื้อมลงมาจับไม่ถึงไม่แล้วเกินละนายสีมกระรองแหบสันขึ้นมาจากก้นห้วยประหลัดสาบานว่าทาไม่เมื่อวานก็เมื่อคืนนี่เองดารินหันมากระซิบถามจอมพรานระพินมีสีหน้าปั้นยากที่สุดมองสบตาหล่อนแวบหนึ่งยังไม่อาจตอบคำใดได้ในกะนี้สปริงตัวกระโดดตามบุญคำลงไปที่ก้นห้วยเอาเท้ากวาดเขียดิน ซึ่งมีลักษณะเหมือนถูกเครื่องไถมาขุดคลาดไว้นั้นแล้วก้มลงหยิบกอไม้เล็กๆกอหนึ่งที่ถูกขุดถอนราร่วงลนอยู่ใต้ดินขึ้นมาพิจารณาเสียงเขาซุบซิบหาหรืออะไรกระบุนคำตามลำพังโดยที่ดารินไม่สามารถจะจับข้อความได้นอกจากนั่งคุกเขา่าจ้องมองดูบนฝั่งห้วยเช่นนั้นต่อมาเขาจึงโบกมือทาสัญญาณให้หญิงสาวตามลงมาด้วย ดารินค่อยๆเกาะตะลิ่งหย่อนตัวลงมาอย่างระมัดระวังแต่ก็ไม่าวที่จะถลายลื่นคลูดลงมาจากริมตะลิง่งอันร่วนซุยจนถึงก้นห้วยและคว้าไหลบุญคาไว้ได้ก่อนที่จะลม้มลงพอจะได้คำตอบอะไรขึ้นมาบ้างไหมหญิงสาวถามซ้ำขึ้นอย่างร้อนใจจ้องหน้าทั้งสองบุญคำพูดอะไรไม่ออกได้แต่กรอกหน้ามองดูพรานใหญ่เหมือนจะขอให้ช่วยอธิบายแทน ระพินฝืนยิม้มพยายามบังคับเสียงให้เป็นปกติมีสัตว์อะไรชนิดหนึ่งนอนหมกตัวอยู่ตรงบริเวณนี้มา น, นานแล้วและอยู่ๆมันก็เคลื่อนตัวไปทำให้เกิดเป็นร่องลึกเหมือนลำห้วยขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไม่เกินยี่สบสี่ชั่วโมงที่แล้วนี่เองครับดูจากลักษณะดินที่พลิกและต้นไม้ที่ถูกขดล้มระเนระนาดเหล่านั้นโดยร่องรอยที่เห็นสันนิษฐานได้ว่าเป็นสัตว์ไม่มีตีน ตัวยาวบางทีมันน่าจะใหญ่กว่าไอ้สองตัวที่เราประจันกันมาแล้วที่ลมช้างสักห้าหกเท่าครับดารินวราฤทธิ์เขาอ่อนสุดกายลงไปนั่งลงกับพื้นอย่างหมดเรี่ยวแรงอาการของหล่อนเหมือนคนที่กำลังจะเป็นลมเราเปรียบกันเหมือนหมดหรือแมลงเล็กๆ เ, เ, เท่านั้นสำหรับป่านี้สงสัยจะไปกันไม่รอดตลอดรอดฝัง่งใช่หรืมะ ที่แล้วมายังรอดได้นี่อนาคตข้างหน้าจะไม่รอดก็ให้มันรู้ไปสิพรานใหญ่ก้มลงกระซิบข้างหูแล้วหันมาทางบุญคําผู้ยืนหลับตานิ่งเหมือนจะเข้าฌานอะไรอยู่ตรวจดูรอยเงยสายต่อไปสิบุญคําอย่าไปมัวสนใจอยู่กับรอยงูใหญ่นี่เลยเขาก็ไปตามทางของเขาเราก็ไปตามทางของเราเอคงไม่พบกันหรอกตาพรานเท่าสงบนิ่งอยู่อีกครู่ ก็ยกมือขึ้นพนมเหนือหัว พ, พึมพำเหมือนจะกล่าวกับตนเองไม่ใช่งูธรรมดาแต่เป็นงูเจ้าแน่ๆครับนายหางทอดไปทางตะวันตกหัวนะหันไปทางตะวันออกเคลื่อนตัวไปเมื่อย็นวานนี้เองกล่าวพลางแกก็แง้มมองสังเกตขึ้นไปยังยอดไม้ทมึบธรรมนรอบด้านเอ่ยต่อมาอย่างมั่นใจว่านาย ป่าอาถาันเปิดทางให้กับเราแล้วล่ะนายบุญคำรู้ได้ยังไงดารินถามโดยเร็วจ้องหน้าแกอย่างแปลกใจสีหน้าของบุญคำแช่มชื่นในบัตรนั้นกิริยาก็กระปรีก้กระเปร่าเต็มไปได้วยความหวังผิดไปจากเดิมบุญคำรู้นายหญิงขอเวลาให้บุญคำทำพิธีอะไรสักเดี๋ยวเถอะว่าแล้วแกก็รีบตะกายปีนขึ้นไปยังอีกฝั่งหนึ่งโดยเร็วรักพินกับดารินไต่ ต, ตามขึ้นมาด้วย ก็เห็นแกะตรงเข้าไปตัดกิ่งไม้อย่างรวดเร็วนำมาปักเข้าที่ริมบริเวณปากคั้วที่เกิดขึ้นเพราะอานาจการเคลื่อนย้ายตัวของสิ่งที่สันนิษฐานกันว่าเป็นงูใหญ่เพียงครู่เดียวต่อมามันก็กลายเป็นสารเพียงตาขึ้นหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตาพรานเท่าแห่งเขาอึมครึมผู้แก่กล้าอาคมหลวงทูบซึ่งมีติดประจาอยู่ในยามหลังตลอดเวลาของแกออกมาห้าดอก ลุกโชนควันขมงลงนั่งขัดสมัดท่องบนบริกรรมอะไรเป็นร่ายยาวพึ่มพำฟังไม่ได้สับตลอดเวลาพลานใหญ่กระดารินนั่งดูอยู่เงียบๆ บ, บนขอนไม้ใกล้ๆโดยไม่ขัดจังหวะพักใหญ่แกก็ปักทูปลงกระแผ่นดินลงหน้าสารเพียงตาแล้วเดินยิ้มกลิ่มตรงเข้ามาเอาลันนายช่วยกันตรวจดูบริเวณใกล้เคียงนี่เถอะบุญคำว่าเราต้องได้ร่องรอยอะไรคืบหน้าแน่แน เกี่ยวกับพวกเราที่พลัดพรากกระจัดกระจายกันออกไปและโดยไม่คำนึงว่าบุคคลทั้งสองจะสนใจในคำพูดของแกหรือไม่บุญคำออกเดินดุมดุมตรวจหาไปตามพื้นรอบๆซึ่งระเกะระกะไปด้วยก้อนหินและพุ่มพงรกดารินหันมาจ้องหน้าพรานใหญ่ก็เห็นเขาพยักหน้ากระซิกว่าลองเชื่อแกดูหน่อยช่วยกันตรวจบริเวณดูแลกัน ทั้งสองลุกขึ้นในทันทีนั้นเดินแยกจากกันเลาะลัดค้นหาไปตามพุ่มไม้ในละแวกใกล้ๆระยะห่างกันเพียงพอส่งเสียงพูดกันได้ยินโดยไม่ต้องตะโกนขณะนั้นเองดารินผู้เดินอ้อมไปทางซุ้มไม้หลังจอมปลูกขนาดย่อมๆก็ส่งเสียงร้องแหลมขึ้นอย่างตื่นเต้นขีดสุดคุณพระช่วยเร็วระพินบุญคํามาดูอะไรนี่เพียงชั่วพริบตา ครางใหญ่กระ บ, บุญคำก็กระโจนพวดเข้ามาถึงพร้อมกันแล้วจ้องตะลึง ดารินกำลังสุดคุกเข่าอยู่กับพื้นเอากิ่งไม้แห้งเล็กๆเขี่ยอะไรเช่นนิดนึงยกชูขึ้นแพดระพินร้องลั่นออกมาอย่างลืมตัวสิ่งที่ห้อยอยู่ยังปลายไม้ในมือของดารินวาราริตคือผ้าอนามัยสำหรับรับประจำเดือนของสตรีซึ่งมีโลหิตประจำเดือนอาบชุ่มโชกชนิดที่พอหิ้วสายข้างหนึ่งขึ้นมาโลหิตที่อาบชุ่มผ้าผืนนั้นก็หยุดลงกับพื้น ไม่มีใครนายแมมแน่ๆบุญงคันตะโกนขึ้นอีกคนหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งที่ทั้งสามตะลึงงานเหมือนถูกสะกดในสิ่งที่พบเห็นอย่างไม่คาดฝันนั้นดารินยังคงถือไม้เขี่ยห้อยผ้าซับประจำเดือนชิ้นนั้นค้างอยู่ในมือต่อมาหล่อนเงยขึ้นมองตาพรานใหญ่เสียงที่พูดไปไม่เกินกระซิบเมื่อเช้านี่เองที่เจ้าตัวถอดออกทิ้งไว้ที่นี่นะ ยอมแพ้ไม่เ อ, อ่ยคำใดทั้งสิ้นในขณะนั้นก้มลงพิจารณาพื้นอันปรากฏรอยเท้าจางๆนั้นอย่างรีบร้อนแล้วออกสาวรอยตามไปโดยเร็วด้วยจิตใจอันสันระทึกตื่นเต้นเหลือที่จะกลับใจต่อมาทั้งหมดก็พบเข้ากับรอยกองไฟและรอยพักนอนของคนสองคนเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏอยู่ยังโคนม้ใหญ่ห่างออกมาจากบริเวณที่พบผ้าซับประจาเดือนประมาณ3า้า มีก้นบุรีสองสามก้นและตั้งปลาทิ้งอยู่กราดเกลื่อนปัญหาที่ว่าอีกคนหนึ่งคือใครก็เป็นอันหมดสิ้นไปเมื่อดารินสามารถจํารอยพื้นรองเท้าเดินตาของชยันอันันตรายได้อย่างแม่นยำทั้งหมดเต็มไปด้วยความตื่นเต้นยินดีเหลือที่จะกล่าวอตัวดูใหดีสิชยันกเมเพียงสองคนหรือว่ามีใครร่วมอยู่อีกสองคนเท่านั้นนายหญิงมีนายทหารกับนายแม่หลงมาด้วยกัน ไม่มีใครอื่นอีกด้วยเลยบุญคำเป็นคนตอบแทนตัวแกเองก็ออกวิ่งพล่านค้นหาร่องรอยอื่นๆเพิ่มเติมไปทั่วบริเวณดารินขณะนี้ลืมความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียลงหมดสิน้นเพราะความตื่นเต้นยินดีในวิ่แววที่ค้นพบคุณสันนิษฐานว่ายังไงระพินสองคนนั่นคงจะลงมาจากใต้ภูเขาโดยอาศัยทางออกของลาธารใต้ดินในหุบข้างล่างนั่น และพากันปีนขึ้นมาพักนอนแรมคืนอยู่บนนี้ครับเอาปลาที่หาได้จากลำธารขึ้นมาย่างกินประทังชีพด้วยแล้วคงเมื่อคืนนี้เองที่เมนของเมนะเขามาพอดีพอรุ่งเช้าก็เปลี่ยนผ้าทิ้งไว้ในซุ้มไม้ที่คุณหญิงพบนั่นก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปดารินรีตาลงมองดูบริเวณขี้เท้าของกองไฟและรอยนอนของบุคคลทั้งสองแล้วยิ้มออกมาทางน้าตา นั้นว่าเรารู้แน่แล้วสินะว่าเมย์กับชายันยังมีชีวิตอยู่จากที่นี่ไปเมื่อตอนเช้านี่เองคุณดูรอยจากกองไฟคุณรู้ว่าเป็นรอยที่ก่อไว้เมื่อคืนส่วนฉันดูจากผ้าซับประจําเดือนฉันรู้ว่าถอดไว้เมื่อตอนเช้านี่เองแต่แปลกเหลือเกินนะประจําเดือนของเมย์ทําไมถึงมา ก, ก่อนกําหนดเท่าที่ควรและเขาก็มีโรคประจําตัวดิสเมนเนเรียเมื่อคืนนี้นะคงปวดทรมานมากทีเดียว ประโยคหลังหลอนแผ่วเสียงลงเหมือนจะกระซิบกับตนเองมาช่วยกันตรวจร่องรอยต่อไปเถอะครับมันจะช่วยให้เราอ่านหรือสันนิษฐานได้ว่าทั้งสองคนมีการเคลื่อนไหวตกในสถานการณ์ยังไงบ้างขณะที่พักอยู่ที่นี่เมื่อคืนผมทายว่าเขาคงโผล่มาจากใต้ภูเขาในเวลาเย็นมากแล้วจึงเลือกยึดที่พักนอนที่นี่ยังไม่ทันจะขาดเสียงของรพิน บุญคำก็ตะโกนเรียกโบเกวกมาจากปากห้วยอันเป็นการเลื้อยตัวของงูใหญ่อีกตออหนึง่งแกกำลังคุกเขา่ากม้กมๆเงยๆทำอะไรอยู่ที่นั่นทั้งสองวิ่งตรงเข้าไปโดยเร็วแล้วก็พบเข้ากับความประหลาดใจอีกชนิดหนึง่งแทรกซ้อนขึ้นมาศิลาแรงสกัดเป็นก้อนๆวางซ้อนเรียงกันในลักษณะก่อกำแพงปรากฏให้เห็นชัดออกมาจากตลิ่งข้ว อันมีดินร่วนซุยตอนหนึ่งบริเวณอันเป็นส่วนกำแพงที่เห็นโผล่พ้นดินออกมานี้มีรอยมือรอยเท้าของชายยันกมาเรียเปร์ไปหมดแสดงว่าบุคคลทั้งสองได้มาขุดค้นอยู่ที่นี่มีรอยกวาดดินที่ปกคลุมก้อนศิลาแรงออกไปจนทำให้มองเห็นได้อย่างถนัดหินก้อนหนึ่งมีรอยลอกขาวเวอร์เป็นทางไประพินสันนิฐานว่าคงจะเป็นรอยของมีดโบวี คนหนึ่งคนใดใช้ขูดดินที่เกาะติดอยู่ออกทั้งสามมองหน้ากันตื่นตื่นช่วยกันพิจารณาบริเวณนั้นอย่างละเอียดถีถ่วนที่สุดด้วยความประหลาดงงงันเหลือที่จะกลับคุณคําก็ชี้มือให้ดูลงไปยังก้นห้วยเบื้องล่างซึ่งมีรอยเท้าของคนทั้งสองย่ําเป็นเทือกอยู่เช่นกันนายทหารกับ น, น, นายแม่มไต่ลงไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งในครูใหญ่รอยงูเลื่อนนี่ แล้วปีนขึ้นทางด้านนี้มาช่วยกันขุดดินปากคูพบไอหินแปลกลักษณะเหมือนกำแพงเมืองสองสามก้อนนี่มีรอยมตรขุดแล้วก Form ็คงขุดต่อไป aring, ไม่ไหวเลยขุดไว้แค่นี้เองแต่ว่านี่มันเป็นกำแพงอะไรละไหนกำแพงอะไรนั่นนะไม่ใช่ข้อประหลาดใจของบุงคําแต่เพียงคนเดียรหรอกแต่มันเป็นข้อพิศวงอัศจรรย์ใจสําหรับจอมพรานระพิน และดารินอยู่ก่อนแล้วในทันทีที่มองไปเห็นด้วยทั้งหมดเงียบกริบกันลงชั่วขณะหนึ่งจ้องที่ก้อนศิลาแรง ซึ่งโผล่พ้นดินขึ้นมาเหล่านั้นและมองตากันเองอยู่ไปมาต่อมาบุญคำก็ลงมือเอามีดเดินป่าของแกทดลองแงะดินขุดต่อจากสองสามแผ่นที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วโดยไล่ระดับไปไม่ขณะที่ระพินย่อนตัวลงไปยืนอยู่ก้นห้วยตรงบริเวณที่เห็นรองเท้าของชายยันกับมาเรียย่ำเปรอะไว้ดารินไต่ตามลงมาอีกคนนึงทั้งสองช่วยกันสำรวจอย่างพิเคราะห์ไปรอบๆบ ทั้งพื้นก้นห้วยผนังตลิงและแนวคดเคี้ยวยาวเหยียดอันเป็นร่องหรือลำห้วยที่ทอดไปไกลทั้งสองด้าน <c oughs> ด้านบนเสียงบุนคาตะโกนรายงานตื่นตื่นลงมาอีกว่าได้พบแนวกาแพงติดต่อเชื่อมกาก้อนศิลาแรงที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วเข้าอีกและเชื่อว่าถ้าลงมาขุดคุ้ยต่อไปก็จะพบต่อไปไม่สิ้นสุดตลอดแนวลำปากห้วยนั้น เมกะคุณชยันต่ขึ้นจากคูก้น ค, คูหรือห้วยทางด้านนี้ยอมพานกล่าวอย่างระมัดระวังขณะที่ชี้ให้ดารินมองดูร่องรอยริมผนังตะลิ่งดินสุยอันมีรอยเท้าของบุคคลทั้งสองกระทืบไว้สำหรับให้เป็นขั้นบันไดเพื่อพยุงตัวขึ้นไปผมสันนิษฐานว่าคนใดคนหนึ่งที่ปีล่วงหน้าขึ้นไปก่อนโดยพยายามเอามือยึดเหนียวแง่ดินโหนตัวขึ้นไป บังเอิญไปเหนียวติดกับแง่ของก้อนหินหรือก้อนศิลาแรงของขอบกำแพงนั่นเข้าเกิดความสงสัยเลยช่วยกันขุดดินออกดูอย่างที่เราเห็นรอยหินกำแพงสองสามก้อนโปรยพ้นดินออกมาให้หเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนทอี่ทั้งสองคนจะไปหาที่พักนอนตรงโ น, น้นนายกำแพงชัดๆเลยนายกำแพงเมืองโบราณนะ่ะ เสงตาพรานเท่าตะโกนลั่นลงมาอีกอย่างตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวมือยังคงทําหน้าที่ขุดตะกุยดินอยู่เช่นนั้นกาแพงเมืองเหรอดาริมพึมพำในตาวาววามไปด้วยความคิดลักษณะของหล่อนกําลังใช้สมองใคร่ควรวญอย่างหนักที่สุดนี่ก็แปลว่าทั้งเมและชัยยันได้มาพบและมีความสะดุดใจอะไรไม่ผิดกับเรามาก่อนแล้วสิหาไม่ทําไมทั้งสองคน จึงช่วยกันขุดดินออกดูอย่างที่เราเห็นอยู่นั่นแหละไม่มีปัญหาหรอกทั้งคุณชัยยันและเมย์น่ะเป็นนักศึกษาชั้นสูงจะต้องสำเนียกได้กับสิ่งประหลาดอันผิดวิกลชวนให้คิดนี้ได้อย่างแน่นอนและคงจะเกิดความสงสัยขบคิดอัศจรรย์ใจมาก่อนเราแล้ ว, ลวเพราะเขาพบก่อนเราร่องรอยที่ช่วยกันขุดไวแสดงว่าทั้งสองคนมีความสนใจเป็นอย่างมากแต่ไม่มีกาลังพอที่จะขุดต่อไปได้ ยังขุดทิ้งไว้เพียงแค่นั้นไปพักนอนโคลนไม้ตรงที่เราพบรอยกองไฟและรอยหักกิ่งไม้พอรุ่งเช้าก็ออกเดินทางผมกะว่าทั้งสองคนนั่นคงจะล่วงหน้าไปก่อนเราเพียงไม่เกินเจ็ดแปดชั่วโมงเท่านั้นคุณว่าที่เรากำลังยืนอยู่นี่มันคืออะไรถ้าข้างบนที่บุญคำกำลังขุดอยู่นั่นเป็นสันกำแพงด้านบนตรงที่เรายืนอยู่นี่ก็ควรจะเป็นครูเมืองนะครับ งูใหญ่คงจะมานอนจำสิงอยู่ในแนวคูเมืองนี่มานานแล้วพอเคลื่อนตัวไปก็เกิดพลิกดินขึ้นมาทําให้ศิลาแรงที่ก่อกําแพงเมืองบางส่วนโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินอีทีนี้คุณชัยยันกับเมก็โผล่ออกมาจากทางลำธารใต้ดินในหุบข้างล่างโน้นก็ปีนขึ้นฝั่งมาพบรอยคูเมืองหรือลําห้วยอันเกิดจากที่งูใหญ่เลื้อยตัวไปจึงตั้งใจจะข้ามคูไปฝั่งโน้นวิธีจะข้ามก็ต้องไต่ลงก้นคูก่อน แล้วก็ไตตะลิงขึ้นยังอีกฝั่งหนึ่งจังหวะนี้เองนละครับที่ทั้งสองคนได้พบเข้ากับส่วนของกำแพงเมืองที่โพูขึ้นมาระพินพยายามจะอ่านเหตุการณ์จากร่องรอยเข้าเงื่อนที่เห็นดารินกระดกลิ้นออกมาเลียริมฝีปากแล้วบทเม้มสนิทภายหลังจากใตรองอย่างรอบคอบที่สุดแล้วหล่อนก็คิดว่าข้อสันนิษฐานของพรานใหญ่น่าจะใกล้เคียงกับความจริงที่สุด ปัญหามันมีอยู่ว่างูใหญ่ตัวนั้นเลือยจากตำแหน่งที่นอนอยู่นี่ไปเมื่อไหร่และชายันกเมมาถึงที่นี่เมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นเวลาไล่เลี่ยห่างกันไม่เท่าไหร่ก็ได้เพราะสังเกตดูจากหลักฐานการเคลื่อนตัวของงูใหญ่ก็ไม่พอๆกับร่องรอยของคุณชายันและเมที่ผ่านเข้ามาที่นี่คุณหญิงกังวลในข้อที่ว่าคนทั้งสองจะคลอราย เผชิญหน้ากังหูใหญ่ตัวนั้นแหะครับดารินไม่ตอบได้แต่ขมวดคิ้วคิดอย่างไม่สู้จะสบายใจนักเสียงพรานใหญ่บอกต่อมาว่าหลักฐานที่เห็นอยู่นี่ก็ยืนยันอยู่แล้วนะครับว่างูได้เลื้อยไปก่อนแล้วคุณชายยันกามีจึงลงมาอย่างก้นคูที่มันอาศัยนอนอยู่เดิมมีหนำซ้ำเราก็ยังได้หลักฐานในข้อที่ว่าทั้งสองนอนพักอยู่ที่โคนต้นนั้นต้นไม้นั้นตลอดทั้งคืน จนกระทั่งออกเดินทางไปเมื่อเช้านี่เองไม่มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ให้เห็นอันแสดงว่าได้เกิดการต่อสู้หรือเกิดเรื่องร้ายแรงใดๆขึ้นเลยผมกล้าเอาหัวเป็นประกันได้ครับว่าทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่และขณะนี้คงกําลังเดินคลําทางอยู่ยังบริเวณใดบริเวณหนึ่งในละแวกใกล้เคียงนี่เองแหะครับมาเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นแกะรอยตามเขาให้พบคําพูดของระพิน ทำให้ดารินมีสีหน้าดีขึ้นระพินปีนกลับขึ้นไปบนขอบตะลิง่งอันมีบุญคํากําลังก้มหน้าก้มตาขุดยิกยิกอยู่อย่างขางมักขมน่นแล้วชะโนกตัวลงไปฉุดแขนดารินหิ้วขึ้นมานั่งเคียงข้างกันบริเวณที่บุญคําขุดไว้เมื่อประกอบเข้ากับที่ชายยันและมาเรียขุดไว้ก่อนก็ยิ่งมองเห็นเป็นแนวสันกาแพงเด่นชัดขึ้นอีกส่วนกว้างของมัน บ, บัดนี้ขยายออกไปถึงหนึ่งวาเต็มๆเบื้องล่างลงไปฝังอยู่ในผนังคูและในด้านยาวก็สุดที่จะคํานวณได้ว่ามันจะเป็นแนวไกลไปอีกสักเพียงไรเพราะจมอยู่ในดินเอาละพอแล้วบุญคําอย่าไปเสียเวลาขุดมันต่อไปเลยออมแรงไว้ทําในสิ่งที่จําเป็นดีกว่าตะพรานหยุดขุดเอาแขนป้ายเช็ดเหงือ่อบุญคําสงสัยเสจริงนะนาย กําแพงเมืองอะไรที่ไหนดันมาจมอยู่กลางป่าดงดิบแบบนี้นายลงไปตรวจที่ก้นคูนั่นได้ความว่ายัางไงมั่งละ่ะนายมันเป็นแนวคูเมืองนะงูใหญ่นะั่นมันอาศัยนอนอยู่แล้วมันเป็นเมืองอะไรตั้งแต่สมัยไหนละหน่ะนายบุญคำเงยหน้าขึ้นถามซื่ อ, อต้องถามกรมศิลปากรพรานใหญ่ตอบหน้าตาเฉยมือขวาของเขาทําหน้าตื่นเลิกหลักไม่รู้เรื่อง ดารินจ้องหน้าเขาแผ่วเสียงกระซิบฉันไม่คิดว่าคุณจะมองข้ามความสนใจในสิ่งที่เราค้นพบไปซะได้นะถึงแม้ว่าอาการเบื้องนอกของคุณจะไม่แสดงว่าสนใจอะไรกับมันเลยรบพินยักษ์ไหลคุณหญิงครับเราจะทำอะไรในขณะนี้ได้นอกจากเดาเดาแล้วก็เดาเท่านั้นผมหลับตาเห็นภาพคุณชา ย, ยันกเมซึ่งคงจะมานั่งปรึกษาหารือกันอยู่ตรงนี้เหมือนเหมือนกับเราในขณะนี้แหละ แล้วก็คงช่วยกันเดาไปสารพัดเหมือนกันแล้วย้อนกลับไปตรงที่พักนอนของทั้งสองคนนั่นดีกว่าครับเพื่อจะพบรอรอยอะไรเพิ่มเติมอีกกล่าวจบเขาพยักหน้าชวนบุญคำให้พละจากบริเวณคูตรงที่พบสันกำแพงเดินกลับมายังบริเวณโคนไม้ใหญ่อันเป็นรอยแรมคืนของบุคคลทั้งสองในราตรีที่ผ่านมาดารินเดินตามหลังมาเงียบๆด้วยอาการคลุ่นคิดหนัก หล่อนสุดตัวนั่งลงบนขอนไม้ริมกองไฟซึ่งบัดนี้เหลือแต่เพียงรอยขี้เท้าและดุนฟืนที่เหลือจากไฟกินไว้ท่อนสั้นๆขนัดนั่นเองหล่นอนก็เหลือไปเห็นก้อนหินสันฐานกล ม, กลมๆรีๆก้อนหนึ่งวางอยู่ใกล้ๆ ล, ลักษณะของมันถูกย่างลนไฟไว้หญิงสาวใช้เท้าเขี่ยออกมาสำรวจแล้วยิ้มออกมาเล็กน้อยเอ่ยขึ้นเบาๆว่า เมื่อคืนนี้ทั้งสองคนนั้นคงจะคลุกขลักกันมากที่เดียวละ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชยยันเขาคงภาวะผวากลุ่มใจถ้าเป็นบ้าตายเวลาเม่เกิดอาการชนิดนั้นขึ้นจะปวดดิ้นพลาดจนหมดสติช่วยตัวเองไม่ได้เลยและชยยันก็ไม่ใช่หมอซะด้วยคนเราเนอะเมื่อเกิดความจำเป็นขีดสุดก็คงต้องมีปัญญาแก้ไขไปตามเรื่องนะครับคุณหญิง ผมคิดว่าคุณชัยยันต้องช่วยเมได้ตามมีตามเกิดนะครับใช่หล่อนพยักหน้าบุยปากให้ดูที่ก้อนหินลูกนั้นชัยยันเขาฉลาดพอที่จะทำลูกประครบช่วยให้ในด้านความอุ่นกับเมเหตุการณ์คงเกิดขึ้นในตอนกลางคืนภายหลังจากกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นัหมครับสำหรับโรคประจาตัวชนิดนั้นของเม มันก็ไม่ถึงกับเป็นอันตรายร้ายแรงอะไรหรอกนักนะเพียงแต่ว่าการมาวันแรกระยะแรกของเมนจะทําให้ปวดอย่างรุนแรงบางขณะทําให้สิ้นสติแต่พอผ่านพ้นวิกฤตระยะนั้นไปแล้วก็จะเป็นปกติคนป่วยโรคแบบนี้ส่วนมากจะหายไปได้ก็ต่อเมื่อมีลูกเมื่อคืนนี้เมนคงจะนอนไม่ได้สติตลอดทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งเช้าแล้ ว, ลวดารินก็ถอนใจเบาๆมือมองดูขี้เท้ากองไฟ ฉันอยากจะรู้เหลือเกินนะว่าสองคนที่หลงมาด้วยกันเนี่ยได้เผชิญกับอะไรมาบ้างก่อนที่จะสมซานมาพักกันอยู่ที่นี่ก็คงนึกเหมือนกับเราคือนึกว่ามีเขาสองคนเท่านั้นละมั้งที่คงมีชีวิตเหลือรอดอยู่ท่นยานใหญ่หย่อนกายลงนั่งขอนไม้เดียวกันกันหล่อนคุณหญิงครับพวกเราทุกคนนะล้วนเป็นนักต่อสู้นักผจญภัยเลือดข้นกันทั้งนั้นนะครับเมื่อรู้แน่ว่าคุณชัยยันหลงมากระเมชเช่นนี้ ผมก็อุ่นใจละเพราะทั้งสองคนมีคุณสมบัติประจำตัวที่พอจะประคับประคองเอาชีวิตรอดกันไปได้มเมย์นะ่ะเขาชำนาญในการเดินป่าพอใช้ละส่วนชัยยันก็กล้าหาญและมีสติดีการพบร่องรอยของคนทั้งสองครั้งนี้ทำให้ผมโล่งอกไปอีกเปลาะหนึ่งกล้าพ น, นันว่าอย่างช้าภายในไม่เกิน24ชั่วโมงหลังจากนี้เราจะต้องตามสองคนนั่นพบคราวนี้ก็เหลือแต่เพียงคุณชายเชิฐา กระพรานอีกห้าคนของเราเท่านั้นที่เรายังไม่ได้ระแคะระคายว่แววอะไรเลยแต่ผมรู้สึกเชื่อมั่นยังไงพิกล น, นะครับว่าเราจะต้องได้ข่าวคุณชายกับพวกนั้นแน่ๆและผมเชื่อว่าทุกคนยังต้องมีชีวิตอยู่ขอให้เป็นเช่นนั้นจริงๆเธอดาริพนพึมพำขณะนั้นก็มีเสียงบุญคำร้องบ้างว่านายได้รอยทางไปของนายทหารกับนายแหม่มแล้ว เอามีดฟันไม้ทำเครื่องหมายไว้ชัดทีเดียวเราก็จะทิ้งไว้ให้เราเห็นเงินแหละแต่หน้าแปลกน า, นายรอยของไอ้งซไซที่นำเรามาแต่แรกนะ่ะกลับหายไปเสะฉยเฉยหาเท่าไหร่ก็ไม่พบทั้งสองลุกขึ้นเดินตรงเข้าไปยังชายดงที่ตาพรานเท่ากำลังก้มก้มเงยเงตรวจร่องรอยอยู่แล้วก็พบหลักฐานการเริ่มต้นละเดินทางจากที่พักของบุคคลทั้งสองริงตามที่บุญคาบอกไว้ มีรอยมีดบากลำต้นและตัดลิฟกิ่งไม้เล็กๆเหมือนจะจงใจทำสัญญาณไว้ให้ใครก็ตามซึ่งจะเดินทางผ่านมาพบได้ทราบถึงทิศของการบ่ายหน้าไปนอกจากนั้นบนพื้นอันปกคลุมไปด้วยใบไม้แห้งก็ยังปรากฏรอยเท้าให้เห็นชัดในช่วงแรกเท่าที่พอจะมองเห็นได้ในระยะใกล้ๆนี้ทั้งสองบ่ายหน้าไปทางทิศตะวันออกโดยเลาะเลียบไปกัแนวลำคูใหญ่ อันเกิดจากการเลื้อยเคลื่อนตัวของงูยักษ์แล้วพินเข้าไปพิจารณาดูที่รอยมีดบากต้นไม้ไว้แล้วยิ้มออกมาเล็กน้อยฟันไว้เมื่อเช้านี้แน่นอนครับสังเกตได้จากยางไม้นี่เห็นจะเป็นฝีมือของเมย์แน่ๆละ่ะเมย์ฉลาดรบอบคอบเหลือเกินที่ทำเครื่องหมายทิ้งไว้เพื่อสำหรับให้พวกเราคนใดคนหนึ่งที่บังเอิญยังมีชีวิตรอดและผ่านมาได้ทราบ ดารินพึมพำชมเชยเพื่อนสาวต่างผิวออกมาอย่างใจจริงเขาอาจไม่มีเจตนาให้เราพบก็ได้ครับเพราะการที่จะหวังว่าต้องมีใครผ่านมาทางนี้นั้นเป็นความหวังที่เลื่อนลอยมากทีเดียวแต่เมได้กระทําลงไปด้วยสัญชาตญาณอันเคยชินของนักเดินป่าที่ช่ําชองมาแล้วการทําเครื่องหมายให้สังเกตได้ในป่าที่ผ่านไป น, นอกจากจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่อาจติดตามมาภายหลังแล้ว ก็ยังเป็นประโยชน์สาหรับตนเองด้วยนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดถ้าบังเอิญเดินหลงวนเวียนกลับมาที่เก่าก็ยังสังเกตรู้จากเครื่องหมายที่ทำเอาไว้แล้เดี๋ยวเราจะตามเขาได้อย่างสะดวกที่สุดผมเชื่อว่าเมคงทําเครื่องหมายไว้ทุกระยะทีเดียวล้วครับไม่มีรอยของแง่ทรายเลยเหรอหญิงสาวหันไปถามบุญคําผู้ขนานี้ทั้งหูทั้งตาและจมูกไม่ผิดอะไรกระหมาบลาดาัดฮาว บุญคำก็พยายามค้นหาดูจนทั่วรอบด้านแล้วล่ะครับนายหญิงพบแต่ร่องรอยของนายทหารกับนายแหม่มสองคนเท่านั้นแหละรอยพักนอนรอยเดินไปเดินมารอบๆแล้วก็รอยออกเดินทางตอนเช้าบ่ายหน้าไปทางนี้ครับแต่รอยของไอ้เงาทายนะ่ะมีให้เห็นครั้งสุดท้ายก็ตอนที่มันไต่ลำต้นไม้ขึ้นมาจากขบลำทานข้างล่างนั่นเท่านั้นมันคงห่อหรือไม่กับดําดินใชละล่ะนายหญิงครั้งแรก เขานําเราไปพบกับบุญคําต่อมาก็นําเรามาพบกับร่องรอยของชัยยันและเมย์แล้วเดี๋ยวนี้เขาหายไปไหนล่ะหล่อนมองตาพรานใหญ่เปรยขึ้นลอยๆอย่าห่วงเลยครับคุณหญิงแงซ้ายไม่ได้หาะหรือดําดินไปอย่างที่บุญคําว่าหรอกขอให้ทราบไว้อย่างเดียวเท่านั้นเราจะเห็นหรือพบอะไรจากมันได้ก็โดยเจตนาของมันที่ต้องการให้เราเห็นหรือพบเท่านั้น หาไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่ได้คาวเงื่อนอะไรเลยทั้งสิน้นยุดประสงค์ในระยะนี้ของแง่ทรายก็คือนำเราให้มาพบกันกับที่พักนอนของคุณชยันและเมเมื่อคืนนี้ต่อจากนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของเราเองที่จะพิจารณาติดตามบุคคลทั้งสองต่อไปเพราะฉะนั้นจึงลบและอําพรางร่องรอยของตนเองสะเดี๋ยวนี้คุณเชื่อตามที่ฉันพูดหรือยังละ่ะนายพราน ในข้อที่วัดถึงยังไงก็ตามพฤติกรรมของแง่ไซน์เป็นมิตรกับเราผมยังไม่เชื่อหรือไว้วางใจอะไรทั้งสิ้นจนกว่าแง่ไซนจะกลับคืนมามอบตัวพร้อมทั้งนำแผนที่มาให้ด้วยแต่ในชั้นนี้ก็ยอมรับแล้วครับว่าการที่เราได้พบบุญคำและมาพบร่องรอยของพรรคพวกอีกสองคนแง่ไซายเป็นคนนำมาซึ่งนั่นก็ดูจะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีแล้วเขาก็หัวเราะออกมาเบา ผมนึกออกแล้วล่ะครับที่ทําไมเวลาครึ่งชั่วโมงหลังก่อนที่เราจะมาถึงกันที่นี่ไงายจึงเรื่องฝีเท้าเดินหนีแผะลับตาไปคงทิ้งไว้แต่รอยให้ตามทางมาเท่านั้นทําไมเหรอนายพรานมันก็ต้องการให้เราเดินตามรอยมันเพื่อมาพบกระหลานเหล่านี้และมีเวลาได้ไข้ค ร, ครวนพิจารณาโดยอิสระเต็มที่ไม่ต้องคอยพอวงถึงมันอยู่ถ้ามันยังเดินนําทางเรา ชนิดให้เห็นตัวกันอยู่เมื่อเรามาพบหลักฐานเหล่านี้เข้าถึงยังไงเราก็จะต้องพวะปวงสองฝักสองฝ่ายไหนจะต้องใคร่ควรพิจารณาถึงหลักฐานที่ปรากฏอยู่เหล่านี้และไหนจะต้องคอยจับตาติดตามมันต่อไปอีกสูตรหนึง่งซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็ยังไม่สามารถจะบอกได้ถูกเหมือนกันว่าผมจะเลือกตามรอยคุณชยันกระเมหรือมุ่งที่จะตามแง่ใส่กันแน่ ทุระอะไรเราจะต้องตามแงาทรายต่อไปละ่ะในเมื่อเราได้ร่องรอยหลักฐานของสองคนนั่นแล้วถูกแล้วครับเราอาจตัดสินใจตามรอยของสองคนพวกเราแต่คุณหญิงคิดหรือเปล่าล่ะครับว่าถ้าเราเห็นแงาทรายเริ่มเคลื่อนออกเดินเราจะตกอยู่ในภาวะลำบากใจที่สุดเราจะเดาถูกละครับว่าแงาทรายนำทางเราให้ไปพบกับสองคนนั่นโดยสะดวกขึ้น หรือว่ามันจะแยกเดินไปทางอื่นกันแน่แต่การที่เงาทายหลบหน้าหายไปซะรู้แล้วรู้รอดเช่นนี้ก็หมดปัญหาไปถึงยังไงเราก็อาศัยรอยของสองคนนั่นเป็นเครื่องหมายนำทางได้อย่างเดียวจริงของคุณนะถ้างั้นเงาสายก็ใช้ปัญญาอันรอบคอบและฉลาดที่สุดของเขาแล้วล่ะจอมพันหัวรอดเสียงแป่งในลาคอ คุณหญิงยังพวงถึงแต่งแง่ทรายอยู่นั่นแหละโปรอย่าลืมใช น, นะครับว่าโดยร่างกายของแง่ทรายเจ้าพลังงานลึกลับที่สิงสู่อยู่มันเป็นอะรก็ไม่รู้สิ่งนั้นนหะครับเป็นตัวต้นเหตุกระทาในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะชักนําเราให้มาพบกับความหายยนะวิบัติและไม่ว่าจะจูงจมูกล่อเราให้ต้องบ่ายหน้าไปสู่วัตถุประสงค์ที่มันต้องการซึ่งผมแน่ใจว่าใกล้จุดมุ่งหมายของมันเข้ามาเต็มทีแล้วล่ะ บารินสะดับฟังเขาอย่างตริตรองภายหลังจากนิ่งไปครู่ก็ถามเคร่งขรึมมาว่าคุณจะไม่แสดงความเห็นอะไรบ้างทีเดียวเหรอในพรานเกี่ยวกับกำแพงเมืองลึกลับที่เห็นนั่นพรานใหญ่หันกลับไปยังครูเมืองอันเห็นขอบกำแพงประหลาดโผล่มาอีกครั้งก็นิทรานครของนางพญาพันธุ์ุมวดี ที่คุณหญิงเคยเห็นมาแล้วในภาพฝันยังไงล่ะครับในที่สุดเราก็ได้มาถึงแล้วไม่มีข้อสันนิษฐานยกเมฆอะไรที่จะดีไปกว่านี้ละ่ะไอผีดิบมันไรพยายามที่จะป้องกันขัดขวางสกัดกั้นเราไว้แต่เจ้าผีก้อยที่สิงอยู่ในร่างแงลทรายก็นำเราฟันฝ่าเข้ามาจนถึงจนได้และคนที่ล่วงหน้าเข้าไปก่อนเราแล้วคือคุณชยันกับเมครับ เสียงพูดของราพินดังไม่เกินกระสิบถ้างั้นนครประหลาดตั้งแต่โบราณกาลนั้นก็คงจมอยู่ใต้แผ่นดินในป่าละแวกนี้นี่เองดารินกล่าวอย่างแผ่วเบาเดี๋ยวมองไปรอบๆ ร, บราวป่าอันทึบทะมึนซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ดึกดาบนอ่ะคุณคิดว่าบริเวณไหนที่ควรจะเป็นตัวเมืองล่ะตามปกติแล้วนะครับ คูเมืองจะต้องอยู่ด้านนอกของกำแพงครับจอมพรานพูดด้วยอาการคข้ครวญลึกซึ้งตาเป็นประกายวาวขณะนั้นบุญคำเดินห่างออกไปตรวจ ด, ดูอะไรของแกอีกด้านหนึง่งเราสันนิษฐานกันแล้วครับว่ารอยนอนหมกตัวของงูใหญ่ก็คือคู่มงนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ฝั่งที่เราขึ้นมายืนอยู่นี่ก็ควรจะเป็นบริเวณภายในของขอบกำแพงเพียงแต่เรายังไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่า เมืองนี้มันจะมีอาณาเขตกว้างใหญ่ซักขนาดไหนและแนวกำแพงที่เห็นโผล่ขึ้นมาบางส่วนนั้นทอดไปไกลซักเพียงใดและสาเหตุที่ถล่มจมลงไปใต้แผ่นดินจนกระทั่งป่าดึกดำบานขึ้นปกคลุมหลักฐานต้นไม้และสภาพป่าบอกถึงอายุเป็นหมื่นๆมแสนๆสนปีขึ้นไปเช่นนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่คุณหญิงครับ ผมก็เคยบอกกับคุณหญิงไว้แล้วในข้อนี้นี่ครับมันอาจเกิดจากภัยธรรมชาติเป็นต้นว่าภูเขาไฟาใต้แผ่นดินน่ะมันระเบิดแผ่นดินไหวเช่นเดียวกันนคร บ, บาบิโลนหรือเมืองปอมเปอีในขณะเดียวกันก็อาจเป็นเพราะอำนาจมนต์มืดอาถรรพ์อะไรสักอย่างนึงที่เรายังไม่ทราบได้มันอาจเป็นนครที่ต้องสาบเหมือนอย่างเรื่องในนิยายสิ่งที่เหลืออยู่และเห็นอย่างแน่ชัดที่สุดก็คือ เจ้าผีดิบมันไรซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นปุโรหิตที่ปรึกษาราชการแผ่นดินของนครนี้มันเป็นอมตะมันยืนยงคงอยู่ตั้งแต่กาลครั้งนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้โดยทําหน้าที่เป็นเสมือนสมเฝ้าทรัพย์คอยกีดกันทําลายล้างใครก็ตามที่จะผ่านเข้ามาพบซาก ข, ของนครนี้ดารินบังเกิดอาการขนลุกเกลียวขึ้นมาในทันทีนั้น ด้วยความรู้สึกสยองใจเมื่อหวนนึกไปถึงภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าได้เดินทางเข้ามาใกล้จุดหมายปลายทางเต็มทีแล้วทั้งทางที่ไม่ทราบแน่ว่าจุดหมายปลายทางนั้นคืออะไรกันแนะ่แต่ก็บังเกิดความอบอุ่นมั่นใจขึ้นอย่างประหลาดเดี๋ยวนี้ไม่เพียงแต่ระพินไพรวันผู้จะเป็นหลักประกันอันแน่นอนและมั่นคงเท่านั้นเรายังมีบุงคําผู้เก่งกาจ เข้ามาร่วมสมทบด้วยอีกคนหนึ่งยิ่งกว่านั้นยังได้ร่องรอยการมีชีวิตอยู่และเดินเข้าสู่เป้าหมายอันเดียวกันของชายันกับเมย์สำแนสายเล่าก็ป่วนเปลี่ยนใกล้ชิดเข้ามาทุกทีแสดงว่าไม่ยอมทอดทิ้งห่างออกไปและมีพฤติกรรมที่การช่วยเหลือเด่นชัดขึ้นทุกขณะสองคนนั่นเขาจะสันนิษฐานรูปการเช่นเดียวกับเราหรือไม่นะ ผมคิดว่าเขาจะต้องมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ในแนวเดียว ก, กันกับเรานี่แหละครับคุณหญิงเพราะต้นลึกหนาบางทุกชนิดตั้งแต่ต้นทั้งเมย์และคุณชายันก็ทราบมาดีเท่าๆกับเราเหมือนกันบางทีเขาอาจได้เผชิญอะไรที่ร้ายกาจมพอพอๆกับเราแล้วก็ใช้ความสามารถไหวพริบต่อสู้เอาชีวิตรอดมาได้จนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายที่เรามาพบรอยของเขาหนิลองเดาสิ นาเมื่อคืนนี้สองคนมานอนพักที่นี่ภายหลังจากพบกำแพงเมืองรุ่งเช้าวันนี้ก็ออกเดินทางเขาจะมุ่งหน้าไปไหนหรือตั้งเข็มไว้ยังไงนะผมว่าสองคนนั่นจะต้องมุ่งเข้าค้นหาหลักฐานของนครที่จมอยู่ใต้แผ่นดินนี้เพิ่มเติมแน่นอนครับผมไม่เดินเปะปะไปอย่างปาสจักจุดไม้ร็อกเราเองก็เหมือนกัน นอกจากเราจะมุ่งตามทั้งสองคนนั่นเป็นจุดหมายแรกแล้วเราก็จะค้นหาร่องรอยหรือซากของเมืองเก่าแก่นี่ไปด้วยผมแน่ใจว่าหลักฐานบางส่วนของตัวเมืองอาจโลเหลืออยู่ให้เห็นบางทีเขาเว้นระยะไปอึดใจหนึ่งมองตาหลอนบางทีตัวปราสาทที่พันธุมวดีบรรทมอยู่ในโรงแก้วอาจซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ในละแวกนี้ก็ได้นะครับแล้วถ้ามันมีอยู่จริงตามที่แงซายบอกและเราเข้าถึงก็แปลว่าเราเข้าถึงเป้าหมายที่เจ้าผีกองกอยปรารถนาแล้วล่ะครับดารินแงงมองแสงสว่างบนทองฟ้าที่เห็นบางส่วนบ่ายลงเต็มทีแล้วนี่เราจะมีเวลาติดตามสองคนนั่นอีกสักเท่าไหร่นะคําที่ไหนก็หยุดพักที่นั่นเราจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้ล่ะครับคุณหญิง จบเขาก็เลี้ยวไปรอบๆและตะโกนเรียกบุญคำาสิงงกระร้องตอบออกมาจากหลังจอมปลวกรพินจึงสาวเท้าตรงเข้าไปพอลับพุ่มไม้เขาก็อุทานออกมาเบาๆบุญคำต้าพรานเท้าผู้กำลังนั่งยองๆอยู่กับพื้นเงยหน้าขึ้นแยกเขี้ยวยิ้มกับเขาสิ่งที่พรานใหญ่เห็นด้วยอาการตะลึงก็คือแกกาลังบรรจงเขี่ยผ้าซับประจาเดือนของมาเรีย มาวางไว้บนใบบอนขนาดใหญ่แล้วค่อยๆห่ออย่างระมัดระวังแต่ก็พึมพมออกมาว่าคราวนี้ละนายไม่ต้องวันอะไรอีกแล้วขอให้พบหน้ากันอีกสักครั้งเถอะไม่ว่าไอ้ผีดิบมันไรหรือไอ้เสือโคร่งดำตัวนั้นรพินเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ลืมตากว้างฮะนี่เอาเจริงเหรอบุญคำโหแล้วกันสินาย เห็นบุญคำพูดเล่นไปได้บุญคำนะเห็นผ้าเลือดของนายแห ม, ม่มโอ้โหดีใจยิ่งกว่าได้แก้วซะอีกก็บอกแล้วนะว่าเจ้าป่าท่านเปิดทางให้แกเราถึงได้บรรทาบรรดาให้บุญคำมาพบกันไอ้นี่เขายังไม่คาดฝันคราวนี้ล่ะนายเป็นได้เห็นดีเห็นชั่วกันเสียทีมันล่าเรามันนานแล้วต่อไปนี้บุญคำจะล่ามันบ้าล <laughs> ประโยคสุดท้ายแกหัวเราะออกมาด้วยเสียงคำราม จาัด ก, การห่อผ้าซับประจำเดือนที่พบทิ้งอยู่นั้นอย่างระมัดระวังและบรรจุลงถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งเอาผ้าเขาม้าห่ออย่างดีผูกมัดติดกับเอวไว้ป่าก็พึมพำต่อไปอย่างลิงโลดใจนายแหม่มดีแท้ๆอุด่าทิ้งไวให้บุญคำน่ะเป็นทุกอยู่นี่ว่าจะไปหาไอ้ของชนิดนี้มาได้จากที่ไหนในที่สุดเจ้าป่าก็สงโปรดจอพาพรานทาหน้าแย กระดึกน้ำลายลงคอยอย่างยากเย็นกับริบตาปริบ ป, ปริบดูการของตาพรานเท่าครูใจครางมาว่าเออไนะเอาจริงแฮนั่นจะเอาติดตัวไปด้วยเหรอนหนไม่เชื่อก็คอยดูสิไนนี่แลยผ้ายันวิเศษโบเข้าไปที่ไหนต่อเนื้อหนังบางสา ข, ของมันทําด้วยเหล็กไหลหรือหินมันก็จะยุ่ยเป็นหยวกโป้ยไปเลยเมื่อคือนนี้ทั้งนายทหารกับนายแหม่มมา น, นอนพักอยู่ที่นี่ มีชีวิตรอดจากไอ้โครงดำกับไอ้ผีดิบนั่นได้จนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ออกเดินทางไปได้กัเพราะนายแม่มเกิดมีเลือดประจําเดือนมาเป็นเครื่องคุ้มตัวนี่แหละหาไม่เช่นนั้นก็เสร็จไปแล้วมันไม่กล้าเข้าหรอกแล้วขอให้นายเชื่อที่ตราบใดที่นายแม่มยังมีเลือดประจําเดือนไม่หมดทั้งสองคนนั่นจะรอดปลอดภัยจากไอ้ผีดิบรายนั้นมันจะไม่แพร่พ า, านเข้ามาใกล้เป็นอันขาด ยกเว้นแต่สัตว์ ร, ร้ายธร ร, าธรรมดาธรรมดาเท่านั้นละนายก่อนที่ระพินจะอ้าปากพู ด, ดําใดออกมาดารินผู้เห็นทั้งสองคนลับตาเข้ามาอยู่หลังจองปลวกนานผิดปกติก็เดินตามเข้ามามันเป็นเวลาเดียวกับที่บุญคําผูกผ้าเขามาติดเอวเรียบร้อยและรีบลุกขึ้นยืนหญิงสาวจึงไม่ทันเห็นว่าทั้งสองกำลังทําอะไรกันอยู่ปาา่าผ่านเท้ามองสบตาเขารอกทําบุยบใบให้สให้สงบปากคําซะ เพราะไม่ต้องการให้นายหญิงทราบว่าแกทำอะไรทานใหญ่จิงวางหน้าเฉยเป็นปกติและชิงตาวกลบเกลือนขึ้นเป็นการปัดความสนใจของหลอนใช่พร้อมหรือยังนะครับคุณหญิงเราจะได้ออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้แหละเวลาไม่ค่อยท่าละครับพร้อมแล้วแต่หลอนเหลือบสายตาไปที่พื้นตำแหน่งที่เคยเห็นผ้าซั์ประจาเดือนของมารีย ว, วางทิ้งอยู่ซึ่งบัตรนี้มันอันตรธ า, านไปชละ ดารินเป็นคนละเอียดและมีความสังเกตที่เฉียบไวที่สุดว่าแต่แพทซับเมนของเมชินนั้นมันหายไปไหนใช่ละบุญคําเกือบสะดุ้งทำหน้าพิกลและพินเองก็วางหน้าไม่สนิทนักสองคนอึกอักมีพิรุษดารินจ้องหน้าคนละทีไม่กล่าวซักถามอะไรอีกแต่บอกต่อมาว่าเอาไปกันเถอะ ทั้งสามเริ่มต้นการเดินทางอีกครั้งโดยบุญคำเป็นคนนำรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วแกะรอยชายันและมาเรียผู้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วระพินปล่อยให้แกทำหน้าที่เป็นเรือนำร่องห่างออกไปประมาณ19้าเขากาดารินเดินเคียงคู่กันตามไปเบื้องหลังไม่ได้บุญคำมาร่วมด้วยแล้วเช่นนี้ภาระในการแกะรอยของระพินก็ถูกแบ่งเบาไปปล่อยหน้าที่ให้แกโดยเขาเพียงแต่ระวังหลัง และสังเกตสิ่งแวดล้อมและคอยควบคุมไว้เท่านั้นเลาะไปตามแนวขู่โดยมุ่งหน้าขึ้นตะวันออกประมาณห้าหกเส้นจากนั้นรอยของคนทั้งสองก็บ่ายแยกจากแนวเลื้อยของงูใหญ่ขึ้นเหนืออันเป็นป่าโคกปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์ยักษ์ซึ่งมีลำต้นทอดเกี่ยวพันประสานกันเราก็มีใครมาถักไวเป็นซุม้มแสงตะวันแทบจะส่องลงมาไม่ถึงพื้น ตลอดทางวิรอยมีดเฉาะกิ่งเถาวันไว้เป็นระยะกานตามรอยเป็นไปอย่างสะดวกสบายที่สุดเพราะสองคนที่ล่วงหน้าไปก่อนทำเครื่องหมายไว้อย่างเด่นชัดระหว่างที่เดินเคียงรอดกิ่งเถาวันไปด้วยกันดารินก็กระซิบถามว่าใครเป็นคนเก็บเอาวะคุณหรือบุญคําะอะไรครับคุณหญิงก็แพชชินนั้นไงบุญคําครับ นี่กรลงทุนถึงขนาดนั้นเชียวเหรอบุญคํามีความเชื่อมั่นเช่นนั้นแล้วก็เป็นการดีแล้วที่คุณหญิงไม่ได้ขัดคอแกนะครับโถนี่จะขัดคอแกทําไมนี่ฉันเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่ามันจริงแค่ไหนว่าแต่ขอถามหน่อยเถอะถามอะไรครับสมมุติว่าถ้าเราไม่มีบุญคํามาด้วยมีแต่เราสองคนแล้วมาพบเข้ากับผ้าซับเมนผืนนั้นคุณจะเก็บไปด้วยไหม เห็นจะยากครับผมเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าตำรับในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยสอนไวซะด้วยสิดารินหัวเราก ข, ขันขันขึ้นเป็นครั้งแรกและไม่กล่าวอะไรอีกพักใหญ่ก็พ้นบริเวณป่าเผาวันเข้าสู่ดงทึบอีกครั้งรอยของทั้งสองคนรุดหน้ากันไปอย่างบุกบั่นและทรหดขีดสุดบางขณะก็บุกเข้าพงรกบางขณะก็อาศัยไปตามทางด่านเล็ก และบางขาะก็มุดไปตามลำห้วยแห้งจะตัดทางเปลี่ยนทิศครั้งใดก็ทิ้งเครื่องหมายให้เห็นชัดวายเป็นระยะอย่างฉลดัดครั้นแล้วในลำห้วยนั่นเองบุญคำผู้เดินอยู่เบื้องหน้าก็หยุดชะงักก้มลงเก็บอะไรกับพื้นพอรพินกระดารินเดินมาถึงแต่ก็ส่งให้โดยไม่พูดอะไรมันคือปลอกกระสุนจุดสมเจ็ห้าแมกนัมนัดหนึ่งมีแน่ซั์อะไรเขาให้แล้วล่ะ ท่านใหญ่พูดโดยเร็วขณะที่พริกปลอกกระสุนดูดารินก็ร้อนใจขึ้นมาในบัตรนั้นสั่งให้บุญคําตรวจบริเวณหาร่องรอยอื่นๆอีกไม่มีอะไรผิดปกติและปลอกกระสุนก็มีอยู่เพียงนัดเดียวที่พบเท่านั้นรอยเท้าของคนทั้งสองคงเดินไปด้วยอาการปกติท่านแล้วไม่กี่อึดใจของการตามรอยต่อไปนั่นเองทั้งหมดก็ได้คําตอบชัดเมื่อตามรอยขึ้นมายังขวางฝาของลําห้วย ที่เห็นแผงตัวหนึ่งใหญ่ขนาดหมาอันเจีเชียนนอนอยู่บนริมฝั่งห้วยมีรอยกระสุนทะลุสะบักหน้าหนังถูกเปิดลอกไว้ครึ่งตัวและขาหลังด้านหนึ่งถูกคมมีดเฉือนตัดไปทั้งขาโดยทิ้งส่วนอื่นๆไว้บริเวณนั้นไม่มีรอยก่อไฟแทบจะไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆดารินก็สามารถเข้าใจได้ทันทีว่าสองคนหายสเสบียงระหว่างทางเอาเนื้อสดติดตัวไป เพื่อสําหรับอาหารมื้อข้างหน้าโดยยังไม่ได้กินในขณะ น, นี้โล่งอกไปทีหล่อนถอนใจยาวยิ้มออกมาได้วางใจได้ครับคุณหญิงถ้าคุณชายยันหลงมกะกเมร์เรื่องอาหารเป็นไม่อดแน่นอนด้วยความจริงเราน่าจะได้ยินเสียงปืนนะระยะมันก็ไม่ได้ห่างกันออกไปเท่าไหรน่นักนี่จะอาศัยเสียงปืนไม่ได้เสมอไปหรอกครับ มันสุดแล้วแต่ทางลมแล้วภูมิประเทศด้วยถ้ามันลั่นขึ้นใต้ลมระยะสักสองสามกิโลนี่เราก็ไม่ได้ยินแล้วละ่ะหรือถ้ามันมีเหลี่ยมเขาบางไวก็ไม่ได้ยินเหมือนกันครับเราจะต า, ามก็ทันก่อนมืดสนิทวันนี้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าสองคนนั่นหยุดหรือเดินวนก็อาจทันแต่ถ้าไม่ทันวันนี้พรุ่งนี้ต้องพบแน่นอนครับ ระวังรอยจะหายซะนะถ้าไม่เกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นกับสองคนนั่นรอยจะไม่หายไปเป็นอันขาดครับเขาไม่ได้เดินรุดหน้าไปเฉยๆแต่เจตนาจะทิ้งรอยไว้ด้วยแสงที่สลัวอยู่แล้วบัตรนี้มัวมนลงไปอีกทุกนาทีที่ล่วงผ่านไปทั้งสามผ่านโคกตอนหนึ่งลงสู่ระดับพื้นราบอันกว้างใหญ่อุดมไปด้วยต้นพริกขีหนูยักษ์ชนิดที่เคยพบกันมาก่อนแล้ว แต่คราวนี้ขึ้นเป็นดงราวกับจะมีใครมาปลูกไว้มีทางดานผ้าสลับปัดกันอยู่ไปมาในระหว่างต้นพริกใหญ่เหล่านั้นสภาพที่เห็นเป็นป่าทึบดูจะโปร่งขึ้นเล็กน้อยสามารถมองเห็นอะไรได้ในระยะไกลขึ้นห่างวัดเบื้องหน้าเป็นป่าสักขึ้นเป็นแนวชิดกับชายเขาเตีย้ยเตีย้ยลูกหนึ่งแดดผีตาผ้าอ้อมทอดลำจับอยู่บนยอดไม้ให้เห็นอีกครั้งและนั่น จะเป็นลำแสงแห่งทิวาการสุดท้ายของวันนี้ท่านใดนั้นเองก็มีเสียงเหมือนพายุคลางอู้ใกล้เข้ามาทั้งๆ ท, ที่กิ่งไม้ใบหญ้ารอบตัวในขณะนี้ไม่ได้กระดิกไหวเลยบุญคำผู้นำหน้าเดินไปก้าวสองก้าวก็หยุดเสียงนั้นใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วป่าพรานเท่าทำหน้าเลิอกลักเอามือทั้งสองยกขึ้นป้องหูหันไปรอบๆแล้วก็ถอยกรูดก็มารวมกลุ่มการพินและดาริม เลิ่มอะไรมันดังพี่ลึกอยู่น้าไนจอมทานเงียหู ก, ก่อนแล้วเหมือนกันหมุนไปรอบๆ อ, อย่างรวดเร็วแล้วตบลูกเลื่อนขึ้นลำจุดสี่ห้าแปดในมือเสียงดังสนัน่นหันไปทางดารินผู้ยืนหน้าตื่นอยู่เอามือดันหลังโดยแรงวิ่งวิ่งเร็วที่สุดปัดดงสักรงไปที่ชายผานั่นเร็วไปกับบุญคาไม่ต้องเป็นห่วงผมขณะจิตหนึ่งดารินวราริทยืนตะลึง แต่แล้วก็ถูกบุญคำจับข้อมือฉุดกระชาก พ, พาออกวิ่งแนบสุดฝีเท้ารงไปยังหน้าผาของเชิงเขาที่เห็นอยู่เบื้องหน้าไม่ห่างออกไปนะัก